ก็โดยสมัยนั้นแลสุนักขะัตตะิชวีบุตรเป็นผู้หลีกไปแล้วจากธรรมวินัยนี้ไม่นานนักก็แปลว่าศึกษาลาเพศออกจากพระภิกษุนั้นหลังจากที่ศึกษาลาเพศไปแล้วก็กล่าววาจานะในบริษัทณเมืองเวสาลีอย่างนี้ว่าธรรมะอันยิ่งคือโลกุตระธรรมหรือโลกุตรมะมรรคเป็นธรรมะอันยิ่งของมนุษย์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 พระสมณะโคดมทรงแสดงธรรมะที่ประมวลได้ด้วยการตรึกที่ไตรตรองด้วยการค้นคิดแล้วก็แจ่มแจ้งได้เองคิดเองว่าไปเองว่างั้นะต่อไปอีกแต่ธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงเพื่อประโยชน์อะไร น, นะคือเพื่อประโยชน์แก่มรรคผลนิพพานเนีนะ่ธรรมะนั้นย่อมดิ่งไปเพื่อความสิ้นทุกโดยชอบแห่งบุคคลผู้ทาตาม ปฏิเสธพระพุทธเจ้าปฏิเสธความรู้ความสามารถของพระพุทธเจ้าทุกประการแต่ธรรมะท่านดีใครปฏิบัติบรรลุจริงเ อ, อปฏิเสธพระพุทธแต่ยอมรับพระธรรมที่จริงอะ่ะมันปฏิเสธแล้วก็ยอมรับแบบคนมีแผนเขาง่านั่นนะอแผ น, แผนคือถามว่าประวัติของพระสุนัขขตะลิชวีบุตรหรือว่าสุนัขขตะลิชวีบุตรเนี่ยเขาคือใครเขาก็คือลูกเจ้ า, าลูกเจ้า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 คืออุปถาคสมัยพุทธกาลที่อุปถาพระพุทธเจ้าเนี่ยนะช่วงต้นๆก็มีใครบางมีเนี่ยพระนาคาสมาลพระเมคียะพระจุนทะแล้วก็พระสุนัขตาิชวีแล้วก็พระอนนท์เนี่ยนะก็มีหลายท่านเนี่ยอันนี้ก็คือตอนนั้นอะ่ะมีอยู่ช่วงหนึ่งพระสุนัขตลิชวีบุดคอยเป็นพุทธอุปถาที่นี่สุนัขตาฤชวีเนี่ยนะ ถ้าหากว่าเรามองเฉพาะชาติปัจจุบันเนี่ยเราจะไม่รู้จักเขาดีแต่ถ้ามองในอดีตชาติที่พระองค์แสดงไว้ในพรมนารทกสปะชาดกเนี่ยนะเขาคือพระเจ้าคืออาจารย์ของพระเจ้าอังคติราชอาจารย์ที่อดีตชาติเขาเคยเป็นนักบวชนุ่งลมห่มอากาศชื่อว่าคูนาชีวกกสปะโคดนะสอนลัทธิมิจฉาทิฐิ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 แต่แล้วเขาก็สอนลัทธิมิจฉาทิฐิในยุคใ น, คนั้นนะในยุคในเรื่องของพรมนารทะกสปะชาดกเพราะนั้นเขาเนี่ยเป็นเจ้าลัทธิผู้ใหญ่คนหนึ่งเลยแหละทีนี้บุญก็เขาก็ไม่อย่างว่านะคนที่เวียนวไหวในตายเกิดในวัตฐ์มันก็ไม่ใช่ว่าทำบาปโดยส่วนเดียวเพราะนั้นบุญบาปที่เขาทําก็เป็นปัจจัยไปสู่อบายทุกคติวินิบาตนรกแต่บุญที่เขาทําก็เป็นเหตุให้เขาโคจร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 สุนขตะก็เลยอกล่าวไม่ได้ว่าพระพุทธเจ้าไม่มีกุศลกรรมบทสิบเพียงแต่ว่าบอกว่าพระองค์ไม่มีอารยมรรคกล่าวว่าไม่มีอุตริมนุสธรรมเนี่ยนะตั้งคําถามว่าเพราะเหตุไรสุนขตะจึงไม่บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะไม่มีกุศลกรรมบทสิบก็เพราะกลัวเขาตําหนิเพราะในเมืองภัยสาลีเนี่ยมนุษย์เป็นจํานวนมากเลื่อมใสแล้วในพระรัตนตรัย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 ถ้าหากว่าสุนัขขตะริชวีบุตรไปบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่มีกุศลกรรมบทถ้าสุนัขขตะริชวีบุตรมากล่าวว่ากุศลกรรมบทเสบของพระสมณะโคโดมไม่มีเขาเหล่านั้นผู้นับถือพระรัตนะไตรก็จะถามว่าท่านได้เห็นพระพุทธเจ้าฆ่าศัตที่ไหนท่านเห็นพระพุทธเจ้าลักขโมยของของใครท่านเคยไปเห็นพระพุทธเจ้าผิดในกรรมที่ไหนมา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 เพราะว่าถ้าหาว่าไปพูดว่าพระพุทธเจ้ารักษากุศลกรรมบดไม่ได้ถูกเขาตีกลับมาแน่ตีกลับซะเสียหายเลยบอกว่านี่รู้หรือเปล่ากําลังพูดอะไรอยู่คําที่ท่านพูดเนี่ยฟันของท่านก็เหมือนกับเคี้ยวหินเคี้ยวกรวดอะไรหลือเล่ น, เ ล, นเล่นก็เรียกว่าจับงูที่หางเล่นพวงดอกไม้ในฟันเลื่อยสมไยนี้เคยเห็นโรงน้ําแข็งนะไอโรงน้ำแข็งไอฟันเลื่อยที่ตัดน้ําแข็งในแหมมันแผ่นใหญ่มากเลยนะไปเล่นพวงมาลัยแถวๆนั้นเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้น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 เป็นอันควรแก่พระริยเจ้าด้วยฉะนั้นจึงเชื่อว่าอาละมะริยยานัศนะวิเศษะเนี่ยนะะยานัศนะวิเศษะในสูตรนี้ท่านประสงค์เอาโลกุตรมะมัตแต่ส่วนยานัศนะในพระไตรปิฎกมีใช้อยู่หกความหมายด้วยกันปกตินในพระไตรปิฎกเนี่ยความหมายของยานัศนะมีอยู่หกอย่างเช่นทิพจักสุ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 ตรงนี้ท่านก็ยกมาให้ดูหกตัวอย่างให้ว่าย า, านทัศนะสามารถแปลว่าที่พระจักสุกก็ได้แปลว่าวิปัสสนาก็ได้มร ก, ก็ได้ผลก็ได้ปัจเวกขณะยานก็ได้สัพพัญยุตยานก็ได้แต่เนี่ยนะส่วนอะไรส่วนโลกุตรามัคท่านประสงค์เอาในที่นี้สุนัขะตะลิชวีนั้นปฏิเสธโลกุตระมัคแมนั้นของพระพุทธเจ้านะปฏิเสธบอกโอ้ธรรมะอันยิ่ง ของมนุษย์ที่เป็นญานณทัศนะอันวิเศษพอแก่ความเป็นอริยะคือโลกุตระมรคของพระสมณะโคดมไม่มีอันนี้คําปฏิเสธที่หนึ่งเลยออกมาปฏิเสธอย่างที่สองเบอกว่าก็สมณะโคดมเนี่ยนะไม่มีอาจารย์เพราะอะไรเพราะแสดงธรรมโดยการตรึกสแสดงธรรมโดยการตรึกการตรองยึดเอาแต่ความตรึกว่าจะมีอย่างนั้นจกมีอย่างนั้น คือยอมรับว่าพระสมณะโคดมเนี่ยมีโลกิยะปัญญาเขาเรียกว่ามีวิมังสานุจเจริญตังเนี่ยนะมีปัญญาไขครควญคิดอะไรได้ลึกซึ้งแต่ไม่มีไม่ได้บรรลุก็ก็จะบอกว่าโง่เขาไม่ได้ใช่ไหมโอ้เพราะพูดอะไรได้ลึกซึ้งไม่โง่นะท่านก็ฉลาดนะแต่ว่าท่านไม่ได้บรรลุมากอะไรหรอกทุกอย่างท่านสอนตามที่ท่านคิดเอาขาดคะเนเอากะเอานักเดาว่างนั้น พระสมณะโคโดมนั้นยัง ว, วิมังสาอันเปรียบเหมือนอินทรวิเชียนกล่าวคือปัญญานั้นให้เที่ยวไปข้างนั้นข้างนี้จากเป็นอย่างนั้นจากเป็นอย่างนี้ก็เลยแสดงธรรมคล้อยตามวิมังสาก็แปลว่านักคิดพูดตามที่ตัวเองคิดคิดเองพูดเองเหมืงนั้นเถะปฏิเสธว่าสมณะโคโดมนั้นประจักในธรรมทั้งหลายพราะแสดงธรรมตามปฏิพานไว้พิบไม่ได้เห็นจริงหรอข้อแรกปฏิเสธอะไรนะ ปฏิเสธอริยมร์ข้อสองปฏิเสธว่าพระพุทธเจ้าไม่รู้จริงนี่ต่อไปอีกสุนัขขะตานั้นมีความคิดอย่างนี้อีกว่าวิปัสนามรรคผลอันเป็นลำดับแห่งธรรมะอันละเอียดของพระสมณะโคโดมนั้นอะที่ชื่อว่าย่อมประจักไม่มีแปลว่าไม่ได้มีคุณธรรมอะไรเลยไอคุณธรรมชั้นพิเศษพิเศษน่ะ น, นะไม่มีสมณะโคโดมนั้นเนี่ยที่จริงก็เพราะได้บริษัทธมีวันณะสี่เวทล้อมเหมือนพระเจ้าจากักรพรรด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 ก็เลยเอาออกมาพูดที่จริงค่ะไม่ได้บรรลุไม่ได้ไปเห็นรอกเหมือนกับคนบางคนเนี่ยเล่าเรื่องต่างประเทศทั้งทั้งที่ตัวเองไม่เคยไปรอกนะคล้ายๆแบบนั้นนี่ต่อไปอีกแต่แต่แต่ธรรมะที่พระองค์แสดงเพื่อประโยชน์อะไรธรรมะนั้นย่อมดิ้งไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่บุคคลผู้ทําตามพิเศษอย่างหนึ่งนะว่าธรรมะที่ท่านพูดนะบรรลุได้จริงเออนะก็เลยบอกว่ายัศ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 สี่ปริจนะใคร้ครวนวิจัยใคร้ครวนให้มากๆ 5. ห้าโยนิโสมนสิการปฏิบัติตามนั้นแหละอันนี้เหตุห้าประการเพื่อกำจัดโมหะเนี่ยนะคือสุนคขาตาสนั้นบอกว่าธรรมะนั้นย่อมนำออกคือเป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งวัตถุกุกโดยชอบแก่ผู้ปฏิบัติธรรมตามที่ทรงแสดง คือหมายเขาว่าถ้าปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงสแสดงก็สามารถยังประโยชน์ให้สำเร็จสุตคตสุนักขตตะนั้นไม่กล่าวถึงเนื้อความทั้งหมดนี้นั้นด้วยอัธยาศัยของตนอันที่จริงแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าสุนักขตตะเนี่ยปฏิบัติตามแล้วบรรลุอะไรนะไม่ใช่แต่แต่พูดแบบคนมีแผนแผนของเขาก็บอกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยถ้าไปพูดว่าไม่นาออกจากทุก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 ธรรมะอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วไม่เป็นเครื่องนําออกจากทุกข์ได้ดังนี้ถ้าหากว่าธรรมะนี้ไม่เป็นเครื่องนําออกจากทุกข์ได้จริงใสทําไมในเมืองนี้จึงมีอุบาสกที่เป็นโสดาบันเท่านี้สกทาคามีเท่านี้อนาคามีเท่านี้เดี๋ยวอุบาสกเหล่านั้นจะออกมาคัดค้านเดี๋ยวจะช่วยกันทําให้ฟันร่วงก็กลัวฟันร่วงนะก็เลยไม่กล้าออกมาพุปฏิเสธว่าธรรมะไม่ดีจริงเท่านั้น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 ทำไมพระองค์จึงยอมให้บวชล่ะท่านบอกว่าสุนัขะตะลิชชวีบุตรเนี่ยเป็นคนที่สามารถระดมคนมารวมตัวกันได้มากที่สุดหลังจากที่สุนัขะตะลิชวีบุตรด่าพระพุทธเจ้าเป็นต้นบวชแล้วก็ศึกศึกไปแล้วก็ก็หาเรื่องพระพุทธเจ้าเกณฑ์ประชาชนมารวมกันมากเลยแล้วพระพุทธเจ้าแสดงธรรมบรรลุมหาศาลพระองค์ก็เลยอนุญาตให้ท่านบวชติดตามไปเนี่ยนะ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 ตกนรกก็ไม่มีผู้ไปอบายก็สอนให้บรรลุกันหมดแต่ก็อย่างว่าธรรมะท่านใช้คาว่าเวนยสัตว์บรรลุได้เฉพาะผู้ที่ควรบรรลุเฉพาะพุทธเวนยเป็นต้นไม่ใช่ว่าแม้หมอดีหมอตาเก่งเหลือเกินเกิดมาตาบอดแต่กำเนิดแล้วจะทำให้สว่างมันก็ไม่ใช่แล้วนะเพราะลู ก, กตาเขาไม่มีแล้วจะไปเห็นได้ยังไงมันที น, นี้ สุนัขาตาิชวีบุตรเนี่ยนะเขาเที่ยวโพรธนาด่าไปทั่วเมืองภัยสาลีไปหมดก็คือด่าพระพุทธเจ้าว่าไม่มีมรรคผลอะไรโรกธรรมะคิดเองทั้งนั้นแหละตัวเองก็ไม่ได้บรรลุหรอกแต่ใครปฏิบัติตามแล้วบรรลุเนี่ยนะในข้อหนึ่งร้อยหกสิบกล่าวว่าครั้งนั้นแลท่านภาษารีบุตรเวลาเช้าสดนุ่งแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปในเมืองภัาลีเนี่ยนะ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 เวสาลีว่าธรรมะอันยิ่งของมนุษย์ที่เป็นยาณทัศนะคือโลกุตระมักพอแก่ความเป็นพระอริยะของพระสมณะโคดมไม่มีพระสมณะโคดมนั้นทรงแสดงธรรมที่ประมวลมาด้วยความตรึกที่ไตรตรองด้วยการค้นคิดแจ่มแจ้งได้เองแต่ธรรมะที่พระองค์แสดงเพื่อประโยชน์ใดธรรมะนั้นย่อมดิ่งไปเพื่อความสิ้นทุกโดยชอบแห่งบุคคลผู้ทาตาม พระพุทธเจ้าพอได้ฟังพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนสารีบุตรสุนัขขตาลิชวีบุตรเนี่ยนะเป็นโมฆะบุรุษเป็นคนเปล่าเป็นคนมักโกรธและวาจาที่เธอกล่าวนั้นก็กล่าวเพราะความโกรธกล่าวเพราะผูกเวรกับพระพุทธเจ้านั่นเองดูก่อนสารีบุตรสุนัขขตานั้นเป็นบุรุษเปล่า คิดว่าจากพูดติเตียนจะด่าพระพุทธเจ้านะแต่กลับกล่าวสรรเสริญคุณของตถาคตแท้ที่จริงคุณของตถาคตที่บุคคลกล่าวอย่างนี้ว่าธรรมะอันพระตถ า, าคตทรงแสดงเพื่อประโยชน์ใดเป็นทางสิ้นทุกโดยชอบแห่งบุคคลผู้ทาตามก็หมายคขาว่าพระองค์บำเพ็ญบารมีมาทั้งหมดเพื่อจะช่วยให้สัตว์ทั้งหลาย บรรลุมรคผลท่านับถือหรือไม่นับถือไม่สําคัญสําคัญที่ว่าคําสอนที่พระองค์สอนแล้วเข้าปฏิบัติแล้วบรรลุมรคผลได้เนี่ยมันถูกต้องแลว้วนั่นคือความปรารถนานั่นคือเจตนาของพระองค์เนี่ยนะซึ่งถ้ากล่าวอย่างนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าชมพระพุทธเจ้าที่บอกว่าธรรมะที่พระองค์แสดงแล้วเป็นไปเพื่อ เพื่อประโยชน์ใดที่ผู้ใดปฏิบัติตามสิ้นทุกมันมลุกมรคลอันนี้ชื่นชมกันแท้ๆว่าสวากขาโตพระขาวตาธรรมโมนั่นเองอธิบายเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยเนี่ยนะในหน้าเจ็ดสิเจบอดที่บอกว่าโมคะปุริสาบุรุษเปล่าเนี่ยนะบุรุษเปล่าก็คือคนที่ไม่มีอุปนิสัยมรคลในอัตภาพนั้นชาตินั้นไม่พอสามารถจะบรรลุมรคลได้เรียกว่าโมฆะบุรุษ โมฆะบุรุษคนนี้แหละเป็นคนดุร้ายเป็นคนหยาบคายคำว่าโมฆะบุรุษในพระไตรปิฎกในใช่อยู่สองความหมายความหมายหนึ่งถึงมีอุปนิสัยที่จะได้บรรลุมรรคผลแต่ขณะนั้นไม่มีมรรคผลที่จะบรรลุเลยอย่างนี้ก็เรียกว่าโมฆะบุรุษอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสเรียกพระอุปเสนวังคันตบุตรน้องพระสาริบดีว่าโมฆะบุรุษเธอเวียนอ่ฉนาฉนัยเธอจึงเวียนกลับมาเป็นคนมรรคมากเร็วนักเนี่ยนะนะ พระองค์ก็ตําหนิอันนั้โมฆะบุรุษตัวนั้นเนี่ยขณะนั้นเนี่ยยังไม่ได้บรรลุมรรคผลแต่ตอนหลังท่านก็บรรลุมรรคผลก็เรียกโมฆะบุรุษเหมือนกันเพราะขณะนั้นยังไม่บรรลุหรือไม่มีอุปนิสัยอะไรที่จะบรรลุมรรคผลได้เลยพระองค์ก็ตราเรียกว่าโมฆะบุรุษสุนัขาตะลิชวีบุตรนั้นอุปนิสัยมรรคผลในชาตินั้นไม่มียังไงชาตินี้สุนัขาตาลิชวีบุตรก็ไม่ได้บรรลุพระองค์ก็เลยเรียกว่าโมฆะบุรุษ โมฆาบรุษที่พูดออกไปนั้นพูดด้วยความโกรธเพราะเฮไรสุนักขตจึงโกรธพระผู้มีพระภาคเจ้าทําไมนะขณะพระพุทธเจ้าดีขนาดนั้นเยี่ยมขนาดนั้นก็ยังโกรธลงคอวังงั้นนหะรอนะเขาก็มีเรื่องนะเพราะในการก่อนสุนักขตเนี่ย น, นะตอนที่เขาบวชอยู่เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทูลถามถึงการบริกรรมทิพจักสุแปลว่าไปเรียนวิธีเจริญให้มีตาทิพ ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสแก่สุนัขะตะนั้นแล้วสุนัขะตะนั้นก็อย่างที่ประจักสุให้เกิดขึ้นแล้ว ก, ก็เจริญอารมณกสัญญามองดูเทวโลกก็ได้เห็นเทพประมุขทั้งหลายเห็นเทพพธิดาทั้งหลายที่กําลังสวยที่ผสมบัตินะมองดูเทวดาในสวรรค์ที่อยู่ในสวนนันทวันบ้างจิตรดาวันบ้างปารุศกวันบ้างมิศกาวันบ้างเนี่ยนะก็ดูไปเรื่อย แม้พอดูเห็นภาพเห็นรูปอะไรเยอะแยะแล้วก็ประสงค์จะฟังเสียงของเทพพบุตรและเทพธิดารเหล่านั้นที่ดำรงอยู่ในอัตภาพสมบัติเห็นป่านนั้นว่าจะมีเสียงอ่อนหวานอย่างไรหนาะแล่แม่อยากฟังเสียงเหลือเกินดูที่เขาพูดกันนะะก็เหมือนว่าดูทีวีใบยอย่างนั้นนะก็เห็นแต่ภาพที่เขาถ่ายทอดออกมาแต่ว่าฟังไม่ออกฟังไม่รู้เรื่องเหมัองงนอยากจะมีหูทิพย์อยากจะฟังเสียงก็เลยเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า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 พอพระพุทธเจ้าไม่บอกก็เลยผูกอาฆาตผูกเวรผูกโกรธในพระพุทธเจ้าคิดว่าเราเนี่ยได้ทูลถามการบริกรรมถึงทิพจักษุครั้งแรกกับพระสมณะโคดมพระองค์ก็ได้ตรัสแก่เราว่าทิพจักษุบริกรรมนั้นน่ะจงสําเร็จหรือว่าจงอย่าสําเร็จนี่ยที่จริงอะก็บอกบอกพระพุทธเจ้าก็สักแต่ว่าบอกไปอย่างนั้นอย่างนั้นแหละไม่ได้คิดรอกว่าเราจะทําได้แบบนั้นแต่เราก็สามารถอย่างทิพจักษุบริกรรมเนี่ย ให้เกิดขึ้นด้วยการกระทำำําจําเพาะบุรุษนี่มันฝีมือของเราชัดๆเลยนะที่พระพุทธเจ้าบอกก็บอกไปอย่างนั้นและได้ก็ช่างไม่ได้ก็ช่างพระพุทธเจ้าก็ว่าไปเรื่อยแต่ตัวเองเนี่ยทําได้ทีนี้ก็อยากจะถามวิธีเจริญหูทิพทิพโสตก็ไม่ตรัสบอกการบริกรรมวิธีการปฏิบัติเพื่อให้ได้ทิพระโสตะนั้นแก่เราชรอยสงสัยว่าพระองค์นี่จะคิดอย่างนี้ว่าอันนี้เนี่ยความโกรธเนี่ยมันแทรกขึ้นมาเลยนะ ตำหนพระพุทธเจ้าบอกว่าสงสัยพระพุทธเจ้าจะคิดอย่างนี้ว่าสุนัขข่าานี่บวชจากราชาสกุลยังที่ประจักษ์สุให้เกิดขึ้นแล้วยังที่พระโสตะยานให้เกิดขึ้นแล้วยังเจโตปริยญานยังยานในความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายให้เกิดขึ้นแล้วก็จักทัดเทียมเราแน่แท้อ่นะกลัวเดี๋ยวสุนัขข่าาจะเก่งเท่าเราพระพุทธเจ้าเนี่ยแกกำบังอะไรก็ว่าเก็บบางอย่างเอาไว้ในกำมือจานไปสอนให้มันรู้หมดเดี๋ยวมันเท่าเรา กลว่าสุนัขาต่าจะเท่ากันใช่ไหมคิดว่าคนคนคนที่กิเลสหนาะก็นึกว่าคนอื่นกิเลสเหมือนตัวนะั่นนะว่ากันแต่คนที่สกรปรกก็นึกว่าคนอื่นนี่เลวร้ายเช่นกับตนก็เลยเที่ยวกล่นด่าพระพุทธเจ้าอันะความที่ตัวเองไม่สะอาดตัวเองไม่ฉลาดตัวเองโง ok ่เขลาตัวเองมักโกรธก็นึกว่าคนอื่นนี่จะเป็นเช่นกับตัวนั่นะนะก็เลยคิดว่าเดียวนะคิดว่าพระพุทธเจ้าเดียวถ้าเกิดสอนให้มีตาทิพมีหูทิปรู้วาราจิตอันะ แล้วก็ถ้ายัางอื่นก็ระลึกชาติได้เป็นต้นเนี่ยตลอดจนถึงสิ้นอาสะวะทั้งหลายก็จะทัดเทียมเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยไม่ตรัสบอกแกเราเพราะพระพุทธเจ้าริษยาแน่นอนแสดงว่าพระองค์ตรนีแน่นอนคิดว่าพระพุทธเจ้ายังมีความริษยาและความตรนีริษยาก็คือกลัวเกินหน้าเกินตาตรณีก็เก็บความน่าอัศจรรย์ไว้แต่เพียงผู้เดียว ลักษณะของริษยาคืออะไรกลัวเขาจะเกินหน้าเกินตาเดี๋ยวเขาจะเก่งกว่ารู้กว่ามีความสามารถกว่านี่แหละเขาเรียกว่าริษยาส่วนตรนีก็แม้อะไรพิเศษก็ ข, ขอความพิเศษอันนั้นอยู่แต่ในเราผู้เดียวคนอื่นไม่ต้องเป็นคนพิเศษทั้งนั้นแหละนี่เรียกว่าตรนีสุนัขขัตตะนั้นผูกอาฆาตผูกโกรธโดยประมาณอย่างยิ่งทิ้งผ้ากาสายะโกรธโกรธ ถ, ถึงขนาดเรียกว่าไม่ห่มจีวร อ, อีกต่อไป นะนะศึกไปเว้นครือขัดเลยแต่ก็ไม่นิ่งเที่ยวไปเนี่ยนะมันเก็บไม่ได้มันโกรธมันแค้นมันต้องหาเรื่องมันการที่ที่พูดความเลวร้ายของคนอื่นเนี่มันเป็นความสะใจชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นจะต้องเก็บความเลวร้ายของคนอื่นจริงไม่จริงไม่รู้เอาว่าไว้ก่อนลนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเที่ยวกล่าวตู่กล่าวตู่ก็กล่าวมู่สาว่ากล่าวเท็จทัทง้งทั้งที่พระองค์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นไปพูดตู่พูดไม่จริง พะ น, นั้นด้วยความเปล่าไม่จริงเที่ยวไปไปเที่ยวมูสาวาตนะไปเที่ยวโพลธนาพระพุทธเจ้าที่วาจาที่เขาพูดทั้งหมดเนี่ยนะเขาพูดเพราะความกโกรธทั้งนั้นเน่ บทว่าวันโนเหโซสาริปุ ต, ตะความว่าดูก่อนสาริบุตรตถาคตเนี่ยนะบำเพ็ญบารมีทั้งหลายก็คือบารมีสิบอุป ป, รปารมีสิบปรมาภิป ร, ะ ม, ะะปรมีสิบเนี่ยอยู่สิ้นสี่อสงไข ย, ยิ่งด้วยแสงกลับได้กระทําความพยายามเพื่อประโยชน์แห่งบารมีเหล่านั้นเพื่ออะไรเพื่อเทศนาเทศนาธรรมของเราก็จะเป็นเครื่องนําออกจากทุกได้เพราะฉะนั้นผู้ใดกล่าวว่าอย่างนี้ผู้นั้น ชื่อว่ากล่าวสรรเสริญแตถาคตนั่นเทียวเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวว่าธรรมะที่พระองค์สอนนําออกจากทุกได้จริงถ้าสรรเสริญว่าธรรมะที่พระองค์สอนนาออกจากทุกได้จริงถึงจะพูดด้วยคําด่า ก, ก็สรรเสริญก็ยังชื่นชมเนี่ยนะอุ้ยานี่ยาผีบอกไปกินแล้วหายคล้ายๆแบบเนี้นะแต่นี้เขาก็บอกว่าเป็นคำที่กพระพุทธเจ้าคิดเองอะไรเองไปสอนไปแล้วเนี่ยนะแต่เออคนฟังปฏิบัติตามมันรู้ได้นะว่ากัน แต่จริงๆพระองค์ไม่รู้จริงหรอกอทรงแสดงอะไรด้วยบทเป็นต้นว่าอายังปิหินามสาริปุ ต, ตะดังนี้แสดงความที่อุปอุตริมนุสธรรมที่สุนัขัตะปฏิเสธมีอยู่ในพระองค์ข้อที่สุนัขขตะปฏิเสธว่าญาณทัศนะพอแก่ความเป็นอริยะคืออริยมรรคของพระพุทธเจ้าไม่มีอันนี้ก็ไม่จริงซึ่งจริงๆแล้วพระองค์มีที่บอกว่า พระพุทธเจ้าแสดงด้วยการตรึกอันนี้ก็ไม่ใช่เพราะจริงๆแล้วพระคุณเหล่านั้นมีอยู่ตามเป็นจริงในพระพุทธเจ้าแต่สุนัขขตะลิชชวีบุตรไม่รู้เพราะฉะนั้นโดะอ้อบทว่าอะอยังติหินามาสารีปุตะเป็นต้นเพื่อจะแสดงความหมายว่าพระองค์นั้นมีอุตริมนุสธรรมที่สุนัขขตะลิชวีบุตรนั้นอ่ะคิดว่าหรือ พูดไปว่าอุตตรีมนุสธรรมของพระตถาคตไม่มีซึ่งจริงๆเนี่ยมีอยู่จริงแต่แต่อย่าลืมว่าคนบอดยังไงก็ไม่เห็นรูปฉันใดผู้ที่ไม่มีปัญญาก็ไม่เห็นคุณธรรมของพระพุทธเจ้ายิ่งคนที่อะไรนะมองในแง่ลบเนี่ยแหมมันพยายามที่จะปิดตาตัวเองหมดบอกภูเขาทั้งลูกก็มองไม่เห็นเขาว่างั้นไม่เห็นไม่เห็นอะทําไมไม่เห็นว่าไม่ได้ลืมตาเลย นี่ก็เหมือนการสุนัขข่าตาฤชวีบุตรถึงพระพุทธเจ้าจะมีพระคุณเช่นนั้นมากหาที่สุดไม่ได้ก็จริงแต่คนที่ไม่ไม่มีปัญญาที่จะรู้คุณเนี่ยนะก็เลยปฏิเสธทั้งๆ ท, ที่พระคุณของพระองค์มีอะไรบ้างตรงนี้เนี่ยบอกไว้ยอย่างย่นย่อเนื้อความโดยสรุปของสูตรเนี่ยนะในหน้าเจะสิบสองข้างล่างข้างล่างบอกว่า อุตริมนุสธรรมความสามารถพิเศษของพระพุทธเจ้าก็คือสัพพัญยุตยานอิทธิวิทยานทิพโสตะยานเจโตปริยานทศพลายานจะตุเวสารชยานยานที่ไม่ขั่นคลั่มหวั่นไหวในบริษัทแปดยานที่กําหนดกําเนิดสี่ยานกําหนดคติห้าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดก็เป็นอุตริมนุสธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นความสามารถพิเศษเกินมนุษย์ธรรมดาอยู่แล้ว ที่พระองค์มีสัพพัญยุตยานพระองค์มีอิทธิวิธีมีหูทิพรู้วาระจิตมีทศพลยานจตุเวสารชยานยานที่ไม่ขันข้ามในบริษัทแปดกำหนดกำเนิดสี่กำหนดคติห้าอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นความสามารถแต่แต่อะไรแต่ว่าความคิดคล้อยตามธรรมหรือที่จะรับรู้นะที่จะรู้ตามเห็นตาม ความคิดคล้อยตามธรรมที่สามารถรู้อุตริมนุสธรรมแม้ข้อหนึ่งในบรรดาอุตริมนุสธรรมเห็นป่า น, นี้ก็ไม่มีแก่โม้าบุุษทั้งๆ ท, ที่พระพุทธคุณของพระองค์มีมากมายแต่สุนัขขตาลิชวิบุตรไม่ต้องการรู้ไม่ต้องการเห็นไม่ต้องการรับทราบเขาเรียกว่าอะไรนะปฏิเสธด่าพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วถ้าหาว่ามีใครมาชี้แจงมาอย่างนี้ผมก็มีบอกไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบ ไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่ต้องการรู้ไม่ต้องการเห็นไม่ต้องการทราบปฏิเสธโดยประการทั้งปวงเพราะขอเก็บแต่ความเลวร้ายอะไรนะตัวเองสร้างความเลวร้ายขึ้นมาในใจถ้าใครมาชี้แจงบอกไม่ต้องการรับรู้ขอรู้แต่ความเลวร้ายที่ตัวเองสร้างขึ้นมาใน ใ, นใจเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสุนัขตาิชวีบุตรเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนคนเลวร้ายมากในความคิดของเขาสําหรับผู้ที่ไม่มีศรัทธาทั้งหลายเมื่อกีก้ก็กล่าวไปนิดหนึ่งบอกว่า จริงๆแล้วเขาสั่งสมมิจฉาทิฐิมาเพื่อที่จะไม่เลื่อมสายในพระพุทธเจ้ามานานแล้วเนี่ยนะไม่ได้สะสมศรัทธาเป็นต้นพี่ที่จะเห็นคุณของพระรัตนตรัยแล้วโดยพื้นฐานเขาเองนั้นอดีตชาติเขาเคยเป็นเจ้าลัทธิเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเขาไปเห็นนักบวชนุ่งหม่มลมอากาศเนี่ยนะพวกนี้กราบไหว้เลยนะไปถึงโอ๊ยขอนอมน้อมแด่ท่านพระอรหันต์เรื่มสายมากเพราะมันเลื่อมใสเนี่ยมันติดมาตั้งหลายชาติแล้วเนี่ยนะ พันเวลาใครเรื่อมใสอะไรชอบอะไรสักอย่างเนี่ยบอกเรื่องไม่ไม่ใช่เพิ่งมีดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วเนี่ยนะพันถ้าหากว่าเราจะเกลียดอะไรชังอะไรชอบอะไรจะเป็นอะไรก็ช่างเถอะโดยมากเรื่องเคยมีมาแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราทําดีนี่ก็แสดงว่าเราเคยสะสมนะถ้าอย่างพวกเราฟังธรรมนี่ก็แสดงว่าอดีตเคยสั่งสมอัตยาศัยที่จะฟังธรรมมันก็ให้กําลังใจอย่าไปกดขี่ข่มเหงเกินไปเนี่ยนะ แต่และแต่ก็ขนาดเดียวกันถ้าไม่ชอบฟังธรรมเมื่อไหร่ก็แสดงว่านี้มีหน้าแหละ ว, ว่าตัดจริงยาวอะไรเ้ยนะนะสะรุปว่าความคล้อยตามชำชื่อว่าธรรมมันวยะหรือว่าอนุโลมตามคล้อยตามพยายามที่จะรู้ตามความรู้เหล่านี้เนี่ยนะที่จะรู้ตามสัพพัญญุตยานเป็นต้นก็ไม่มีแกโมฆะบุตรเลยคือสุนัขตาลิฉวิบุตรเนี่ยนะไม่ต้องการจะรู้ว่าพระพุทธเจ้ามีสัพพัญญุตยาน สุนขตาลิชวีบุตรไม่ต้องการที่จะรู้ไม่น้อมไปเพื่อจะรู้ว่าพระพุทธเจ้ามีอิทธิวิทยานสุนขตาลิชชวีบุตรไม่ต้องการที่จะรู้ไม่ต้องการรู้ไม่ต้องการน้อมใจเพื่อไปรู้ว่าพระพุทธเจ้ามีหูทิพย์สุนขตาลิชวีบุตรไม่ต้องการรู้เนี่ยนะไม่คิดว่าพระพุทธเจ้าจะรู้หรือจะมีทิพโสตะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ใดๆเกี่ยวกับความอัศจรรย์เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าสุนขตาลิชวีบุตรเห็นมาหมด แต่ก็ทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นซะว่างั้นนะ่ะแปลว่าเก็บไว้ใต้เสือให้หมดเลยนะไ ม, ไม่รับรู้ไม่เห็นไม่ทราบเผาหลักฐานทิ้งไห้หมดนะนะคล้ายๆแบบนั้นอนะ่ะเพราะอะไรเพราะตัวเองต้องการจะปฏิเสธตัวเองจะต้องการจะทําลายพระพุทธเจ้าโดยอัธยาศัยเนี่ยนะคือเขาเขาเนี่ยเป็นพวกทิฏฐิทยาศัยเนี่ยนะเป็นพวกมิจฉาทิฏฐิโดยอัธยาศัยมันก็เลยปฏิเสธแม้กระทั่งทศพลยานจตุเวสารชยาน ยานที่ไม่คลั่นคร้ครามในบริษัทแปดยันที่กำหนดกําเนิดสี่กำหนดคติห้าปฏิเสธหมดเพราะอะไรเพราะไม่มีธรรมันวยะธรรมันวยะเ ร, รมมียกว่า ค, ความคล้อยตามธรรมกล่าวว่าแม้กระทั่งว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนไร้ความสามารถแต่เขาไม่ต้องการจะรู้อย่างคล้ายๆกับคิดง่ายๆว่าคนสมัยนี้เนี่ยนะเขาขึ้นมาปั๊บเขาไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกเขาบอกพระไตรปิฎกนะยากอ่านไม่รู้เรื่อง อุ้ยใครจะไปอ่านวาดอ่านไหวเขาเขียนไว้ให้เทวดาอ่านบางคนก็ว่างั้นนะอย่างอภิธรรมเนี่ยเขาให้เทวดาเรียนไม่ได้มนุษย์เรียนหรอกก็คิดดูสิพระพุทธเจ้าไปแสดงถึงดาวดึงมันมนุษย์อย่าไปเรียนเลยเรียนก็ไม่รู้เอกคนหนึ่งเอกคนหนึ่งก็บอกว่าพระพุทธคุณหาที่สุดไม่ได้อย่าไปเรียนเรียนยังไงก็ไม่รู้คุณทั้งหมดหรอกพระพุทธเจ้าเป็นอาชินตายไม่ต้องเรียนไม่ต้องอะไรทั้งนั้นแหละเออแล้วไปเรียนอะไรเรียนได้ของเขาให้เขาเพลิดเจลิให้ฟังและกันอย่างนั้นนะถ้าอย่างนี้ได้คือบางคนเนี่ยเป็นงั้นรจิๆ แล้วก็บางคนเขาบอกอู้พระไตรปิฎกนะั่นมันผิดถามจริงเคยอ่านไหมบอกไม่เคยอ่านแล้วมันผิดยังไงไม่รู้เหมือนกันก็กขว่ามีที่อะนั่นมันยากบางคนว่าเรียนแล้วจะเป็นบ้าอย่างกับว่าปกติเก่งมากนะอย่างก่าปกติคนดีสมบูรณ์แบบนะมาเรียนพระไตรปิฎกแล้วกลัวเพี้ยนนะจริงก็ไม่ใช่อะไรเนาะปกติก็เพี้ยนอยู่แล้วละก็ไม่ได้ดีอะไรอยู่แล้วเนี่ยนะเรียนเพื่อจะหายบ้างกลัวหายอกีกเขามีโยมคนหนึ่งันเรื่องจริง เขาเป็นอูย้ยชอบดื่มสุราเป็นชีวิตจิตใจถ้าหายาสั่งเมาไปให้เขาไม่ดื่มนะทําไมก็เขาอุตส่าห์ดื่มมาตั้งละดื่มเหล้ามาตั้งหลายแก้วจะไม่หมดสตางไปตั้งหลายตังดื่มเพื่อให้มันเมาเสร็จแล้วเอายาถอนพิษเมาไปให้เขาเรื่องอะไรก็จะยอมดื่มแหมอุตส่ากว่าจะเมาได้ขนาดนี้หมดมาตั้งหลายตังเลย นี่ก็เหมือนกันคนที่เมาอยู่ในวัตตะก็เหมือนกันถ้าไปบอกว่าอันนี้นะธรรมะอันนี้เป็นไปเพื่อสร้างความเมาเพื่อดับกิเลสเป็นต้นบอกไม่ฟังอ่ะ <S <S บอกทําไมา <S 1> <S 1> อุตส่าห์ย้อมใจตัวเองให้เฝ้าวัตฏะอยู่ตั้งนานจะมาบอกวิธีออกจากวัตฏะกันในง่ายๆหรือขออยู่วัตฏะต่อไปก็แล้วกันนะไม่ต้องการออกเลยประการทั้งปวงอะไรพวกนี้แหละเขาเรียก ว, ว่าพวกไม่มีธรรมันวยะไม่น้อมเขาเรียกว่าให้น้อมตามกันบ้างก็ไม่เอาอะนะ เขาบอกบางคนเขาบอกว่าท่นก่อนเขามีคนโทรมาถามก็บอกนี่จะไปฟังท่านนะกลัวฟังไม่รู้เรื่องเออคอามาก็พูดภาษาไทยนะเนี่ยนะก็พูดภาษาไทยนี่ปัญหาว่าอยากจะรู้เรื่องหรือเปล่าแค่นั้นอะ่ะมันอยู่ตรงนั้นอะ่ะเขาบอกอุย้ยท่นพูดเข้าใจยากถ้าหลับนี่ก็คงจะยากจริงลนะ่ะเชื่อเหรอว่างั้นะแต่ถ้านั่งตื่นๆคิดว่ารู้ภาษามนุษย์น่าจะฟังกันรู้เรื่องถ้าพูดขนาดนี้ไม่รู้เรื่องคอมมาก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วว่างั้นเถอะ นะมันก็หมดแล้วกันแต่ว่ามันก็เกินไปหาเหตุผลจนไม่ฟังนะแต่เขามาเข้าใจแล้วเขาไม่อยากฟังอ่นะจริงๆเขาจะบอกเราตรงๆก็ได้เราก็ไม่ว่าหรอกเพราะเราก็ไม่เคยไปขอร้องให้เขามาฟังอะไรหรอกเนี่นะแต่ว่าเขาก็แปลกนะกลัวจะฟังอ้างเหตุผลไม่ต้องอ้างหรอกยังไงเขามาก็ไม่ชวนหรอกกลัวแต่เราจะชวนเนาะเราไม่เคยรู้จักกันด้วยซ้ําไปอย่างเงี้ย ก็แปลกนะบอกโอ้ยปฏิเสธซะก่อนถ้ามานั่งฟังแล้วเนี่ยนะโหฟังทุกเรื่องทุกตอนแล้วไม่รู้เรื่องแล้วตัวเองไม่รู้ตรงไหนเออมันค่อยน่าคุยกันมั่งใช่ไหมไม่เคยฟังเลยก็บอกกลัวจะไม่รู้เรื่องเนี่ยนะก็ยังว่าไม่ฟังแล้วจะรู้อย่างนั้นแหละเนี่ยนะเป็นเก่งนะวัดวัตตะเนี่ยเราอยู่กันมาเนิ่นนานก็เพราะความคิดเรานี่แหละมันมันเป็นริมสลักอย่างหนึ่งบอกอย่าไปเลยเนี่ยนะเราเฝ้าวัตตะกันตามเดิมต่อไปเถอะมัน นี่ในข้อหนึ่งร้อยหกสิบสองเนี่ยนะหนึ่งร้อยหกสิบสองเขามาจะแปลคนละสำนวนนะไม่ไม่แปลตามสำนวนนี้มีอยู่บ้างทั้งทั้งสีนะ่ข้อเนี่ยนะข้อหนึ่งร้อยหกสิบสองสามสี่ห้าหนึ่งร้อยหกสิบห้าก็แปลเปลี่ยนสำนวนนิดหน่อยดูก่อนสาริบุก็การที่สุนัขขัดตะผู้เป็นโม่ะบุรุษบุรุษเปล่านี้เนี่ยนะ ไม่มีแม้ปัญญาคล้อยตามในคุณธรรมของเราว่าคือเขาไม่เคยพร้อมที่จะรับรู้เลยว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพราะองค์นั้นเป็นท้าระหันต์เขาไม่เคยคิดจะคล้อยตามเลยว่านี้พระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาไม่เคยคล้อยตามที่จะรับรู้เลยว่านี้พระองค์เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะเขาไม่เคยน้อมไปเพื่อจะรู้ตามเห็นตามเลยว่านี้พระองค์ เสร็จไปดีแล้วรู้แจ้งโลกเป็นผู้ฝึกสารทีที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้จำเนกแก่แก่งพระธรรมโดยสรุปใจความอันนี้ก็คือสัพพัญญุตยานเขาไม่มีธรรมะวิยะไม่มีปัญญาที่จะคล้อยตามว่าพระองค์เนี่ยเป็นพระอรหันต์คือไม่คล้อยตามไปรับรู้เลยว่าพระองค์นั้นเป็นพระอรหรันต์ สัมมาสัมพุธทธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูมันได้ยินใครพูดใครสวดก็สวดไปอย่งางนั้นพูดไปอย่งางนั้นแหละแต่ไม่เคยจะน้อมไปเพื่อจะรู้เพื่อจะเห็นเพื่อที่จะเข้าใจพระพุทธคุณเหล่านี้เลยเพราะฉะนั้นโมฆะบุรุษคือสุนัขขตะลิชวิบุรจึงปฏิเสธว่าอุตริมรุษธรรมของพระพุทธเจ้าไม่มีทำอันพิเศษของพระพุทธเจ้าไม่มีก็ปฏิเสธอะไรอิติปิโสก่อน ปฏิเสธอิติปิโสพระขว า, าระหังสัมมาสัมพุโทโธเนี่ยไม่มีโรคเนี่ยนะไอ้ถึงมีกไม็ไม่ยอมรับรู้ไม่ยอมรู้ไม่ยอมเห็นไม่ยอมเข้าใจไม่ยอมรับทราบโดยประการทั้งปวงอันนี้ข้อที่หนึ่งขออ่ะขไปในข้อหนึ่งร้ยหกิบสองเนี่ยเท่ากับปฏิเสธสัพพัญยุตยานปฏิเสธภาวะสัพพัญญูของพระพุทธเจ้าปฏิเสธความเป็นพระพุทธเจ้าของพระพุทธเจ้าเหมือนกับว่าปฏิเสธว่าดวงอาทิตย์มีแต่ไม่สว่าง คือคือเท่ากับปฏิเสธแบบนั้นว่าแสงอาทิตย์ดวงอาทิตย์นี่มีอยู่แต่อาทิตย์ไม่สว่างปฏิเสธผู้สุรคตตาลิชวิบุตรนี่ก็เหมือนกันเขาไม่มีปัญญาที่จะคล้อยตามในพระพุทธคุณมีอิติปิโสเป็นต้นเลยส่วนในข้อหนึ่ง้ยหกิบสาพระองค์ตรัสว่าดูก่อนสารีบุตรก็การที่สุนัขขตตลิชวีบุตรผู้เป็นโมคะบุตนี้เนี่ยนะ กล่าวความไม่มีแม้อะเขาเนี่ยไม่มีแม้แต่ปัญญาจะคล้อยตามในคุณธรรมของเราว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นบรรลุอิทธิวิธีหลายประการเขาไม่รู้เลยนะเขาไม่มีปัญญาคล้อยตามว่าพระพุทธเจ้ามีฤทธิ์ฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าคืออะไรบ้างเช่นทําคนเดียวให้เป็นหลายคนทําหลายคนให้เป็นคนเดียวก็ได้ทําให้ปรากฏหรือหายตัวไปก็ได้เนี่นะ จะทะลุฝากำแพงภูเขาไปไม่ติดขัดเหมือนไปในช่องว่างๆก็ได้พระองค์จะผุดขึ้นหรือว่ามุดลงในแผ่นดินเหมือนในน้ำก็ได้เดินบนน้ำไม่แตกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้พระองค์จะเหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได้ลูกคลำพระจันทร์พระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มากอนุภาพมาก้วยฝ่ามือก็ได้ใช้อำนาจ ท, ทางกายไปตลอดพรห ม, มโลกก็ได้นี่นะคือพระองค์เนี่ยจะเสด็จไปถึงพรห ม, มโลกก็ได้ แต่ว่าสุนัขะัตตาริชวิบุตรไม่ยอมรับรู้ว่าพระองค์เป็นผู้ที่มีฤทธิ์ทั้งๆ ท, งที่สมัยนั้นนะพระองค์ก็แสดงยมกะปาทิหารเป็นต้นเนี่ยนะซึ่งเขาน่าจะเลื่อมใสเขาน่าจะเชื่อหรือว่าตอนที่พระองค์เนี่ยปรากฏตัวหายตัวเนี่ยแถวเมืองภัยาลีแสดงรัตนาสูตรมีเหตุการณ์ที่น่าอัศจรรย์เกี่ยวกับพระพุทธเจ้ามหาศาลแต่เขาก็ไม่มีปัญญาที่จะคล้อยตามยอมรับว่าพระพุทธเจ้ามีฤทธิ์ นะพระพุทธเจ้ามีฤทิ์เขาไม่ยอมรับเลยเนี่ยนะเมื่อไม่ยอมรับเนี่ยก็ทําไงก็ปิดตาไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นจะได้ด่าให้ถนัดใจเพรางั้นก็ไปเที่ยวโบนโทนทนาดา่าซึ่งคําด่าของสุนัขัตาฤทิชวีบุตรนะถ้าไม่สละความคิดไม่สละคืนนี้นะไม่ขอโทษพระพุทธเจ้าตกนรกแน่นอนไอ้คําที่ด่าสองวันั่านนั่นนะตกนรกแน่นอนเลยแล้วพระองค์ยืนยันเลยว่างั้นแต่ถ้าไม่เปลี่ยนความคิดว่างั้นถ้าไม่เปลี่ยนวัจจีและเปลี่ยนความคิดซ่าว่า ง, างั้น อันนี้ก็เท่ากับกล่าวพระพุทธคุณไปสองข้อนะใช่ไหมหนึ่งพระองค์มีอิติปิโสหรือสัพพัญยุตยานส่วนข้อต่อไปก็คืออิทธิวิทยานนี้ต่อไปข้อที่หนึ่ง้อยหกสิบสี่ดูก่อนสาริบุตรก็การที่สุนัขขตะลิชวีบุตรผู้เป็นโมคะบุรุษบุรุษเปล่าเนี่ยนะไม่มีแม้ปัญญาคล้อยตามคุณธรรมของเรา ว่าแม้เพราะเหตุนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นย่อมทรงสดับเสียงสองชนิดคือเสียงที่เปละเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้ด้วยทิพพโสตะธาตุอันบริสุทธิ์ล่วงสโสตะของมนุษย์สุนัขตาลิชเวบด์เนี่ยปฏิเสธว่าพระพุทธเจ้ามีหูทิพพระองค์ไม่มีหูทิพเพราะฉะนั้นเสียงไกลเสียงใกล้เสียงที่มีภูเขาเป็นต้นกำบัง พระองค์ไม่ได้ยินหรอกเพราะนั้นปฏิเสธเขาไม่เชื่อว่าพระองค์จะมีหูทิพย์เนี่ยนะและ้วปฏิเสธคุณไปแล้วสองข้อเออสามข้อในข้อหนึ่งร้อยหสิบห้าดูก่อนสารีบุตรก็การที่สุนัขขัตะิชวีบุตรผู้เป็นโมคบุรุษไม่มีแม้ปัญญาคล้อยตามคุณของเราว่าแม้เพราะเหตุนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงกาหนดรู้ ใจของสัตว์อื่นด้วยใจของพระองค์ด้วยเจโตปริยานเนี่ยนะสภาพความคิดของผู้อื่นด้วยเจโตปริยานของพระองค์คือเขาจิตมีราคะพระองค์ก็รู้ว่าจิตมีราคะจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะจิตปราศจากโทสะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะ จิตปราศจากโมหะก็รู้ว่าจิตปราศจากโมหะจิตหดหูด้วยถีนะมิทะก็รู้ว่าหดหูด้วยถีนะมิทะอันนี้ไม่ต้องใช้เจโตก็ได้นะดูหน้าตาซึมๆก็ใช่เลยนะตารีรีสักนิดหนึ่งนะเนี้ก็ไม่ต้องก็ได้นะไม่ต้องเจโตอะไรหรอกนะคนง่วงๆอนะดูไม่ยากจิตไม่เป็นมหักตะก็รู้ว่าจิตไม่เป็นมหักตะจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่านะ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 เขาไม่ยอมเชื่อเลยนะว่าพราะองค์ได้มีเจโตเปริยญเนี่ยนะปฏิเสธไม่น่าเชื่อเลยนะอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าขนาดนั้นปฏิเสธพุทธคุณไปได้แต่ก็มีอยู่คนเดียวนะมีอยู่คนเดียวอันนั้ในข้อหนึ่ง้กสองปฏิเสธสัพพัญยูหนึ่งร้หกสามปฏิเสธอิทธิวิธีข้อหนึ่ง้สี่ปฏิเสธทิพโสตธาตุอันบริสุทธ ข้อ165ปฏิเสธเจโตเปริยญาาทีนี้ถึงจากปฏิเสธแต่พระองค์ก็มีคุณธรรมอย่างอื่นอีกที่สุนัขะตะเลชวีบุตรไม่รู้ปกตินะถ้าขึ้นต้นด้วยอิติปิโสแล้วก็มาอิทธิวิธีมาทิพโสตะแล้วก็มาเจโตเปริยญเนี่ยเกือบได้อภิญญาหกข้อแล้วใช่ไหมถ้าพูด ปุเพนิวาสานุสติยานจุตูปปาตยานอาสวัคคยายานทัพก็จะเป็นอภิญญาหกแต่ไม่แสดงนะจะไม่แสดงอีกสามข้อเพราะอะไรเพราะอีกสามข้อคือปุเพนิวาสานุสติยานจุตูปปาตยานอาสวัคคยายานไปอยู่ในสมข้อสุดท้ายของทศพลยานก็เลยไม่เอามากล่าวนี้มาดูว่าพระพุทธเจ้ามีกําลังเท่าไหร่ อ่สูตรนี้เป็นสูตรที่พระพุทธเจ้าแสดงพรรษาสุดท้ายที่พระองค์จำพรรษาอยู่ที่เมืองภัสาลีเนี่ยนะพรษาสุดท้ายดูก่อนสารีบุตรประถาคตประกอบด้วยพละคือกำลังเหล่าใดย่อมปฏิยานฐานะแห่งผู้เป็นโจกคือเป็นหัวหน้าเนี่ยนะย่อมบัลลือสีหานาฏในบริษัทยังพรหมจักให้เป็นไปอันนี้ก็คือพูดถึงความรู้ความเห็นความ สา ม, มารถชนิดพิเศษของพระพุทธเจ้าอธิบายตามลำดับเพิ่มเติมสักเล็กน้อยที่บอกว่าประกอบด้วยกำลังเหล่าใดเนี่ยนะย่อมปฏิญาณฐานะผู้เป็นโจกบลือสีหนาฏในบริษัทปรัยังพรหมจักให้เป็นไปในอัธกทานหน้าเจสิบสามนั้นกล่าวถึงว่าจริงๆแล้วกำลังของพระพุทธเจ้ามีอยู่สองอย่างนะกลังคือกาลังกายกับกาลังกาลังยานนะนะ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 และทำให้เครื่องเครื่องเรือที่มันบรรทุกเครื่องบินเรือลําใหญ่ๆเนี่ยนะที่เรียกว่าใหญ่กว่าสนามฟุตบอลหลายสิบเท่าเนี่ยมันต้องใช้อะกี่แรงมามันจึงจะขับเคลื่อนได้อ้านะแค่เรือธรรมดาที่มันลากทั่วๆไปเนี่ยแล้วพระพุทธเจ้ามีแรงถึงก็เรียกว่าแทบจะผลักโลกทั้งโลกได้เนี่ยถ้าพระองค์จะมีกําลังเท่าไหร่นะนะเพราะกําลังของพระองค์เนี่ยอ่าคนธรรมดาทั่วๆไปคิดไม่ได้เพราะว่าพระองค์สั่งสมบุญมา แต่เรารู้ว่าพระองค์เนี่ยมีเรี่ยวมีแรงมีพะละงกาลังมากเนี่ยนะก็เอาไว้ยอมรับว่าเออเนี่ยพระองค์เนี่ยขนาดกาลังกายเป็นอย่างนี้แต่ไปที่ไหนพระองค์ไม่เคยไปโฆษณาตัวเองว่าเป็นนักพะละเนี่ยนะนักกําลังแหมไปที่ไหนแล้วก็ยกหินให้ชาวบ้านเขาดูเนี่ยนะว่าเนี่ยนะฉันจะยกภูเขาทั้งลูกให้ดูเคลื่อนภูเขาย้ายภูเขารับจ้างย้ายภูเขาเป็นต้นไม่มี น, นะเพราะพระองค์ไม่ได้ค้ากําลังทาง ร่างกายเนะี่ยไม่ได้คิดว่าจะเอาดีเอาเด่นทางนักกีฬาใช่ไหมที่ไปที่ไหนเอาเรียญทองมาจากบ้านจากเมืองต่างๆพระองค์ไม่ใช่คนกลุ่มนั้นที่จะไปเที่ยวยอมรับหรือต้องการในสิ่งเหล่านั้นพระองค์จึงไม่ได้ไปเที่ยวโฆษณาขายพละงกาลังของพระองค์ว่าพราะองค์นั้นมีกําลังเท่าใดเนี่ยนะแต่บางแห่งท่านบอกว่าไอ้กาลังกายมันจะแรงขนาดไห น, นมันก็บรรลุมรักผลไม่ได้หรอกไอ้ตัวพลังข้างร่างกายอ่ะนะมันบรรลุมรักผลไม่ได้หรอก แต่ส่วนกำลังยานของพระองค์เนี่ยมีหลายพันหลายพันเช่นอะไรบ้างกำลังคือทศพลยานมีสิบใช่จตุเวสารชยาเนี่ยมีสี่ยานที่ไม่ขั้นคร้มในบริษัทอีกแปดยานกำหนดกำเนิดสี่ยานกำหนดคติห้าอันนี้เฉพาะในสูตรนี้นะนเฉพาะในมหาสีหนาสูตรจริงๆแล้วพระองค์ยังมียานวัตถุเจ็ดสิบามยานวัตถุเจ็ดสิบเจ็ดที่อยู่ในสังยุตตนิกายเนี่ยนะ อันนี้เรียกว่ายานนพละของพระองค์เพราะฉะนั้นพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสว่าตถาคตประกอบด้วยภละคือกําลังเหล่าใดกําลังที่พระองค์พูดถึงนี่หมายถึงกําลังคือยานไม่ใช่กําลังคือกําลังทางร่างกายเรียวแรงเนี่ยนะพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ประกอบกําลังด้วยกําลังยานเนี่ยนะที่สามารถปฏิญานฐานะแห่งผู้เป็นโจกคือฐานะที่เป็นหัวหน้าเนี่ยนะ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 เพราะฉะนั้นบอกว่าโคอุสภะพร้อมด้วยถึงพร้อมด้วยกําลังแห่งโคอุสภะทาลายแผ่นดินด้วยเท้าทั้งสี่แล้วยืนอยู่โดยไม่หวั่นไหวฉันใดแม้พระตถาคตก็ฉันนั้นพระองค์นี้ถึงพร้อมด้วยกําลังสิบของพระตถาคตเรียกว่าทศพลยานทศพลยานก็กําลังสิบประการของพระพุทธเจ้าที่พระองค์เหยียบแผ่นดินคือบริษัทแปด้วยพระบาทคือเวสารชยานสี่นะบริษัทแปดเนี่ยพระองค์ไม่คลั่นครามเลย แล้วก็เวสารชยานสี่ยานที่ทําให้พระองค์เนี่ยถึงความสมนัติพระองค์นี้ไม่หวั่นเกรงต่อข่าศึกคือปัจจามิตรนะปัจจะอะมิตรเหล่าใดเหล่าใ ด, เ, าดเนี่ยนะที่เป็นข่าศึกศัตรูไม่ว่าในโลกพร้อมทั้งเทวโลกพระองค์จึงดํารงอยู่โดยความเป็นผู้ไม่หวั่นไหวเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ดารงอยู่อย่างไม่หวั่นไหวพระองค์จึงสามารถประกาศคือพระองค์เนี่ยเข้าถึงฐานะแห่งความเป็นผู้นําพระองค์นาไปไหน เมื่อพระ อ, องค์เนี่ยปฏิญาณเป็นผู้ยือมีพละกำลังกาลังคือญาณมั่นคงไม่หวั่นไหวพระ อ, องค์ก็ประกาศเป็นเป็นโจกคือผู้นำนาไปไหนนำโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้พ้นจากชาติชาราและมรณะนั่นเองก็เลยเรียกว่าอาสพันธ์ฐานปฏิชานาติในบริษัท8เนี่ยนะคว่าสา ม, มารถที่จ ะ, ะบรรลือสีหานาทในบริษัทคือบริษัททั้ง8ด คำ ว, ว่าศีหนาทางนัทติเนี่ยนะบัลลือศีหนา a ก็คือเป็นบรลลือที่ชนิดที่เรียกว่าไม่เกรงกลัวเป็นการบรลลือเหมือนกับบรลลือของศีหะเหมือนกันนะเหมือนราชสีไม่ครั้นครามไม่หวั่นและไม่ผวาฉันใดพระองค์ก็บัลลือศีหนา a ฉันนั้นอย่างเช่นความหมายของราชสีที่บรลลือศีหนา a เนี่ยนะมีหลายความหมายนะเช่นมีความหมายว่าครอบงำหรือข่าเช่นว่า ราชาสีเนี่ยครอบงำสัตว์ทั้งหลายด้วยเสียงคำรามแล้วก็เมื่อเปล่งเสียงคำรามแล้วสามารถที่จะฆ่าสัตว์ตัวไหนก็ได้ที่ตัวเองต้องการฉันใดพระตถาคตก็เรียกว่าสีหเพราะพระองค์ครอบงำโลกธรรมทั้งหมดไม่ได้ว่าแหมครอบงำสัตว์อื่นให้เขากลัวผวาพระพุทธเจ้ามีอํานาจจริงยิ่งใหญ่จริงแต่พระองค์ไม่เคยทําให้ใครตกใจกลัวพระองค์เลย เพรบุคคลทั้งหลายเห็นพระองค์แล้วมีแต่ความสดชื่นอย่างเดียวพระองค์ยิ่งใหญ่ก็จริงแต่ไม่ทําให้คนผวาไม่ทําให้คนกลัวเออเดี๋ยวพระพุทธเจ้าจะมาแอบแอบซ่อนซ่อนอะไรเงี้ยเดี๋ยวพระองค์จะรู้ไม่มีเท่าว่าพระมีแต่พระองค์ทําให้เขาเบาใจอย่างยิ่งคือปกติเขาก็หนักใจอยู่แล้วนะถ้าพระพุทธเจ้าไปทําอะไรสักอย่างนึงเขาจะเครียดตายกันเลยแต่ไม่พระองค์จะทําให้เขาสบายใจโดยส่วนเดียว แต่ว่าจริงๆแล้วแต่พระองค์เขาไม่กลัวผู้ใดเลยเพราะพระองค์ครอบงําโลกธรรมทั้ง8ปดประการได้ น, นะครอบงําลาบเสื่อมลาบยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญความสุขความทุกข์เนี่ยนะจิตใจของพระองค์อยู่เหนือโลกธรรมเป็นจิตใจที่ไม่หวั่นไหวเพราะโลกธรรมทั้งแปดขณะเดียวกันพระองค์ก็ฆ่าลทัทธิฆ่ามิจฉาทิฐินนะลัทธิก็คือมิจฉาทิฐิของศาสดาอื่นๆเพราะฉะนั้นการบรรลือของพระองค์เนี่ยเป็นการบรรลือแบบคนที่ อยู่เหนือโลกธรรมเป็นคนที่ข่ารัที่เข้าใจผิดๆดได้หมดก็เลยเรียกว่าสีหานาศสีหานาธะเนี่ยนะการบรรลือสีหานาศอธิบายว่าอีกในหนึ่งนะราชสีเนี่ยถึงพร้อมด้วยกําลังของสีหะเ ก, กล้า ป, ปราศจากผลพองบรรลือสีหานาศในที่ทั้งปวงเช่นใดก็บอกว่าไม่เคยมีในพระไตรปิฎกหรือในคำภีที่กล่าวว่าราชศีกลัวจนตัวสั่นแบบนี้ไม่มี มีแต่ความไม่กลัวฉันใดสีหะคือพระตถาคตพูดถึงพร้อมด้วยกำลังทศพลยานแล้วเนี่ยก็แกล้วกล้าปราศจากผลพองบรรลือสีหนาถที่ถึงพร้อมด้วยสีหนาถที่โปรองคเปล่งเนี่ยนะกว้างขวางเพราะพระธรรมเทศนามีวิธีการต่างๆคือลักษณะลัลทธิของมิจฉาทิฐิเนี่ยนะเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาเห็นเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณโดยความเป็น อัตตาอัตตาอยู่ในรูปอัตตาอยู่ในเวทนาอัตตาอยู่ในสัญญาอัตตาอยู่ในสังขารอัตตาอยู่ในวิญญาณหรือว่ารูปอยู่ในอัตตารูอ่ารูปเวทนาอยู่ในอัตตาสัญญาสังขารและวิญญาณแต่ละอย่างอยู่ในอัตตาหรือว่าอัตตาเนี่ยมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณเนี่ยมันเป็นลัทธิความเข้าใจผิดๆทั้งนั้นหลพระองค์ก็บอกว่านี้รูป นี้เวทนานี้สัญญานี้สังขาร น, นี้วิญญาณหรืออีกในหนึ่งบอกนี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจท่านเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาหรือท่านเห็นจักขุโดยความเป็นอัตตาหรือเพราะฉะนั้นอัตตาไม่มีอยู่จริงเพผลใครจะทําอะไรให้เป็นอัตตาจึงไม่เป็นเพราะอะไรเพราะอัตตามันไม่มีอยู่จริงถ้าอัตตาอยู่มีอยู่จริงใช่ไหมจึงเสกสรรปั้นส่วนขึ้นมาได้แต่จริงๆแล้วอัตตาไม่มีอยู่จริง อัตราที่เดรัทิดขึ้นไม่มีอยู่จริงเหมืองเขาบอกว่าอะไรนะเนี่ยที่พูดเสียงดังๆเนี่ยที่เครื่องเสียงเนี่ยมันมีมีคนที่อยู่ในนั้นอะ่ะคอยประกาศข่าวให้มันดังทําให้มันดังถามว่ามีมีสัตว์ชนิดหนึ่งที่อยู่ในเครื่องเสียงแนละ้ะมันสามารถคอยทําให้มันดังๆกว่าที่พูดอยู่ปัจจุบันเลยนะถ้าใครพูดอย่างเงี้ยคิดอย่างเงี้ยเข้าใจถูกไหมมันไม่ได้มีอยู่จริงมันเป็นเรื่องเกิดจากพลังงานของอะระบบ เครื่องเครื่องยนต์กลไกลระบบของไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นเนี่ยมันเป็นระบบของสิ่งเหล่านั้นสามารถทําให้เปล่งเสียงออกมาแต่ผู้ที่เข้าใจผิดก็นึกว่าแหมมีใครไปอยู่ในนั้นไปคอยคำรามแต่ชั้นใดผู้ที่ลัทธิอุดเฉท ท, ทิฐิหรือสัสตถิฐิทั้งหลายก็เหมือนกันไปเห็นรูปว่าเป็นอัตตาเห็นเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณว่าเป็นอัตตาหรืออมีอัตตาในอัตตานนะ อัตตาอยู่ในขันห้าขันห้าอยู่ในอัตตาหรือหมุนเวียนเวียนสลับกันไปมันเกิดจากความสับสนเท่านั้นเองซึ่งจริ ง, รงๆแล้วรูปก็คือรูปบันยังค์คำไปทํารูปให้เป็นเวทนาได้ไหมไปทํารูปให้เป็นตนได้ไหมไปทําตนให้เป็นรูปได้ไหมทําได้ไหมอัตตาทําไม่ได้ทํำยังไงก็ทําไม่ได้เพราะเมื่ออะไรอย่างไรที่ไหนอย่างไรมันก็คืออนัตตาวย่างนั้นเถิดจะควรจะเข้าใจผิดเข้าใจถูกมันก็คืออนัตตา ต่อให้เข้าใจผิดอีกสามร้อยตลกมันก็คือความเป็นอนัตตาเพราะเมื่อไหรอัตตามันก็ไม่มีแต่ทิฏฐิทั้งหลายของเดรัจฉีเข้าใจผิดว่ามีอัตตาเพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็ไม่มีอัตตาสักอย่างแต่ความเข้าใจผิดมีอยู่นะไอ้อัตตานุทิฏฐิเนี่ยมันเป็นทิฏฐิมันเป็นความเข้าใจผิดมันเป็นความวิปลาสเท่านั้นเองซึ่งอัตตาจริงๆไม่มีอยู่จริงอนะไม่มีอยู่จริง แต่ที่บอกว่าอัตตสัมมาปณิทิภาวะวิตตานาังเนี่ยนะการฝึกตนการอบรมตนอัตตะที่ปะอัตตะสาระเป็นต้นไอ้คำนั้นมีความหมายว่าจิตหรือคุณธรรมทั้งหลายเนี่ยนะควรตั้งไว้ให้มีคุณธรรมอัตตะสัมมาปณิทิจะเป็นต้นแต่ว่าถ้าเป็นอัตตาทั่วทไปไม่มีอยู่จริงเมื่อไม่มีอยู่จริงเนี่ยพระองค์ก็บอกไล่เลยเนี่ยนะเช่นความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์แม้ความโศกความรำไรพิไรรำพันเป็นทุกข์หมดแหละ ไอ้ทุกอันนั้นคืออะไรคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณมีไหยอัตตาเกิดแก่เจ็บตายมีไหม อ, อัตอัตตาเนี่ยนะโศกปริเทวะทุกขโทมาัตและอุปาญาตไม่ขันนี่แหละมันเป็นที่ตั้งแห่งโศกเพราะมีขันนี่แหละจึงมีโศกถ้าไม่มีขันห้าจะมีโศกไหมเพราะขันห้าเป็นที่ตั้งแห่งอัตตาอัตตาเกิดเพราะความเข้าใจผิดรัฐที่อัตตก็เป็นทิฏฐิชนิดหนึ่งในจำนวน เจตสิก ท, ทั้งหลายมันเป็นความเข้าใจผิดคิดวิปลาสคลาดเคลื่อนเมาไปเองเหมืงนั้นเถอะเมาอะไรเมาทิฏฐิเมาความเห็นไปเองซึ่งจริงๆแล้วขันมันก็คือขันขันยังไม่ใช่อัตตาอายตนะก็คืออายตนะอายตนะก็ไม่ใช่อัตตาธาตุก็คือธาตุธาตุก็ไม่ใช่อัตตาแต่มิจฉาทิฏฐิทั้งหลายสับสนสับสนก็เลยไปคิดว่าขันห้าอายตนะธาตุเป็นอัตตาซึ่งจริ ง, รงๆแล้วก็ไม่ใช่ อัตตาพระองค์นี้คำรามบอกว่านี้รูปเวทนาสัญญาสังขารเลยวิญญาณนี้อายตนะนี้ธาตุอันนี้แหละเรียกว่าการบรรลือสีหนาแล้วบรรลือต่อไปอีกว่านี้รูปนี้เหตุเกิดเหตุประชุมสร้างรูปขึ้นนี้ธรรมะที่ดับรูปนี้เวทนานี้เหตุที่สร้างเวทนาขึ้นนี้คือความดับเวทนานี้สัญญาณี้เหตุที่สร้างสัญญาขึ้นนี้ความดับเหตุที่สร้างสัญญาเนี่ยนะ นี้สังขารนี้เหตุที่สร้างา ส, สังขารขึ้นนี้ความดับเหตุให้เกิดสังขารนี้วิญญาณนี้เหตุให้เกิดวิญญาณนี้ความดับเหตุให้เกิดวิญญาณการบรลลืออย่างนี้เรียกว่าบรัลลือสีหนาถนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้ทุกขสัตว์นี้สมุทัยเนี่ยนะนี้เหตุให้เกิดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เหตุสร้างรูปสร้างเวทนาสร้างสัญญาสร้างสังขารสร้างวิญญาณอันนี้เป็น สมุทัยสัจจะนี้ความดนี้ความดับเหตุให้เกิดรูปนี้ความดับให้อ่เหตุให้เกิดเวทนานี้ความดับเหตุให้เกิดสัญญาสังขารและวิญญาณไอความดับเหตุอันนี้เป็นเนโรสัจจะข้อปฏิบัติที่เห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรู้เหตุให้เกิดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ข้อปฏิบัติที่ไปเห็นธรรมะที่ดับรูปดับเหตุสร้างรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นชื่อของอริยมรรคอริยมรรคมีความหมายว่าเห็นเห็น น, นะเพราะรู้ะนะพระองค์บอกว่าเรากล่าวความสิ้นอาสวะสำหรับผู้ที่รู้ผู้ที่เห็นเราไม่กล่าวความสิ้นอาสวะสำหรับผู้ไม่รู้อยู่ผู้ไม่เห็นอยู่เห็นอะไรก็เห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เห็นแบบนี้เห็นให้เกิดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเห็นธรรมที่ดับเหตุแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณไม่ใช่เห็นเกิดดับธรรมดาชรามรณะเกิดเพราะอะไรเกิดชรามรณะดับเพราะอะไรดับชาติดับใช่ไหมั่นดับยังไงชาติดับนดับยังไงปกติทุกคนที่มานั่งอยู่เนี่ยชราแล้วก็เกือบมรณะกันแล้วเนี่ยนะ ถามว่าชาติมันอยู่ไหมตอนเนี้ยเอา้าตอนเนี้ยชาติยังอยู่ไหมอยู่หรือไม่อยู่อ ย, อยู่ตรงไหนไอ้ไม่อยู่นี่ไม่อยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นชรามรณะชรามรณะสมุทัยชรามรณะนิโรธชรามรณะนิโรธถ้าขาไม่มีปฏิปทานเนี่ยนะชรามรณะเหตุให้เกิดชรามรณะคือชรามรณะสมุทัย ชรามรณะนิโรธคือค ร, รมะที่ดับชาติไม่ใช่ศักแต่ว่าชาติดับตอนนี้ทุกคนเนี่ยชาติดับันหมดแล้วเนี่ยนะเพราะชาติมันดับเนี่ยนะมันจึงชราแต่ตอนเนี้เพราะมันไม่มีชาติแล้วมันจึงเหลือชราตแต่ทั้งหมดชาลามรณะมันก็ขึ้นชาติอีกเนี่ยนะมันก็อยู่อย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ว่าอันนี้ดับและอันนี้ก็ดับไม่ใช่อันนี้ดับไปแล้วอันนี้ก็ดับไปเลยหมอกไหมถ้าไม่ตรัสรู้เป็นตรัสรู้ธรรมที่ดับชาติอย่าคิดว่าจะสิ้นชราและมรณะ ถ้าไม่ตรัสรู้ธรรมะที่ดับภพไม่ใช่แค่ภพดับนะภพดับกระดับภพไม่เหมือนกันภาวะนิโรธาเนี่ยความดับภพไม่ใช่ภพดับนะความดับภพนะไม่ใช่ภพดับออวิชานิโรธเนี่ยนะดับอวิชาไม่ใช่อวิชาดับอวิชาที่ไหนมันเที่ยงบ้างมันก็เกิดดับธรรมชาติของมันเองแต่ถ้าดับอวิชาาได้สังขารจึงดับถ้าดับสังขารได้วิญญาณจะดับถ้าดับวิญญาณได้ นามรูปจะดับถ้าดับนามรูปได้อายตนะจะดับถ้าดับอายตนะได ay, ้ภาษาจะดับถ้าดับภาษาได้เวทนาจะดับถ้าดับเวทนาได้ตัณหาจะดับถ้าดับตัณหาได้อุปาทานจึงจะดับถ้าดับอุปาทานได้ภพจึงจะดับถ้าดับภพได้ชาติจึงจะดับถ้าดับชาติได้ชรามรณะจึงดับมันถูกดับมันไม่ใช่ว่ามันเกิดดับอนะ ถ้ามันเกิดดับเอาเมื่อไหร่มันไม่ดับบ้างออกถ้าถ้ามันด like ับเมื่อไหร่ฉันก็นิพานเละมันก็เลยตัดถังค้านิพานว่าว่ากันตปใหญ่แล้วกันเนี่ยไม่ต้องไปสร้างบารมีอะไรทั้งนั้นเพราะมันเกิดดับมานั่งเคาะกระลำมังตั้งแป้งแป้งแป้งมันก็ลวนลุกเกิดดับแล้วเกิดบรรลุแล้วว่างันมีหน้ารลังรัดที่ก็นั่งเคาะอะไรสักอย่างปังปังปังปังปังจะได้รู้เกิดรู้ดับว่ากันนะเวยรู้รเกิดแบบดับนั่งเคาะอย่างนี er ang, ้ไม่ได้ต่างหรอนะต้องไปเล่นดนตรีนะ เล่นแบบเกิดดับหลายๆประเภทมันจริงก็ได้มีรายได้อยู่ได้ดังนั้นคําว่าเกิดดับเนี่ยไม่ได้ว่าดับธรรมดาแต่หมายว่าเข้าไปดับอวิชารู้ธรรมะที่ดับอวิชารู้ธรรมะที่ดับสังขารรู้ธรรมะที่ดับวิญญาณรู้ธรรมะที่ย่อย่อเลยเขาเรียกว่ารู้ธรรมะที่ดับวัตตะทำที่ดับวัตตะนั่นแหละเป็นชื่อของพระนิพพานไม่ใช่แค่ว่ามันดับเฉยๆมีอะไรบ้างที่ถ้าเกิดแล้วที่ไม่ไม่สิ้นไปมีไหม ไม่มีสังขารทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วย่อมสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปเปรปลุนไปเป็นธรรมดาอันนี้เป็นธรรมดาของสังขารแต่ถ้าไม่ตรัสรู้ทำเป็นที่เกิด น, นะตรัสรู้ความดับธรรมสร้างเหตุเนี่ยนะก็ยังไงมันก็ไม่พ้นจากทุกเพราะฉะนั้นอะไรนะที่เราบอกว่าเพราะตัณหานั่นแหละดับดับนี่หมายว่าตรัสรู้ทมเป็นที่ดับตัณหาเพราะอาวิชชานั่นแหละดับเพราะตรัสรู้ทำเป็นที่ดับ อวิชชาดับไปไม่ใช่ลักษณะดับเพราะอุปาทิฏติพังคะแต่ดับไปเพราะตรัสรู้ทำเป็นที่ดับดับอะไรดับอะไรเนี่ยดับอวิชชาเมื่อตรัสรู้ทำเป็นที่ดับอวิชชาแล้วนั่นแหละอวิชชาจึงจะดับเนี่ยนะเาว่าต้องอยู่พ้นวิสัยของอวิชชานั่นแหละอวิชชาจึงจะดับไม่ใช่สักแต่ว่าอวิชชาเกิดดับถ้าหากว่าแค่รู้ว่าอวิชชาเกิดดับอย่างเงี้ยได้ดีแน่นอน เช่นตันหาเกิดดับเขามีเขานั่งคุยกันนั่งคุยกันแล้วเขาก โ, โกโรธโกรธโอ้โกโรธะไรเอะอะวายๆนะคนีคนที่พูดเนื้อรู้ธรรมะบ้างนะมันรู้แบบแต่ว่ามันรู้แบบจะว่างูก็ไม่ใช่ปลาก็ไม่เชิงมันก็รู้แบบอย่างนั้นแหละเสร็จแล้วเขากโกรธบ้างเถียงกันจนหน้าดําหน้าแดงโกโรธเสร็จแล้วเขาอยากเขากโกรธเขาเถียงแพ้คุยธรรมะนะแต่ว่าจิตเป็นอธรรมอย่างนั้นเสร็จแล้วเขก็คุยไปคุยมาแล้วก็ไปว่าอีกฝ่ายหนึ่ง อายุอมากโกรธแรงมากเสร็จแล้วก็คุยไปคุยมาเขาก็สงบสติอารมณ์ได้เขาก็เลยโออนี่เห็นไหมโทรศัพทมันดับไปแล้วเราว่ังนนี่มันดับแล้วมันไม่เที่ยงนะดีถ้าทําผิดกฎหมายฟ้องเลยไม่เที่ยงแบบนี้นี่แหละดีนักเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครไปพูดบอกว่า น, นี่สินเนี่ยมันใช้ไปหมดแล้วมันดับไปหมดแล้วเนี่ยพูดได้ไหมเอาทุกอย่างมันเกิดดับนี่เพราะฉะนั้นพูดธรรมะพระพุทธเจ้านี่ระวังให้ดีนะถ้าใช้ผิดเสียหาย เสียหายกลายเป็นคนละเรื่องไปเลยกลายเป็นของของเราและอ้างว่าเป็นของพระพุทธเจ้าคนละอย่างกันนะเพราะฉะนั้นอย่างคําว่าชาติดับชาติดับนั้นจริงๆหมายถึงว่าความดับชาติความดับปฏิสนธิพบดับหมายถึงว่าดับพบเนี่ยนะแต่เนื่องจากว่าการแปลมีปัญหานิดหน่อยไม่หน่อยเยอะเลยแหลนะก็คือคือคนแปลเข้าใจผิดว่าชาติดับนั้นจริงๆต้องแปลว่าดับความดับชาติ ชาตินิโรธแปลว่าความดับชาติภพนิโรธเนี่ยเป็นชื่อของความดับภพอุปาทานนิโรธหมายถึงว่าดับอุปาทานไม่ใช่อุปาทานแบบเกิดดับแต่เป็นความดับอุปาทานความดับตัณหาถ้าไม่ใช่ตัณหาดับเฉยเช่นชอบอันนตอนหิวก็แหมชอบเหลือเกินอาหารชิ้นนี้พออิ่มปั๊บไม่ชอบแล้วนี่ตัณหาดับไปแล้วมันไม่ใช่แต่หมายถึงว่าดับตัณหาเพราะอริยมะปฏิบัติจนดับตัณหาได้ ปฏิบัติจนดับพบดับชาติดับชรามรณะไอ้คําว่าดับตัวนั้นจึงเป็นอสังขตธรรมเป็นพระนิพพานทำเป็นที่สงบระงับดับทุกทั้งปวงนั้นเพราะนั้นความที่พระองค์รู้อย่างนี้แล้วปฏิญาณอย่างนี้การพูดแบบนี้แหละเรียกว่าฐานะที่องค์อาจนีนะฐานะที่องค์อาจแล้วก็ไม่ขั่นครามเนี่ยนะเป็นฐานะที่เรียกว่าศีหนาฏการบรรลือศีหนาฏบรรลือแบบไม่ไม่ขั่นคลาม ก็คือไม่หวัน่นไม่เกรงไม่กลัวไม่อะไรทั้งนั้นทว่ทะทะทะาทว่าทำไมก็พูดไม่ได้ด่าใครด้วยหนึง่งพูดเป็นวจีสุจริตด้วยอีกหนึง่งแล้วก็พูดถูกต้องด้วยอีกหนึ่งและคนที่พูดไม่มีกิเลสแล้วด้วยหนึ่งและความรู้พูดแล้วเมื่อผู้อื่นรู้ได้รับประโยชน์ด้วยหนึ่งได้รับประโยชน์โดยเฉพาะประโยชน์อย่างยิ่งหนึ่งก็พิจารณาโดยรอบแล้วก็ไม่รู้จะไปกลัวอะไรก็เลยเรียกว่าสีหนาศไม่มีอะไรมันจะนากรวไมไหมแต่นิดเดียวก็วเลยไม่รู้จะกลัวอะไรก็มันเป็นความจริงอ่ะ ถ้าเป็นความจริงอ่ะนะแต่ก็อย่าไปพูดให้มันถูกที่หน่อยก็แล้วกันนะนะะพูดให้มันถูกกาลนี่ก็ถูกบุคคลด้วยเหมือนกันนะไปพูดผิดที่นี่ก็อย่างว่านะที่ในชาดกกล่าวนะเลือดท่วมปากเลยว่าพูดผิดที่พูดให้พระราชาฟังได้บ้านสวยเลยไปพูดให้คนพายเรือฟังเลยสลบเลยนะเดี๋ยวพักสักครู่ก่อนนะแล้วค่อยมาขึ้นทศพลายาน ในมหาสีหนาสูตรข้อหนึ่งร้อยหกสิบกที่พระองค์ตรัสกับภาษาริบุตรว่าดูก่อนสารีบุตรตถาคตประกอบด้วยพละนี่นะคือยานพละหรือกำลังเหล่าใดย่อมปฏิยานฐานะแห่งผู้เป็นโจก ค, คือเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำย่อมบลือสีหนาะประกาศอย่างไม่หวั่นเกรงในบริษัททั้งแปดอย่างพรหมจักให้เป็นไปนี่นะ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 เจนะน่าจะสิบหกที่กล่าวถึงธรรมจักรมี2 อ, อย่างคือปฏิเวทยานและเทศนายานคําว่าธรรมจักรธรรมะตัวนั้นหมายถึงปัญญาปัญญาที่ให้เป็นไปแล้วทั้งที่เป็นปฏิเวทยานและเทศนายานในธรรมจักสองอย่างนั้นธรรมจักรที่ปัญญาอ บ, บรมแล้วนํามาซึ่งอริยผลสําหรับพระองค์ชื่อว่าปฏิเวทยานก็คือการปฏิบัติที่เพื่อความตรัสรู้สําหรับ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 อ บ, บรมนำมาซึ่งอริยผลแก่สาวกทั้งหลายอันนี้ชื่อว่าเทสนายานคือการปฏิบัติด้วยปัญญาของพระองค์เพื่อบรรลุมรรผลสำหรับพระองค์การเจริญกรุณาของพระองค์ที่มีต่อสัตว์ทั้งหลายเพื่อบรรลุมรรผลแก่สัตว์ทั้งหลายทีนี้สำหรับปฏิเวทยานเนี่ยนะยามที่ตรัสรู้เนี่ยแบ่งออกเป็นที่กาลังเกิดและที่เกิดขึ้นแล้ว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 อันนี้ลำพังสําหรับตัวพระองค์เองนะสำหรับองค์พระพุทธเจ้านั้นในหนึ่งถ้าจะพูดอย่างสูงสุดพระยานาธรรมจักรปฏิเวทยานของพระองค์เนี่ยกำลังเกิดตั้งแต่ทงหนะตั้งแต่พระพุทธเจ้าทีปังกรจนถึงอรหัตตมรักที่โพธิบัลลังก์ในที่หนึ่งที่สองตั้งแต่อยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตจนถึงอรหัตตมรักที่โพธิบัลลังก์อย่างที่สามตั้งแต่ออกบวชจนถึง ไปจนถึงบรรลุอรหัตตมัคที่โพที่บันลังชื่อว่าอรหัตตมัคเชื่อว่ากาลังเกิดขึ้นขณะอรหัตผลเรียกว่าธรรมจักรที่เป็นปฏิเวทยานเกิดขึ้นแล้วเพราะปฏิเวทของพระพุทธเจ้าความเป็นพระพุทธเจ้ามีในขณะอรหัตผลที่เกิดต่อจากอรหัตมัคความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีขณะอรหัตผล เรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าได้ในขณะอารหาตผลเช่นว่าพระนามว่าพักวานี้เป็นมิโมกขันติกนามเกิดในอารหาตผลที่เกิดต่อจากอารหาตมรรคเป็นสัจจิกาบัญญัติเนี่ยนะเพราะนั้นความเป็นพระพุทธเจ้าความเป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าความเป็นพราหมณ์ความเป็นพระอรหันต์ของพระองค์ความเป็นพระพุทธเจ้าเกิดในขณะอรหาตผลที่กําลังเกิดขึ้นก็ขณะอรหาตมรรคเกิดขึ้นแล้วในขณะอารหัาตผล อันนี้เฉพาะในเรื่องของพระองค์เองส่วนตัวของพระองค์เองแต่สําหรับเทศนายานที่เป็นไปในสาวกทั้งหลายก็แบ่งออกเป็นที่กําลังเป็นไปและเป็นไปเสร็จแล้วนับตั้งแต่ไหนตั้งแต่พระองค์เทศนาพระธรรมจักรจนพระอัญญาโกณทัญญาบรรลุโสดาปติมักชื่อว่ากําลังเป็นไปขณะที่พระอัญญาโกณทัญญาบรรลุโสดาปติผลชื่อว่าพระองค์ยังเทศนาให้เป็นไปแล้ว กําลังเป็นไปและเป็นไปแล้วกําลังเป็นไปตั้งแต่พระองค์แสดงธรรมาจาักไปเรื่อยจนถึง อ, อัญญาโกณทัญญาขณะที่โสดาปฏิมากเกิดนั่นแหละเรียกว่าเป็นไปเป็นไปอยู่หรือกํากลังเป็นไปแปล ว, ว่ากําลังเป็นไปยังไม่ยังไม่ถึงที่สุดะนะยังไม่จบพอโสดาปฏิผลของพระอัญญาโกณทัญญาเกิดแล้วเป็นปเป็นไปแล้วเสร็จแล้ว ในยานสองอย่างเนี่ยนะปฏิเวทยานของพระพุทธเจ้าเป็นโลกุตระเพราะอะไรเพราะเป็นอรหัตผลไหปฏิเวทยานตรงนี้หมายถึงอรหัตผลเพราะฉะนั้นจึงเป็นโลกุตระขณะที่พระองค์แสดงธรรมนั้นเป็นโลกิยะแสดงด้วยมหากิริยาญาณสัมปยุทธเนี่ยนะแสดงด้วยมหากิริยาญาณสัมปยุทธทั้งปฏิเวทยานที่พระองค์งตรัสปฏิบัติจนได้ตรัสรู้อรหัตผลเทศนายานที่พระองค์งประกาศพระธรรมมาจักให้เป็นไป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 โอรสเนี่ยแปลว่าเกิดจากอกเนี่ยนะเป็นยานของโอรสโอรสหมายว่าเป็นยานที่เกิดจากอกของพระองค์ไม่ใช่หมายถึงยานของสาวกนะแต่ของพระองค์มันพระองค์สามารถประกาศธรรมจักให้เป็นไปแล้วทั้งโดยปฏิเวทยาญและเทสนายานยานเหล่านี้เนี่ยนะเป็นของพระพุทธเจ้าี้พระองค์ก็บอกว่าตถาคตถึงพร้อมแล้วด้วยพระเหล่าใดประกาศฐานะแห่งความเป็นผู้นำ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 ข้อที่ตถาคตรู้ฐานะว่าเป็นฐานะรู้มิใช่ฐานะว่าไม่ใช่ฐานะตามความเป็นจริงอันนี้เป็นกำลังของตถาคตประการหนึ่งซึ่งตถาคตอาศัยแล้วปฏิญาณฐานะแห่งผู้เป็นโจกคือเป็นผู้นำบรลลือศรีหนาตในบริษัททั้งแดเนี่ยนะยังพรหมจักรหรือพระธรรมจักให้เป็นไปทั้งโดยเทศนายานและปฏิเวทยานความที่พระองค์ประกาศ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 แม้กระทั่งว่าเกี่ยวกับปานาติบาตข่าพ่อข่าแม่ข่าพาดหันอันที่จริงแล้วโดยที่สุดแม้แต่มแมลงวันท่านก็ฆ่าไม่ได้อแล้วทาไมจึงยกตัวอย่างระดับสูงถึงขนาดฆ่าพ่อฆ่าแม่ล่ะก็ให้รู้เทอะว่าปุถุชนนี่หยาบมากพ่อก็ฆ่าได้แม่ก็ไม่ละเวน้นถ้าได้ปัจจัยอันสมควรที่ตัวเองอธิบายได้ว่าทําไมต้องฆ่าก็พร้อมที่จะฆ่าแม้แม้แต่มารดาผู้ผู้ให้กําเนิดเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะความเป็นปุถุชนนี่ถือว่ากรรมหนักมาก น, นะ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 เป็นต้นนั่นเรียกว่าฐานะฐานะเรียกอะไรเป็นไปได้อะไรเป็นไปไม่ได้เนี่ยนะซึ่งมีโอกาสจะได้กล่าวละเอียดนะนะส่วนทศพลยานที่สองดูก่อนสารีบุตรเอกประการหนึ่งตถาคตย่อมรู้วิบากของกรรมสมท า, านคือการสมท า, านทำกรรมด้วยกายวาจาใจแล้วจะให้ผลอย่างไรกรรมเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นอดีตอนาคตและปัจจุบัน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 กุศลนั้นจะให้ผลได้ก็ต่อเมื่อประกอบด้วยการคติอุปธิและประโยคะอากุศลธรรมทั้งหลายจะให้ผลได้ก็ต่อเมื่อกาลคติอุปธิประโยคะที่วิบัติน่ยนะกุศลเนี่ยนะจะให้ผลต่อเมื่อกาลคติอุปธิประโยคะสมบัติกุศลจึงให้ผลได้อากุศลจะให้ผลได้ต่อเมื่อกาลคติอุปธิประโยคะที่วิบัติพันวิบัติวิบากแห่งกรรมดีกรรมชั่วก็สุดเนื่องแต่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 สมมติออย่างที่เราพูดหนึ่งคำเปล่งวาจาว่านะโมตสสะพะควะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะเนี่ยนะพระองค์บอกได้เลยว่าเจตนาที่พูดออกไปนี่ทิฏฐิธรรมเป็นอย่างไรให้เมื่ อ, อไรที่ไหนอย่างไรอุปชาวเวทนิยกรรมนี่จะเป็นอย่างไรอัปราประเวทนิยกรรมจะให้ผลที่ไหนและอย่างไรและจะให้ผลเนี่ยนะอะไรเป็นเจตนาเหล่าไหนาสามารถนชนะกากรรมได้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 พระองค์รู้กรรมวิบากผลแห่งกรรมมาสมาทานที่ทํามาแล้วอดีตอนาคตและปัจจุบันเนี่ยนะกรรมที่เราทํามาในอดีตนี่นั่งยิ้มเลยใช่ไหมสิ่งที่เราพูดทุกคําเนี่ยนะเกิดมาในพูดกี่คําละนั่งยิ้มอย่างเดียวเลยนะ้พูดแต่ความดีไม่ได้พูดชั่วเลยเนี่ยนะนะอย่างนี้ได้ปะ ทำแต่ดีไม่เคยทำชั่วเลยคิดแต่ดีไม่เคยคิดชั่วเลยถ้าอย่างนี้ไม่วิปฏิสารแต่ถ้าตรงกันข้ามเกิยร้อนแน่เหมือนกันนะเพราะอะไรเพราะตามจะไม่ไร้ผลแต่ก็อย่างว่านะรีกว่าในวังวนแห่งวัฏฏะเนี่ยนะมันก็ทั้งดีและชั่วมันก็ให้ผลไม่หมดแหละเพราะฉะนั้นก็บอกว่ามันจึงมีทั้งนรกจนยันพรหมมนันลกว่างอนกันเถอะก็สุดแท้แต่เจตนาเอ้าก็รู้ว่าพูดแล้วมันเป็นบุญทำไมไม่ขยันพูดเนี่ยนะ ขยันพูดให้หมันเป็นบุญพูดสิบคำก็บุญสิบคำนะถ้าด่าคนสิบคนเอาเขาก็เกลียดเราสิบคนเหมือนกันไนหะถ้าเราด่าร้อยคนเขาก็เกลียดเราร้อยคนถ้าเราพูดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณร้อยครั้งเราจะได้บุญร้อยครั้งไหมเอาเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้วิบากที่ดีทําไมไม่ทําเหตุที่ดีล่ะเอาถ้าทําปาณาติบาตรร้อยตัวก็บาบร้อยตัวร้อยร้อยครั้งใช่ไหมทำร้อยครั้งก็บาบร้อยครั้งทําหมื่นครั้งก็บาปหมื่นครั้งที่ทําบุญแล้วก็ทีครั้งเดียวพอแล้วเหมือนกันนะ ไปทำบุญมาแล้วปีใหม่แบบนั้นอ่ะไปไหนไปเดินเฉียดเฉียดถ้เจ ด, ดีมาแบก้มกราบตั้งสามทีเป็นตน้นมันจะไปพออะไรแค่นั้นอ่ะที่ทำบาปแล้วก็เต้นรําได้ทั้งคืนนี้ใช่ที่เต้นรํำแล้วเต้นได้ทั้งคื น, น, นแต่ว่ากราบพระพุทธเจ้าที่กราบแค่สามครั้งบอกพอแล้วเพราะงั้นนะมสันโดษจริงๆเลยนะที่บุญแล้วสันโดษสันโดษเนี่ย น, นะฟังเพลงเนี่ยฟังได้ทั้งวันทั้งคืนแต่ว่าฟังธรรมนี่หน่อยเดียวพอแล้ว ฟังแล้วว่างั้นเรื่องนั้นฟังแล้วเพลงนี่ไม่เห็นบอกว่าฟังแล้วบ้างโอ้ยฟังแล้วฟังอีกเพราะดีนะแต่ว่าธรรมะบอกไม่ได้เรื่องนี้ฟังมาแล้วว่างั้นนะเรื่องนี้ไม่ฟังอีกรอกอก น, นะที่เพลงซ้ําแล้วซ้ําเล่านนจนกว่าจะจาได้นะ่ะแหละค่อยเปลี่ยนใหม่มันก็ว่าอย่างงี้แหละมันะอะไรนะทิฏวิบัติแยกไม่ออกว่าอะไรมีสาระและไม่ใช่สาระเนี่ยนะก็เลย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 เป็นกำลังของตถาคตประการหนึ่งซึ่งตถาคตอาศัยแล้วปฏิยานฐานะแห่งผู้เป็นโจรบลือศีหนะในบริษัทยังพรหมจักให้เป็นไปเนี่ยนะเขาบอกว่าสัพพัทธคามินนปฏิปทายาณเนี่ยนะก็คือรู้เลยว่ารู้คติรู้ทางให้ไปสู่คติ5รู้ว่าอะไรเป็นข้อเอวิธีการสร้างเพื่อเกิดใน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 เจตนาของบางคนให้ผลเกิดในนรกบางคนให้เกิดเป็นเปรตให้คนบางคนให้เกิดเป็นเลระชานบางคนตามให้ผลเป็นทิ่ตธรรมบางคนให้ผลเป็นอุปชาวเวทนิยกรรมบางคนให้ผลเป็นอัปาราประเวทนิยกรรมบางคนเนี่ยกรรมเหล่านี้ไปเป็นอุปธรรมปะกกรรมแห่งบาปต่อไปไปเป็นอุปกิลกกรมรมโป่งรู้อย่างทะลุผุโปร่ปรงหมดวะเนี่ยอันนี้แหละเขาเรียกว่ารู้สับพัทคามิใช่เจตนาร่วมกันทำหนึ่ง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 นะว่าเออเนี่ยถ้าไปอย่างเงี้ยนะถึงที่ไหนไปอย่างนี้ถึงที่ไหนไปแบบนี้ถึงที่ไหนรู้ไปหมดเลยเนี่ยนะแล้วของเรารู้ไหมเราทําอะไรแล้วจะไปไหนจริงมันน่าจะเช็คได้นะตามคําสอนตลอดชาติหน้าอยู่ที่ไหนดีอยากจะบอกว่าดีแต่ก็ไม่ค่อยมั่นใจย่งเงี้ยะเอาอะไรเป็นเครื่องมั่นใจอย่างนั้นนะก็เอาโสดาปฏิมาคเป็นต้นนะก็เอาพระุทธเจ้าแล้วกันอนะ่สุดแท้แต่พระพุทธเจ้าแล้วกัน่นะ ก็จเจริญพุท ธ, ธานุสติเอาไว้ให้มากถ้าจเจริญไว้น้อยเนี่ก็อเกิดชาติหน้าที่ไหนดีหวังว่าชาติหน้าเราเจอกันอีกมาเจอกันที่ไหนเนาะว่างนันเลยเผ่าไหนอย่างเงี้ยนะเผ่าไหนกกไหนกลุ่มไหนนี่นก็ยุ่งกันนะมันก็ต้องค่อยคิดให้นดีๆนะว่ากรรมที่นำไปสู่ภพทั้งปวงเ่ยนะหรือกรรมที่นำไปสู่เพื่อพระนิพพานคืออารยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดนี้เราจเจริญสําเร็จไหมถ้าเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดไม่สําเร็จครบถ้วนบริบูรณ์ ก, ก็นำไปสู่พบทั้งปวงเพราะฉะนั้นสามารถที่จะเกิดในคั้นเกิดในไข่เกิดในถ้าออใครเกิดเป็นโอปปาติกะได้ทั้งนั้นแหละนี่ต่อไปอีกในยานที่สี่ทศพลยานที่สดูก่อนสารีบุตรอีกประการหนึ่งตถาคตย่อมรู้ชัดซึ่งโลกมีธาตุมิใช่อย่างเดียว โลกเนี่ยนะมีาธาตุต่างๆตามความเป็นจริงดูก่อนสาริบุตรข้อที่ตถ า, าคตรู้ชัดซึ่งโลกมีาธาตุมิใช่อย่างเดียวมีาธาตุต่างๆตามความเป็นจริงนี้เป็นกําลังของตถ า, าคตประการที่หนึ่งอีกประการหนึ่งนะที่ตถ า, าคตอาศัยแล้วปฏิญาณฐานะแห่งผู้เป็นโจรบลือศรีหนานในบริษัทยังพรหมจักให้เป็นไปอันนี้ก็พระองค์เนี่ยรู้นะว่าธาตุเช่นสังธาตุหนึ่ง ธาตุสองธาตุธาตุสองอ่าธาตุหนึ่งเช่นสังคตะธาตุธาตุสองก็คือสังคตะธาตุอสังคตะธาตุธาตุสคือรูปธาตุอรูปธาตุและนิโรธาตุเนคขมธาตุอ่กามธาตุเนคอ่กามธาตุอัพยาปาทธาตุอ่วิหิงสาธาตุกามธาตุพยาปาทธาตุวิหิงสาธาตุธาตุหปทวีธาตุอาโปเตโชวายโยอากาศวิญญาณธาตุนะธาตุ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 ต่างๆตามความเป็นจริงไม่ใช่ธาตุเฉพาะในโลกนี้นะอันนทั้งสังขารโลกอันนสังขารโลกสัตว์โลกและโอกาสโลกรอบรู้ธาตุเหล่านั้นทั้งหมดโดยบริบูรณ์อย่างสิ้นเชิงนะนีความที่พระองค์เนี่ยรู้ธาตุดังที่กล่าวไปแล้วนี่แหละพระองค์จึงปฏิญาณฐานนะแห่งผู้ผู้นําำนะบรรลือเสียหนาาในบริษัทยังพระพรหมจักรหรือพระธรรมจักรให้เป็นไป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 อะไรนะคล้ายเคืองกันบรรสัททั้งหลายนั้นมีอธิมุตที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันน่ยนะบรรษั์ทั้งหลายเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆอ่ะนะว่าเออเนี่ยมันก็ควบกันตามอธิมุตรจริงๆตามความชอบอ่ะนะชอบอย่างเช่นกลุ่มที่ชอบเรื่องอะไรมันก็จะไปรวมกันอยู่ในเรื่องนั้นนั้นอ่ะนะก็จะไปออกันอยู่ตรงนั้นแหละนี่ต่อไปอินทรียโปรปริยติยานทศพลยานที่หกดูก่อนสารีบุตรอีกประการหนึ่ง แตถาคตย่อมรู้ชัดซึ่งความที่สัตว์และบุคคลทั้งหลายมีอินทรีย์ยิ่งแล้วก็มีอินทรีย์ห่อนตามความเป็นจริงออินทรีย์ยิ่งไม่ใช่ตาแ ก, แก่แล้วก็ตานี่ยหย่อนยานไม่ใช่อินทรีย์นี่นะไม่ใช่อินทรีย์คือตาหูจ ม, มูกลิ้นกายนะที่ยิ่งอ่ะหย่อนก็ย้อนจริงๆนะนะที่ตึงก็ตึงจริงๆไม่ใช่แบบนั้นอะรอย่างอันนี้หมายถึงศรัท ธ, ธาวิริยะสติสมาธิและ ปัญญาเนี่ยนะศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาที่หย่อนก็หย่อนจริงๆแล้วก็ยิ่งก็ยิ่งอ่ะนะเรียกว่ารู้ความยิ่งความหย่อนแห่งศรัทธาวิริยสติสมาธิและปัญญานั่นเองดูก่อนสารีบุตรข้อที่ตถาคตรู้ชัด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 บางคนนี่มีศรัทธามากแต่อินทรีย์ที่เหลืออ่อนบางคนมีวิริยะมากอินทรีย์ที่เหลืออ่อนบางคนมีสติมากที่เหลือนี้อ่อนบางคนสมาธิมากแต่ที่เหลืออ่อนบางคนมีปัญญามากที่เหลืออ่อนบางคนเนี่ยขาดอยู่สองอย่างบางคนเนี่ยขาดสามอย่างบางคนขาดสี่อย่างหรือบางคนขาดทุกอย่างบางคนไม iana, ่มีศรัทธาเลยบางคนเนี่ยไม่มีความเพียรไม่มีวิริยะสติสมาธิปัญญาเหล่าใดเหล่าหนึ่ง แม้แต่นิดเดียวเลยพันความที่พระองค์เนี่ยรอบรู้รู้ทั้งหมดเนี่ยคือว่ารู้ความยิ่งความหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ตามความเป็นจริงพันผู้ที่มีอินทรีย์อ่อนสอนยากผู้ที่มีอินทรีย์แก่กล้าสอนง่ายนะผู้ที่มีอินซี on, น ย, ซกกยนนะซ์ยิ่งคือว่าคนมีอาการดีถ้ามีอินทรีย์อ่อนก็อาการไม่ดีคนที่มีอินทรีย์มากสอนให้รู้ง่ายอินทรีย์แก่กล้าสอนง่าย สอนให้รู้ได้ง่ายถ้าหากว่าอินทรีย์อ่อนสอนให้รู้ยากสอนให้เข้าใจยากพรกะองค์ก็วิเคราะห์อย่างนี้ตามความเป็นจริงเรียกว่าอินเดียยะปรปริยตยานดูก่อนสารีบทข้อที่ตถาคตรู้ชัดความที่สัตว์ทั้งหลายและบุคคลทั้งหลายอื่นมีอินทรีย์อ่อนและยิ่งตามความเป็นจริงนี้นี้เป็นกําลังของตถาคตประการหนึ่งซึ่งตถาคตอาศัยแล้วปฏิยามฐานะแห่งผู้เป็นโจร บาลอศิหนาถในบริษัทยังพรมจักให้เป็นไปส่วนทศพลยานที่7กล่าวว่าดูก่อนสารีบุทอีกประการหนึ่งตถาคตย่อมรู้ชัดซึ่งความเศร้ามองและผ่องความผ่องแผ่วความออกแห่งฌานวิโมกสมาธิและสมาบัตทั้งหลายตามความเป็นจริงพองรู้ว่าปฐมฌานมีอะไรเป็นเครื่องเศร้ามองผ่องแผ่ และออกจากปฐมฌานได้อย่างไรทุติยฌ า, านตติยฌ า, านอะไรเป็นความเศร้ามองผ่องแผ้วและออกอะไรเป็นความเศร้ามองของวิโมกพ่องแผ้วแห่งวิโมกและออกจากวิโมกได้อย่างไรอะไรเป็นความเศร้ามองของสมาธิอะไรเป็นความผ่องแผ้วแห่งสมาธิว่าออกจากสมาธิได้อย่างไรอะไรเป็นความเศร้ามองแห่งสมาบัตอะไรเป็นความผ่องแผ้วแห่งสมาบัตและออกจากสมาบัตทั้งหลายได้อย่างไร ความที่พระองค์เนี่ยนะรู้ชัดซึ่งความเศร้าหมองความผ่องแผ้วและความอกแห่งชาญวิโมกสมาธิและสมาบัติทั้งหลายตามความเป็นจริงนี้อันนี้เป็นกำลังของพระตถ า, าคตประการหนึ่งซึ่งตถาคตอาศัยแลว้วปฏิญาณฐานะแห่งผู้เป็นโจกบรลืศรีหานาถในบริษัทยังพรหมจักให้เป็นไป่ก็รู้ว่าชาญทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น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 อย่างเช่นการออกจากฌานเนี่ยนะถ้าฌานเบื้องล่างถือว่าเป็นประทัดฐานของฌานเบื้องสูงอันนี้เรียกว่าความผ่องแผ่วอีกในหนึ่งออกจากฌานต้องออกโดยผวังเนี่ยนะก็เรียกว่าอย่างลงเรียกว่าพอชาวนะที่เป็นฌานดับไปก็จะเป็นผวังถ้าออกจากนิโรธสมาบัติก็ต้องออกด้วยภะสมาบัติอันนี้เรียกว่าพระองค์เนี่ยรู้ทั้งหมดโดยสิ้นเชิงเรียกว่ารู้ความเศร้ามองความผ่องแผ่วความออกแห่งฌาน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 อันนั้นรู้ได้เลยว่าในภพโน้นะมีชื่อมีโคดมีผิวพันธุ์มีอาหารมีเสวยสุขเสวยทุกอันนะอย่างนั้นอย่างนั้นตลอดชาตินั้นอ่นนะจุติมีอายุอยู่ชาตินั้นแล้วดำรงอยู่ชาตินั้นกี่ปีจุติจากชาตินั้นแล้วไปเกิดในภพโน้นภพก็คือชาติภพโน้นไหมภพนั้นมีชื่อมีโคดมีผิวมีอาหารเสวยสุขทุกมีอายุเท่านั้นตายจากชาตินั้นในที่สุดก็มาเกิดในชาตินี้นี่แะ เรีย ก, กว่าระลึกถอยหลังได้ในชาติเป็นอนเนกเรียกว่าความที่ระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากอย่างนี้พร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศรายละเอียดทั้งหมดรู้ทั้งหมดนี่แหละดูก่อนสารีบรข้อที่ตถาคตระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากคือระลึกได้หนึ่งสองสาสี่ห้าชาติสิบยี่ส0บ0ี่บห้าสบชาติ บ, บ้างร้อยพันแ 0,000 ชาติ บ, บ้างตลอดสังวัตกับวิวัตกับเป็นอันมากบ้าง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 บาลือศีหนาตในบริษัทยังพรหมจักประกาศพระธรรมจักรให้เป็นไปก็อย่างที่เราเรียนมหาประทานสูตรว่าพระองค์นั้นสา ม, มารถระลึกชาติได้ยอดเยี่ยมจริงๆคือระลึกได้ทั้งหมดเกี่ยวกับรายละเอียดทั้งของพระองค์เองและของบุคคลอื่นนะนะอย่างยงกตัวอย่างนะสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีรายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าวิปัสสีพระองค์รู้ทั้งหมด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 เช็คประวัติได so, uh, ้ว mm ่าพอจะบรรจุเป็นพระโสดาบันไดไหมอะไเงี้ยก็ดูแลถ้าบรรจุได้บรรจุได้ตรงไหนบ้างเราได้ไม่ได้ไม่ได้ชาตินี้ก็ได้ชาติหน้าชาติหน้ามันเก็ชาติต่อๆไปนั่นแหละอไม่ได้มันก็พ้นทุกข์ไม่ได้นั่นแหละเนาะเพราะจะได้ไม่ได้ก็ศึกษาไปก่อนละกันอะไรเงี้แต่แต่พบพระพุทธเจ้าเนี่ยนะแต่ตอนนั้นนะพระองค์มีพระชนอยู่พระองค์เห็นเราแล้วว่ายังไงเราก็ไม่ได้บรรลุตอนที่พระองค์อยู่นะ ถ้าพระ อ, องค์รู้ว่าเราบรรลุตอนนั้นพระ อ, องค์ช่วยเราได้ไปแล้วป่ะเนี้นะพระ อ, องค์เห็นแล้วว่าไม่ได้บรรลุหรอกในตอนนั้นพระองค์เลยปล่อๆบอกเออไปอ่านจดหมายกันละกันเหมือนนั้นทะ่านนนเรียบเรียงไว้พ่นรุ่นจดหมายจดหมายพระพุทธเจ้าอ่านพระไตรปิฎกอะไมือนนั้นทำบุญมาเท่านี้นะทําไงได้ถ้าเราระลึกชาติได้ตอนที่พระ อ, องค์มีพระชนอยู่เนี่ยนะถ้าเกิดนึกว่าเราไม่ได้สนใจพระธรรมเลยจะเศร้าใจตัวเองขนาดไหนจย ไ, ไปประมาทอยู่หรือเปล่าน้ออย่างวันนี้ปีใหม่เนี่ยเขาฟังทำกัน กี่คนเองอะนะไปเที่ยวอย่างอื่นไหนกี่คนกันบอโอ้ยที่ฟังธรรมนี่โล่งไปดูที่ห้างไงเต็มไปหมดเลยนะร้านอาหารเนี่ยมันก็เต็มไปหมดเลยมะบริโภคธรรมะนี่น้อยมากบริโภคกุศลน้อยมากแต่บริโภคอกุศลนี่เต็มไปหมดเลยเนี่ยนะมันบริโภคตอนเนี้จริงๆแล้วบริโภคเจตนาร่วมปาณาติบาตเนี่ยมีมากขณะนี้นะถามว่าเจตนาร่วมปาณาติบาตมีมากรู้ได้ยังไงก็ดูภาพยนตร์สงครามอย่ามันเคลมข่าบบะไรไวบบดหมด คนก็ไปดูการแสดงว่ามีอัธยาศัยปาณาติบาตจํานวนมาก น, นะอัธยาศัยเกี่ยวกับอกุศลกรรมบทมีจํานวนมากแต่ตรงกันข้ามเจตนาบริโภคอัธยาศัยที่ออกจากอากุศลกรรมบทมารักษากุศลกรรมมาบดไม่มากเอ่อคำไม่มากก็คือน้อยหรือเจตนาที่มาเจริญสัมมาทิฏฐิที่จะเห็นอริยสัจเป็นต้นนีก็น้อยลงไปอีกเจตนาที่จะระลึกไปในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณก็น้อย ใหลงไปอีกอันผู้ที่บรรลุมรรคผลจึงมีน้อยนักอนะในหมู่มนุษยชนที่ถึงฝั่งคือพระนิพพานมีน้อยนะหมู่สัตว์นอกนั้นก็เลาะเะวิ่งวิ่งเรียบเรียบไปตามขันธาตุอายตนะเนี่ยนะเลาะไปตามตาหูจมูกเล่นกายใจวุ่นอ ย, อยู่อย่างนี้แหละพระหมู่สัตว์เนี่ยเป็นไปอย่างนี้พนัผู้ที่จะบรรลุมรรคผล้จึงน้อยนักเนี่ยนะพรพะสังฆรัตนะจึงเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ผู้ที่บรรลุมรรคผล้จึงเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์จริงๆแล้ว ไม่มากเนี่ยนะไม่มากมันก็แสดงว่าใครที่คิดว่าจะอยู่ในวตัตตาอีกนานเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะเงาใช่ไม้มไม่เงาแล้วเขาไปขั้งไม่ให้ขั้งเดียวง่ายๆหรอกต่อไปดูกรสาริบนะนะทศพลยันที่กาวเอกประการหนึ่งตทาคตย่อมเห็นหมูสัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุบัติที่เลวประนีต มีผิวพันธ์ดีมีผิวพันธ์สามได้ดีตกยากด้วยทิพยจักรสุอันบริสุทธิ์ที่กําลังเคลื่อนตอนนี้นะที่กําลังจุติเช่นเวลานี้วิธีวินาทีเนี่ยจุติเท่าไหร่ในโลกกธาตุอันหาที่สุดไม่ได้นะั่นจุติเท่าไหร่ทั้งโลกเนี่ยขณะเราหายใจเข้าก็ตายตอนที่เราหายใจออกก็ตายเนี่ยนะทุกวินาทีตายหมดเลยทั้งโลกอับประชากรโลกเท่าไหร่ห้ากพันล้านเนี่ยหกพันล้านจะไม่ตายบ้างเลยชั่วเรา พูหนึ่งคาก็ตายไปแล้วคนหนึ่งสองคนสามคนบางทีก็ตายเป็นสิบบางทีก็ตายเป็นร้อยเนี่ยบางทีก็ตายทีกันตั้งหลายเราไอทาาา้ที่ตายเนี่ยเผาต่างหากที่ตายนีไอ้ที่เผาที่ฝังไี้ต่างหากไม่นับเนี่ยนะเฉพาะที่กำลังจุติจุติจุติตั้งอตจุติตั้งแต่ต อ, อยู่ในครันจนถึงแก่ตายเนี่ยนะไม่ใช่น้อยๆเลยที่จุตินี่ยนี่มนุ ษ, ษนย์นะแล้วเดร์ฉานอ่ะไก่กําลังตายเท่าไหร่หมูกําลังตายเท่าไหร่เป็ดกําลังตายเท่าไหร่ห่านกำลังตายเท่าไหร่ห ช้างกําลังตายเท่าไรม้ากําลังตายเท่าไรปลากำลังจุติเท่าไหร่ที่จุติทั้งหมดเนี่ยวองรู้หมดเลยแล้วที่กําลังปฏิสนธิล่ะอุบัติเนี่ยนะอุบัติตั้งแต่อุบัติในคันในไข่อุบัติในนรกหรืออุบัติที่ตามที่ต่างๆเนี่ยนะโผล่ขึ้นณนะตําแหน่งใดบ้างพระองค์ก็เห็นอีกพวกเลวกับพวกประณีตเลวเนี่ยเป็นผลของโมหะประณีตเป็นผลของอะโมหะคือปัญญา มีผิวพันธ์ดีเป็นผลของเมตตามีผิวพันธ์สามเป็นผลของโทสะได้ดีเพราะเหตุของอะโลภตกยากเพราะเป็นเหตุของโลภเนี่ยนะเลวประณีตผิวพันธ์ดีผิวพันธ์สามได้ดีตกยากคนนี้เป็นผลผลิตของโลภโทสะโมหะอะโลภอะโทสะอโมหะถ้าโมหะมากเลวถ้าอะโมหะประณีตผิวพันธ์ดีเมตตาผิวพันธ์สามโทสะได้ดี อโลภะตกยากโลภะเห็นอย่างเนี้ทั้งหมดด้วยที่ประจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจากสุของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทูตุจิตวจีทูตุจิตมโนทูตุจิตติเตียนผ้าริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิยึดถือการกระทําด้วยอํานาจมิจฉาทิฐิเบื้องหน้าแต่ตายกายแตกไปย่ยอมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรก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 มิจฉาทิฐิเนี่ยไม่ธรรมดาจึงยกเอาออกมาแสดงว่านี้คือเหตุแห่งอบายทุกขติวินิบาตนรกเนี่ยนะอันนี้ฝ่ายเลวร้ายถ้าฝ่ายดีล่ะส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจิริวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฐิยึดถือการกระทําด้วยอํานาจสัมมาทิฐิเบื้องหน้าแต่ตายไปเบื้องหน้าแต่ตายกายแต่ก็เข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ ทำความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจไม่ติเตียนพระพุทธเจ้าก็แปลว่าชื่นชมพระพุทธเจ้า น, น, นั้นสวดอิติปิโสดีที่สุดเหมือนกันนะเพราะอะไรเพราะว่าเป็นเหตุให้สุขคติโลกสวรรค์นั้นลุงเรืองก็สวดมนต์บ่อยๆแล้วกันแล้วก็วกที่แน่นๆก็เพื่อเป็นสัมมาทิฏฐิใช่ไหมเป็นมีกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิเป็นต้นรู้คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลยนะรู้กรรมรู้ผลของกรรมรู้เหตุแห่งความเจริญและเหตุแห่งความเสื่อมอันนี้เป็นช่องทางเพื่อเข้าถึง สุขติโลกสวรรค์ดูก่อนสาหริบข้อที่ตถาคตเห็นหมูสัตว์ที่กําลังจุติกําลังเคลื่อนกําลังอุบัติเรียกว่าต่อหรือปฏิสนธิมาที่เลวเพราะโมหะประณีตเพราะอโมหะเนี่ยนะหรือปัญญามีผิวพันธ์ดีเพราะอะโทสะคือเมตตาผิวพันธ์สามเพราะโทสะเนี่ยนะบอกถ้าผิวพันธ์ดีเพราะโทสะเนี่ยเขามาจะงามที่สุดแล้วนะคนรูปงามมากเลยนะแต่นี้ไม่ใช่อ่ะที่นผิวพันธ์สามเพราะ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 ปฏิญาณฐานะแห่งผู้เป็นโจกบาลูศิ h a n ในบริษัทยังพรหมจักให้เป็นไปนี่เนะขาต่อไปบอกว่าดูก่อนสารีบุตรอีกประการหนึ่งตถาคตกระทาให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์คืออรหัตผลสมาธิปัญญาวิมุตต์คืออรหัตผลปัญญาทั้งอรหัตผลสมาธิอรหัตผลปัญญาที่หาอาสวะไม่ได้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 บรรลือศรีหนาถในบริษัทยังพระพรหมจักรให้เป็นไปดูก่อนสารีบุตรกำลังของตถาคตสิบประการเหล่านี้แลที่ตถาคตประกอบแล้วปฏิญาณฐานะของผู้นำผู้เป็นโจกนัะนะบรรลือศรีหนาถในบริษัทยังพรหมจักรให้เป็นไป เกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดทศพลยานเนี่ยนะมีบางพวกเขาบอกว่าทศพลยานก็คือสัพพัญยุตยานสัพพัญยุตยานก็คือทศพลยาน น, นะไม่มีการแตกแย ก, กอะไรหรอกจริงๆนะอันเดียวกันก็ บ, บอกไม่พึงเห็นอย่างนั้นอย่าไปเข้าใจผิดแบบนั้นทศพลยานก็อย่างหนึ่งสัพพัญยุตยานก็อย่างหนึ่งทศพลยานรู้กิจของตัวเท่านั้นเอง เป็นยานเฉพาะเฉพาะมีทั้ง10บข้อใช่ไหมเก็รู้เฉพาะตัวเฉพาะตั ว, ตวไปสัพพัญญุตยานรู้กิจของตัวเองด้วยและรู้กิจของทศพลยานทั้งที่ทหมดทั้งหมดด้วยเพราะฉะนั้นทศพลยานเนี่ยจึงไม่ใช่สัพพัญญุตยานสัพพัญญุตยานก็ไม่ใช่ทศพลยานคานละอย่างขนาะเดียวกันทศพลยานยานหนึ่งจะไปรู้แทนอีกยานหนึ่งไม่ได้แจกเป็นสิประเภท อย่างเช่นฌานที่ยามที่หนึ่งของทศพลยานรู้อะไรว่าเป็นเหตุและมิใช่เหตุยามที่สองรู้ลำดับแห่งกรรมรู้ลำดับแห่งผลของกรรมเท่านั้นยังไม่รู้เรื่องอื่นยามที่สามก็จะราะรู้อะไรสัพพะตคามินีปฏิปทาญานกรรมตัวไหนนำไปเกิดที่ไหนยามที่สี่ก็รู้ความแตกต่างแห่งธาตุความหลากหลายของธาตุยานที่ห้ารู้อัธยาศัยอธิมุตของสัตว ยานที่6รู้ว่าอินทรีย์หย่อนหรือแก่กลายานที่เจ็ดรู้อะไรเป็นความเศร้าหมองเป็นต้นของฌานเป็นต้นยานที่แปก็รู้ขันทั้งหลายที่อยู่ในการก่อนยานที่9้ารู้จุติปฏิสนธิยานที่สิกําหนดสัจจะยานที่สิบใส่ใจในอริยสัจอันนี้นี้เฉพาะทศพลยานส่วนสัพพัญยุตยานรู้กิจที่ควรรู้ในทศพลยานเหล่านั้นทั้งหมด สัพพัญญุตยานรู้นะว่าทศพลยานรู้อะไรบ้างและรู้ยิ่งกว่ากิจเหล่านั้นอีกรู้เรื่องอื่นที่ทศพลยานไม่รู้อีกหลายสิบเรื่องแต่สัพพัญญุตยานเนี่ยไม่สามารถทํากิจทุกอย่างได้รู้หมดแต่ทํากิจไม่ได้เอารู้ว่าฌานสัพพัญญุตยานไม่ใช่ฌานเนี่ยเข้าฌานได้ที่ไหนสัพพัญญุตยานเพราะตัวสัพพัญญุตยานไม่ใช่ฌานใช่ไหมสัพพัญญุตยานเป็นมหากิริยาญาณสัมปยุตเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นสัพพัญญุตยานนั้นขออภัยสัพพัญญุตยานั้นเนี่ยนะเพราะความที่ตัวเองไม่เป็นฌานจึงไม่สามารถเข้าระดับอัปปนาได้เมื่อตัวเองไม่เป็นริษเนี่ยนะก็ไม่สามารถจะแสดงริษได้ตัวเองไม่ใช่อริยมรรคก็ไม่สามารถทําลายกิเลสออกไปได้อันนี้คือลักษณะของสัพพัญญุตยานสัพพัญญุตยานั้นไม่ได้เป็นฌานไม่ใช่เป็นริษไม่ใช่เป็นมรรคเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่ฌานก็ทํากิจเป็นอัปปนาไม่ได้ไม่ใช่ ไม่ใช่เป็นจิต ท, ที่เป็นอภิญญาจึงแสดงริษไม่ได้ไม่ใช่เป็นมรรคจิตจึงทำลายกิเลสไม่ได้อีกประการหนึ่งนะอีกประการหนึ่งก็บอกว่าวิธีแก้ลัทธิที่เข้าใจผิดว่าสัพพัญญุตยานคือทศพลายา น, นี่อันเดียวกันเนี่ยเป็นความเข้าใจผิดก็ถามว่าทศพลายานี่มีวิตกวิจารไหมนะหรือไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์ แล้วทศพลยานเป็นกามาวจรูรปาวจรหรืออารูปาวจรทศพลยานเป็นโลกิยาหรือโลกุตระถ้าคนที่เรียนธรรมะมาดีตอบได้เลยว่ายานที่หนึ่งถึงยานที่เจ็ดเป็นยานที่มีวิตกมีวิจารน์ยานที่หนึ่งถึงเจ็ดนะมีวิตกมีวิจาร์ แล้วก็รู้อีกว่ายานสองยานที่แปดที่เก้าไม่มีวิตกไม่มีวิจารณที่แปดคืออะไรปุเพนิวาสานุสติยานที่เก้าจุตูปปาตายานอันนี้ไม่มีวิตกวิจารณส่วนยานที่สิบอาสวัคคายานเนี่ยถ้าระดับปฐมฌานมีวิตกวิจารณ์ถ้าสูงกว่านั้นไม่มีวิตกวิจารณหรือฌานอะนะยาณทั้งหมดตั้งแั่หนึ่งถึงเจดเป็นกามาวจร ยานที่เจ็ดที่แปดคือปุเพนิวาสานุสติยานและจุตูปปาตยานเป็นรูปาวจรอาสวัคคยาญเป็นโลกุตระส่วนสัพพัญยุตยานมีวิตกวิจารเป็นกามาวจรและเป็นโลกียะนี่นะนะจริงๆแล้วสัพพัญยุตยานเป็นโลกียะไม่ใช่โลกุตระส่วนทัศพลายานเป็นทั้งกามาวจรรูปาวจรและโลกุตระนั่นเอง ทีนี้มาศึกษาวิธีว่าพระพุทธเจ้าสำรวจตรวจสอบสัตว์ทั้งหลายก่อนจะแสดงธรรมอย่างไรไม่ใช่เห็นหน้าปับเทสอย่างเดียวเลยนะไม่ใช่ตอนแรกก่อนพระองค์ก็ดูตรวจดูด้วยอนะว่าพระองค์รู้ว่าภาวะเนี่ยเขามีเครื่องกั้นไหมหรือไม่มีเครื่องกั้นแปลง่ายๆว่าบรรลุได้ไหมหรือไม่บรรลุทํากรรมให้บรรลุมาบัางหรือเปล่าหรือว่า ไม่ได้สร้างเหตุแห่งความบรรลุเรียกว่าสำรวจตรวจดู ด, ด้วยฐานาฐานายา น, นั้นก่อนใช้ฐานะฐานะอาฐานะก่อนเช่นถ้าทำอนันตรียกกรรมมายังไงก็ไม่บรรลุบรรลุไม่ได้อย่างเช่นพระเจ้าอาชาตศัตรูใช่ไหม ท, ทั้งทั้งที่จริงๆอ่ะพอจะบรรลุได้แต่ทำอนันตรียกกรรมมาเลยไม่สามารถจะบรรลุได้เป็นต้นนั่นเองนะ รู้ว่าบรรลุได้หรือบรรลุไม่ได้เป็นพวกพัพ菩萨หรือพวกอภพั萨อันนี้ใช้ฐานะอนนฐานะยานตรวจยานที่รู้อะไรเป็นฐานะและไม่ใช่ฐานะทีนี้ต่อไปอีกก็ดูอีกว่าอะเขาเนี่ยสามารถย่งลงสู่สัมมตานิยามหรือมิชตนิยามได้ไหมนะเป็นสัมมาทิฏฐิหรือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิอันเนี้อันนี้เขาเรียกว่าใช้อะไรยานะไรตรวจ กรรมสมาทานทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันว่าปกติเขามีสัมมาทิฏฐิหรือว่าเป็นพวกมิจฉาทิฏฐิเป็นสามมาตินิยามหรือพวกมิจฉาตนิยามพอจะบรรลุได้หรือบรรลุไม่ได้ประชุมมรรคเสร็จหรือว่าประชุมไม่ได้แล้วก็ตรวจ ด, ดูว่าคนเหล่านี้มีเครื่องกั้นคือวิบากไหมปฏิสนธิมันปฏิสนธิแบบอเหตทวิเหตุหรือติเหตุนําเกิดแล้วตรวจ ด, ดูปฏิสนธิก่อนแล้วตรวจ ด, ดูไปอีกว่ากรรมที่ทําให้มาเกิดเนี่ยมันทำกรรมอะไรมา ให้ทานมานำทานนําเกิดหรือว่าศีลนําเกิดหรือว่าภาวนานําเกิดบุญที่ทําด้วยกายหรือด้วยวาจาหรือด้วยใจมานําเกิดก็ตรวจไปอีกแล้วว่าสับพัทธามินีปฏิปชญญ า, าเลยลงไปกว่านนั้นอีกตรวจ ด, ดูอัฏฐ า, าก่อนมันเป็นาธาตุกลุ่มไหนาธาตุชั้นดีหรือว่ า, าธาตุชั้นเลวพูด น, นะว่าเป็นกลุ่มาธาตุดีหรือาธาตุธาตุเลวาธาตุดยพื้นฐานทั้งกุศลอ ก, กุศลเป็นอย่างไรแล้วก็ตรวจ ด, ดูอธิมุตตอีก อาทิมุตเนี่ยดีหรือเลวเนี่ยนะพวกกาธรรมกายสายหรือเนธคธรรมกายสายพวกหมายความว่าพวกที่มักโลภหรือว่าไม่โลภพวกมักโกรธหรือไม่โกรธพวกฉลาดหรือโง่เขาเป็นสัมมาทิฐิหรือกลุ่มที่จะเป็นมิจฉาทิฐิเนี่ยนะพระองค์ก็แสดงทำอะไรที่เหมาะตามสติและตามกําลังของเขาเหล่านี้แล้วก็ตรวจดูตอีกว่าอินทรีย์นี่หย่อนหรือยิ่งตอนนี้ขณะนี้อินรีเป็นยังไงศรัทธาเป็นยังไงวิริยะสติสมาธิและ ปัญญาเป็นอย่างไรพระองค์ก็สํารวจตรวจตราด้วยอินเดียโปรปริยัติยานหลังจากนั้นรู้แล้วว่ายานด้วยอินเดียโปรปริยติยานเนี่ยเป็นยังไงอินทรียออนหรือแก่กล้าแล้วตอนเนี้เขาอยู่ไกลหรือใกล้ถ้าอยู่ไกลก็เหาะไปถ้าอยู่ใกล้ก็อัน น, นก็ดูว่าเขาอยู่ณประดิษฐานอยู่ณตรงไหนและต้องแสดงทำให้เขาฟังเมื่อไหร่เสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ระลึกพื้นเพชาติเดิมของเขา ตรวจสอบสภาพจิตวาระจิตในขณะนั้นของเขาแล้วก็แสดงธรรมเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสะวะเมื่อพระองค์ประกาศสัจจะจบก็เลยมีผู้ที่บรรลุมรรคผลอะ น, นะเพราะเพราะอะไรเพราะตรวจสอบเสร็จแล้วค่อยแสดงธรรมอะนะของเราก็แสดงธรรมเสร็จแล้วค่อยว่ากันอีกทีอ่า น, นะครแบบนี้หรือเปล่ามันผลมันต่างกันเยอะเนี่ยนะเพราะพระองค์เป็นผู้ที่สั่งสมบุญมาเพื่อที่จะตรัสรู้เป็น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประกอบด้วยกำลังสิบประการนี่แหลพระองค์จึงเข้าถึงฐานะแห่งผู้นำบรรลือศรีหนะนาในบริษัททั้งแปดสามารถประกาศพระธรรมมาจากทั้งปฏิเวทยานเทศนายานให้เป็นไปแล้วตอนนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยนะที่เราฟังมาแล้วพระองค์มีคุณธรรมอะไรบ้างหนึ่งสัพพัญยุตยานภาวะก็คืออิติปิโสภควาสองพระองค์มีอะไรอีกมี อิทธิวิธีสามพระองค์มีหูทิพสีรู้วารจิตของสัตว์อื่นแล้วก็ทศพลยานอีกเพราะฉะนั้นสิบสี่ยานที่ยกมาเป็นตัวอย่างนะทั้งสิบสี่ยานบอกว่าดูก่อนสารีบุตรผู้ใดแลพึงว่าตำหนิเราผู้รู้อย่างนี้คือพระพุทธเจ้าเก่งขนาดนี้ยังมีคนด่าว่างันเถอะใครที่มาด่าพระพุทธเจ้าอย่างนี้เนี่ยนะผู้รู้อยู่อย่างนี้ผู้เห็นอยู่อย่างนี้เนี่ย ว่าเกิดไปด่าพระพุทธเจ้าว่าทำมันยิ่งของมนุษย์ที่อยาที่เป็นญาณทัศนะอันวิเศษพอแก่ความเป็นอริยะของพระสมณโคโดมไม่มีแค่เราว่ามีคุณธรรมดีขนาดนี้แล้วไปบอกว่าไม่มีพระสมณโคโดมแสดงธรรมที่ประมวลมาด้วยความตรึกที่ไตราตรองด้วยการค้นคิดแจ่มแจ้งได้เองอะย่าที่สุนัขคาตาฤชวีบุตรด่าพระพุทธเจ้านะ ดูก่อนสารีบทผู้นั้นถ้าไม่ละวาจานั้นเสียข้อหนึ่งนะสองถ้าไม่ละความคิดนั้นเสียสามไม่สละคืนทิฏฐินั้นเสียเที่ยงแท้แน่นอนที่จะตกนรกเที่ยงแท้ตัวนั้นแปลว่าแน่นอนเลยแน่นอนเหมือนอะไรดูก่อนสารีบทเปรียบเหมือนภิกษุผู้สมบูรณ์หรือถึงพร้อมด้วยศีลผู้ถึงพร้อมด้วยสมาธิผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาขณะอรหัตตะักเนี่ยนะ พึงกย็ยิมอรหัตผลในปัจจุบันทีเดียวฉันใดดูก่อนสาหริบเรากล่าวข้ออุปมาันนี้ก็ฉั น, นั้นถ้าหาว่าผู้นั้นไม่ละวาจานั้นซะไม่สละความคิดนั้นเสียไม่สละคืนทิฏฐินั้นเสียก็เที่ยงแท้ที่จะตกนรกเน่ยนะสงสารสุนัขาานะัะตะนั่นก็ถูกด่ายกีชาติก็ไม่รู้เนี่ยพระพุทธเจ้ามีพระคุณอย่างนี้เน่ยนะก็เปรียบเหมือนว่าแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์สว่างขนาดนี้บอกไม่สว่างมืดเหมือนกัน น, นะที่ไหนได้คนพูดตาบอด อัตถกฐานหน้าแปดสิบสองย่อหน้ากล่าวว่าบทเป็นต้นว่าตังสาริปุตะวาจังอปภายะดังนี้บุคคลกล่าวว่าเราจากไม่กล่าววาจาเห็นนั้นเรอจะไม่พูดอย่างนั้นอีกเรียกว่าละวาจาจะไม่คิดอย่างนั้นอีกเรียกว่าสละความคิดจะไม่เห็นอย่างนั้นอีกเรียกว่าสละทิฏฐิสละมิจฉาทิฏฐิถ้าไม่สละวาจาไม่สละความคิดไม่ เลิกคิดแบบนั้นไม่เลิกเห็นเข้าใจแบบนั้นบุคคลนั้นเที่ยงแท้ที่จะตกนรกเพิ่งทราบว่าดำรงอยู่ในนรกนั่นเที่ยวเหมือนถูกนายเนริยาบาลทั้งหลายนํามาตั้งอยู่นะเหมือนกับนายนิริยาบาลจับไปวางไว้ในนรกเพราะฉะนั้นก็เลยอุปมาว่าเปรียบเหมือนผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระกยิมอรหัตผลในปัจจุบันทีเดียวใช่ไหม พอถึงพร้อมด้วยศีลก็คือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะถ้าถึงพร้อมด้วยสมาธิก็สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิถ้าถึงพร้อมด้วยปัญญาสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะผู้ที่ถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้ก็ะยิมอรหัตตะพคือบรรลุอรหัตตะพในทิฏฐธรรมคือในชาตินี้นั่นแหละฉันใดแน่นอนเนี่ยถ้าบริบูรณ์อย่างนี้บรรลุแน่นอนฉันใดดูก่อนสาเรบุตร เราย่อมกล่าวข้ออุปมาันนี้คือการณะเหตุเห็นปานนี้คือพระองค์แสดงว่าผลไม่คลายในลำดับมรคแปลว่าผลเนี่ยจะไม่ละมรคสมาธิมานันติกัญญมาหุเนี่ยนะสมาธิที่ให้ผลในลำดับหรือว่าอะกาลิโกเนี่ยอริยมรคให้ผลไม่มีลำดับเกิดขึ้นหมายคาอว่ามรคเกิดขึ้นผลต้องเกิดแน่นอนฉันใด ใครที่พูดอย่างนั้นคิดแบบนั้นเห็นแบบนั้นถ้าไม่สละละคืนนะปฏิสนธิในนรกเรียกว่าอนันตระปัจจัยมักเป็นปัจจัยให้แก่ผลนี้ฉันใดจุติเคลื่อนแล้วปฏิสนธิในนรกแน่นอนฉันนั้นเหมือนกันท่านบอกว่าขึ้นชื่อว่าข้ออุปมาที่ตรัสให้หนักยิ่งกว่าอุปมานี้ไม่มีในพระพุทธพจน์ทั้งสิน้นในพระไตรปิฎกไม่มีอุปมาไหนที่จะหนักแน่นขนาดนี้เนี่ยนะ เรียกว่าหนักแน่นที่สุดและในบรรดาข้ออุปมาทุกชนิดเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าเป็นข้อประอุปมาสุดยอดเพราะว่ายอดของอุปมาเป็นอุปมาที่หนักแน่นมั่นคงเพราะถ้าอย่างที่ว่ากล่าวนะถ้าใครที่ตําหนิพระพุทธเจ้าด้วยวาจาคิดไม่ดีกับพระพุทธเจ้าด้วยใจแล้วก็เข้าใจผิดในเรื่องราวของพระพุทธเจ้าเพื่อการติเตียนเป็นต้นเนี่ยนะเพื่อจะตําหนิพระพุทธเจ้าเป็นต้น ถ้าไม่ละสละคืนนี่ก็ก็เป็นปัจจัยไปสู่อบายทุกขติวินิบัตินรกเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เคยพูดไม่ดีเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าคิดไม่ดีกับพระพุทธเจ้าหรือเข้าใจผิดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าก็ให้ขอขามาลาโทษไม่อย่างนั้นก็นะอบายไม่ดีเนาะแค่มนุษย์ก็ยังทุกข์ขนาดนี้แล้วอบายจะทุกข์ขนาดไหนเนาะเหมือนกันนะ โดยปกติเนี่ยพระสูตรใดก็ตามที่พระสารีบุตรสรรเสริญยกย่องชมเชยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสูตรนั้นโดยปกติแล้วมีเนื้อความที่ลึกซึ้งกว้างขวางเพราะว่าผู้มีปัญญาสันเสริญผู้มีปัญญาผู้มีปัญญาเกือบที่สุดเนี่ยนะคือพระสารีบุตรสัรเสริญพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาที่สูงสุด ขณะเดียวกันถ้าพระพุทธเจ้าจะตรัสถึงพระคุณของพระองค์ต่อหน้าพระสารีบุตรพระองค์จะแสดงพระพุทธคุณอย่างกว้างขวางเพราะว่าพระสารีบุตรนั้นมีปัญญาที่จะรองรับเข้าใจเนื้อความอย่างบริบูรณ์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงคือเรียกว่าแสดงเรื่องแสดงธรรมนั้นต้องแสดงให้ถูกบุคคลมาอนกันพันเมื่อแสดงเรื่องของบุคคลผู้มีปัญญา ก็ต้องแสดงให้ผู้มีปัญญาด้วยการฟังเขาจึงจะเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งอย่างพระสูตรคือมหาสีหานาสูตรนี้พระธรรมที่กล่าวไปแล้วเนี่ยซึ่งสิ่งเหล่านั้นก็มีอยู่ในภาษาริบุตรแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นมีอย่างไม่ไ ม, ไม่กว้างขวางคือไม่เท่าพระพุทธเจ้าแต่ท่านแต่ภาษาริบุตรท่านก็มีคือภาษาริบุตรนั้นท่านเป็นอย่างพระพุทธเจ้าในฐานะ อ, อิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุธทธวิชชาจารณะสัมปันโนสุกโตโลกวิทูเนี่ยแต่สําหรับพภาษาบุตรเนี่ยพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติตรงแล้วอันนี้คือความต่างท่านหนึ่งในฐานะพระศาสดาอีกท่านหนึ่งในฐานะพระสาวกพ ร, พระพุทธเจ้าแสดงฤทธิ์ได้แม้พภาษาบุตรก็แสดงฤทธิ์ได้ไม่ใช่ภาษาบุตรแสดงฤทธิ์ไม่ได้ หรือมีหูทิพย์เนี่ยนะทิพโสตธาตุพระสารีบุตรท่านก็มีหูทิพย์เนี่ยนะท่านก็มีทิพโสตธาตุเหมือนกัน mm hmm. พระผู้มีพระภาเจ้ารู้วาระจิตของสัตว์อื่นพระสารีบุตรก็รู้วาระจิตของสัตว์อื่นแต่พระสารีบุตรในฐานะสาวกเนี่ยนะในฐานะบุตรในฐานะลูกพระพุทธเจ้าในฐานะพระาศาสดาในฐานะครู ในฐานะภาษาเรียบบทก็เหมือนกับเสนาบดีเหมือนกับอํามาตย์ผู้ใหญ่พระพุทธเจ้าก็เหมือนกับพระราชานะนะแล้อยู่คนละฐานะพรฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสสิ่งใดออกไปภาษารียบตรเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งฉะนั้นในบรรดาผู้ที่พักดีต่อพระพุทธเจ้าพภาษารียบบทนี้ชื่อว่าเรียกว่าอันดับหนึ่งเหมนเถอะอันดับหนึ่งเนี่ยถ้าทําทุกอย่างเพื่อพระพุทธเจ้าพระษาเรียบบทชื่อว่าบุคคลอันดับหนึ่งฉะนั้พระองค์แนะนําให้ทําอย่างไร ท่านก็ทําอย่างนั้นเป็นไปตามพุทธประสงค์ทุกประการนอย่างในทศพลยานสิบเนี่ยนะยานที่เป็นกําลังของพระพุทธเจ้าภาษาดีบุตรก็มีหลายอย่างแต่ว่าไม่เทียมเท่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะภาษาดีบรท่านก็เป็นผู้มีปัญญา ม, มากพราะเนื่องจากว่าพระษาดีบรมีความสามารถพิเศษในตัวของท่านเนี่ยมากมายพระพุทธเจ้านั้นแสดงพระพุทธคุณอย่างกว้างขวาง แสดงกว้างขวางเท่าใดพระษาเรีบุตรก็รับได้ภาษาเรียบตรก็เข้าใจสิ่งเหล่านี้อย่างทะลุโปรป่ปปงและเอามาจําแนกแต่งตั้งเปิดเผยตามรายละเอียดตรงไหนที่นาคนาขยายภาษารียบบทก็สามารถเอามาขยายมันคำภีรใดพระสูตรใดที่พระษารียบตรแสดงพระสูตรเหล่านั้นจึงลึกซึ้งยิ่งนะักเนี่ยนะลึกซึ้งและก็กว้างขวางภาษารียบบทนั้นหยิบเอาพระสูตรที่พระพุทธเจ้าแสดงมาขยาย นะเป็นอย่างจุลนิเทศมหานิเทศเนื้อหานี่กว้างขวางสุขุมลุ่มลึกยิ่งนักปฏิสัมพิทานี่ก็ลุ่มลึกแม้กระทั่งคำพีพุทธวงศริยาปิฎกก็เกิดจากภาษารีบุตรถามหรือสูตรเหล่าใดที่มีภาษาลีบุตรอยู่ด้วยเกี่ยวข้องด้วยพระสูตรเหล่านั้นโดยมากเนื้อหาลึกซึ้งทั้งหมดเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะผู้ที่มีปัญญาลึกซึ้งผู้ที่มีปัญญาก็สนทนาเกี่ยวกับเรื่องปัญญาด้วยกันได้ ยังว่าผู้มีศรัทธาก็สามารถที่จะสนทนาเกี่ยวกับเรื่องของศรัทธากับผู้มีศรัทธาด้วยกันผู้ปรารกความเพียรก็สามารถที่จะสนทนาเกี่ยวกับเรื่องความเพียรด้วยกัน <Laure> ผู้มีสติตั้งมั่นก็สนทนาในเรื่องสติได้ดีผู้ที่มีสมาธิตั้งมัน่นมีจิตตั้งมั่นก็สามารถที่จะสนทนาเรื่องจิตตั้งมัน่นจิตเป็นสมาธิ ผู้มีปัญญามากมีปัญญากว้างขวางมีปัญญาลึกมีปัญญาไวมีปัญญาเร็วมีปัญญากว้างขวางดุดแผ่นดินผู้ที่มีปัญญาเช่นนี้ก็สามารถสนทนากับผู้มีปัญญาเพราะต่างฝ่ายมีด้วยกันและคำว่าพูดภาษาชาวเราเรียกว่าออกรสชาติว่างั้นเอพูดแล้วมีความสุขสนทนาแล้วก็สบายใจเพราะทุกคนก็จะมีความมีความรู้มีความเข้าใจสนทนาแล้วก็บันเทิงแต่ถ้าตรงกันข้าม คนไม่มีศรัทธาคุยกับคนมีศรัทธามันยุ่งมากเลยเนะี่ยปัญหาภาระมากคนเกียดคร้านสนทนากับคนปรารบความเพียรอันนี้ก็เดือดร้อนละคนหลงลืมกับคนมีสติคุยกันเนี่ยก็คุยกันไม่รู้เรื่องคนฟุ้งซ่านกับคนสงบก็คุยกันไม่รู้เรื่องคนโง่เขลากับคนมีปัญญาคุยแล้วไม่เข้าใจกันนั้นตรงกันข้ามไปหมดเลยนะแต่ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งพร้อมจะน้อมไปหาอีกฝ่ายหนึ่ง คนมีศรัทธาสนทนากับคนปรารบความเพียรก็พอได้นะครับว่าข้ามข้ามอินทรีย์กันเนี่ยพอได้แต่ถ้าอินทรีย์ฝ่ายตรงข้ามไม่ได้ยากนะเพราะฉะนั้นศรัทธาเนี่ยคนมีศรัทธานั้นควรสนทนากับผู้มีศรัทธาเป็นต้นนั้นในป่าโคสิงสารวันเนี่ยนะพระอาริยเจ้าทั้งหลายมีพระสารีบุตรเป็นต้นท่านก็อยากจะสนทนาด้วยกันอยากจะอยู่ ในป่าร่วมกันกับผู้ที่มีอัธยาศัยเช่นเดียวกันกับท่านเพราะฉผู้ที่ศึกษาพระพุทธคุณทั้งหลายเนี่ยนะก็ก็ต้องเป็นคนที่ ฝ, กฝักใฝ่หรือว่ามีศรัทธาในคุณของพระพุทธเจ้าอยากจะรู้คุณของพระพุทธเจ้ามีศรัทธาที่จะรู้คุณของพระพุทธเจ้าเข้าใจพระพุทธคุณเท่าใดก็เพิ่มก็ดีใจเข้าใจเพิ่มแม้เล็กน้อยก็ดีใจ ถ้าเข้าใจเพิ่มอย่างกว้างขวางเปรียบมาณเท่าใดก็ยิ่งดีใจยิ่งๆิ่งขึ้นไปลักษณะนี้เป็นลักษณะของผู้มีศรัทธาพันลักษณะของผู้ที่มีศรัทธาตั้งมั่นนั้นปรารถนาที่จะได้ฟังพระพุทธคุณทั้งหลายที่ยังไม่ได้ฟังพระพุทธคุณเหล่าใดที่ได้ฟังม า, atención, มาแล้วก็อยากจะฟังให้ฟังบ่อยก็ได้ฟังซ้ําก็ไม่เป็นไรหรือว่าที่เข้าใจอยู่แล้วก็ปรารถนาที่จะให้เข้าใจอย่างยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างกว้างขวางจนหาที่สุดไม่ได้ เพราะอะไรเพราะมีอนุภาพของศรัทธามีความผ่องใสเรียกว่าฟังแล้วก็สบายใจฟังแล้วก็มีความสุขฟังแล้วก็ไม่อึดอัดฟังแล้วก็ไม่เครียดเนี่ยนะนะฟังแล้วก็ยอมรับว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบุญเพราะชําระสันดานของตนให้สะอาดนํามาซึ่งผลที่น่าปรารถนาเป็นกุศลเพราะไม่มีโทษให้ผลเป็นสุขทั้งในปัจจุบันและอนาคตต่อไปแล้วก็เห็นได้ว่ากุศลศรัทธาที่ประดิสฐานตั้งมั่นใน พระพุทธเจ้านั้นศรัทธาเหล่านี้ช่วยให้พ้นอบายทุคติวินิบัตนรกได้ถ้ายิ่งศรัทธาเท่าใดศรัทธา น, นั้นก็เป็นอาจาัจฉริศรัทธาอาจาัจฉริศรัทธานี่แหละเป็นศรัทธาที่มั่นคงเมื่อศรัทธาที่มั่นคงเช่นนี้ไปอีกกี่ภพกี่ชาติก็จะไม่เปลี่ยนจากการนับถือพระศาสดาเนี่ยนะไปอยู่หน้าแห่งหนตําบลใดเกิดณที่ใดแม้กระทั่งไปอยู่กับกลุ่มนายพรานเป็นต้นก็ไม่เปลี่ยนจาก ความเป็นผู้มีศรัทธาเพราะว่าศรัทธาอันนั้นได้สมาทานอธิษฐานปฏิสถานอย่างตั้งมั่นดีแล้วแต่ว่าศรัทธาที่ตั้งมั่นดีแล้วนั้นจะต้องมีปัญญาผู้ที่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าดีมั่นคงก็จะต้องพยายามที่จะศึกษาพระพุทธคุณรวบรวมพระพุทธคุณตามที่ต่างๆมาอ่านบ่อยๆฟังบ่อยๆกําหนดจดจําบ่อยๆทําอะไรก็จะได้นึกถึงพระพุทธเจ้าได้บ่อยๆ การนึกถึงระลึกถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆเรียกว่าอนุสตินะนะระลึกได้บ่อยๆตามระลึกเนืองๆระลึกเป็นปกตินี่นะระลึกเท่ากับอะไรเหมือนเราชอบอะไรเราก็ระลึกถึงสิ่งนั้นคิดถึงสิ่งนั้นบ่อยๆเราเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเราก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้บ่อยๆยิ่งระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้บ่อยเท่าใดนะนะกุศลธรรมของเราก็จะเจริญมากขึ้นเท่านั้น เพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์เป็นบ่อเกิดแห่งอริยคุณพระองค์นี้เป็นบ่อเกิดของศีลพระองค์เป็นบ่อเกิดของสมาธิพระองค pues ์งเป็นบ่อเกิดของปัญญาพระองค์นั้นเป็นบ่อเกิดของอริยคุณต่างๆนะเป็นบ่อเกิดแห่งคุณธรรมงนั้นถ้าเราเระลึกถึงพระองค์บ่อยๆคุณธรรมของเราทั้งหลายก็เพิ่มพูนยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่ถ้าหากว่าไม่ระลึกถึงพระองค์คุณธรรมทั้งหลายก็ลดน้อยถอยลงไปคือพระองค์นั้นเป็น เป็นบุคคลที่ช่วยสัตว์ทั้งหลายเนี่ยได้อย่างแท้จริงอย่างที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะพระพุทธคุณที่ฟังมาเนี่ยอันนี้ก็ช่วยเสริมสัตหิสีของเราให้มั่นคงเนี่ยนะเพราะว่าศรัทธาเนี่ยศนระัทธาเนี่ยถ้ามองต้นไม้คือศรัทธาสัตว์ต้นไม้อันนี้ให้มีความมั่นคงที่สุดทำว่าทำอย่างไรก็ต้องทำรากให้แกศรัทธาให้มากเสริมรากให้แกศรัทธารากของศรัทธาก็คือปัญญา ปัญญานั้นคืออโมหมูลเนี่ยนะสร้างรากคืออะโมหมูลคือสัมมาทิฏฐิความรู้ความเข้าใจในพระพุทธคุณต่างๆให้เพียงพอพันต้นคือศรัท ธ, ธาก็จะเจริญงอกงามผลดดอกออกผล น, นะผลดดอ ก, ด อ, กออกผลเป็นมักเป็นผลเป็นสามัญญผลทั้งหลายอันก็ปลูกต้นศรัท ธ, ธานี่แหละที่จ ะ, ะนามาซึ่งประโยชน์และความสุขแล้วก็คนที่มีศรัท ธ, ธาเนี่ยนะ เป็นคนที่ไม่ทุกข์เป็นคนที่ไม่ลําบากทางทางใจเลยแล้วก็คนที่มีศรัทธาก็จะไม่รู้สึกว่าเปล่าเปลี่ยวอีกต่อไปเนี่ยนะไปที่ไหนก็เหมือนกับอยู่กับพระพุทธเจ้าทุกคนทุกแห่งเนี่ยนะเวลาเดินทางก็เหมือนกับเดินทางกับพระพุทธเจ้าเพราะคิดถึงแต่พระพุทธเจ้าก็เหมือนกับอยู่กับพระพุทธเจ้าก็อยู่จริงๆแหละเพราะคนที่อยู่ใกล้ทางร่างกายพระ อ, องค์ไม่ได้ยอมรับอะไรถ้าไม่อยู่ใกล้กันโดยจิตใจและโดย คุณธรรมเพราถ้าเราปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็อยู่ใกล้เราเพออาราะอรหังอรหันเนี่ยนะมีความหมายว่าอยู่ใกล้ต่อคนที่ดีทั้งหลายคนที่มีอัธยาศัยดีพระอระหันต์อยู่ใกล้คนมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีวิมุตติวิมุตติยาณทัศนะมีะสังวรวินัยมีปหานวิไนมีการละราคโทสะและโมหะเป็นต้นพระอระหันต์ทั้งหลายท่านอยู่ใกล้กับบุคคล เช่นนั้นถึงจะห่างกันนางร่างกายร้อยยอดพันยอดก็ตามแต่จิตใจของท่านไม่ห่างกันเพราะท่านคิดในสิ่งเดียวกันเมื่อคิดในสิ่งเดียวกันร่างกายจะอยู่ไกลก็ไกลพันคนที่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระพุทธคุณเนี่ยนะร่างกายจะอยู่ห่างก็จรงิงแต่ใจก็สัมผัสกับพระพุทธคุณทุกทกชวนะไปเนี่ยนะ ผลบุญกุศลที่เกิดขึ้นในขณะที่ระลึกถึงพุทธคุณนั้นเป็นกุศลที่มีค่าหาประมาณไม่ได้อันที่สําคัญที่สุดในยนะอย่างชีวิตของเราเนี่ยขณะไหนหนอเป็นขณะที่มีมีค่ามากชีวิตเนี่ยนะเป็นชีวิตที่มันมีรัตนะบ้างในท่ามกลางผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นที่เปื่อยเน่าในท่ามกลางความคิดที่เป็นไปกับราคะโทสะโมหะเป็นต้นความคิดในขณะใดมันพอจะมีค่าบ้าง เพราะขณะที่มีศรัทธานี่แหละเป็นขณะแห่งชีวิตที่มีค่ามีคุณค่ามีคุณธรรมนั่นนะขณะที่จิตมีคุณธรรมขณะนั้นแหละเป็นขณะที่มีค่าแล้วก็มีราคาเนี่ยนะขณะที่ปรารบศีลขณะนั้นแหละเป็นขณะที่มีคุณค่าขณะที่มีฮิริโอตตะขณะนั้นแหละขณะที่มีคุณค่าขณะที่มีสุตะเป็นไปกับคำสอนชีวิตของเราขณะนั้นน่ยเป็นขณะมีคุณค่าขณะ จิตที่เสียสละออกไปจิตเหล่านั้นแหละมีคุณค่าจิตที่ประกอบด้วยปัญญาจิตที่ประกอบด้วยสติปัะฐานเป็นต้นจิตเหล่านี้นี่แหละที่เป็นจิตมีคุณค่ามีราคาแต่อย่างอื่นแล้วไม่ได้มีค่าอย่างแท้จริงผมของเราทั้งหลายอยู่ในกายเนี่ยนะยจ้างเขาตัดนะต้องตั้งเขาตัดฟันที่มันอยู่ในปากก็จ้างเขาถอน ปัญหาทุกอย่างเนี่ยนะมันต้องจ้างออกหมดเสียเงินเสียทองยิ่งผ่าเอาตับเอาไตาเอาไสา้เอาปอดออกยิ่งราคาสูงมากโดยที่สุดเผาก็ยังต้องจ้างเผาเลยมันเพราะฉะนั้นทุกเรื่องในจ้างหมดอะนะเข้าห้องนะครับก็เสียค่ามันจะหายหมดแต่บางั้นเนี่ยมันไม่ได้มีค่าอะไรจริงๆรหรอกเนี่ยแต่เราก็สําคัญหมายว่าเออเนี่ยมีค่าเนี่ยนะแต่ว่าอันนี้ด้วยความยึดถือด้วยความเมาด้วยความ วิปปลาาเท่านั้นเองแต่แต่แตว่าไอ้ส่วนที่เป็นจริงที่มีคุณค่าจริงๆก็คือขณะที่มีคุณธรรมและเป็นคุณธรรมที่นำออกจากทุกอันนั้นจึงเป็นจะเป็นสิ่งที่มีค่ามีราคาที่สูงสุดมันเราฟังพุทธคุณเท่าใดเพื่อจะเสริมคุณค่าให้แก่ใจของเราเนี่ยนะเพราะว่าสัตทินรีเนี่ยนะที่เจริญแล้วเจริญให้มากแล้วกระทาให้มากแล้วอัน น, นย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มาก วิริยะที่เจริญแล้วทําให้มากแล้วเนี่ยนะวิริยะวิริยินทรีย์เหล่านี้ทําให้มากแล้วก็ย่อมมีผลมากมีอ น, นิสงฆ์มากทํายังไงสัตทินทรีย์ของเราเนี่ยจะมีผลมากมีอ น, นิสงฆ์มากในบรรดาผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะปุถุชนทั้งหลายเนี่ยสิ่งที่ควรใฝ่ฝันไขว่ควา้าในเบื้องต้นเนี่ยคือโสตาปฏิยคงะธรรมเท่านั้นะนะไอ้ส่วนเรื่องอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องเรียกว่า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 ให้เกิดในใจของตนที่เราเรียกว่าโอปะนัยโกเนี่ยนะน้อมเข้ามาใส่ตัวก็คือน้อมให้มันเกิดขึ้นในจิตของตนเนี่ยทํายังไงอริยะคุณคือศีลจะเกิดขึ้นในจิตของตนและเกิดบ่อยๆเนี่ยนะเกิดบ่อยๆเกิดจนมั่นใจว่างั้นเลยเกิดจนมั่นใจตอนแรกนี่ยเกิดจนมั่นใจตอนหลังเกิดจนใจอมั่นคุณธรรมเหล่านี้มาทําให้จิตใจเนี่ยมั่นคงไม่ง่อนเง่นไม่คลอนแคลนแต่ก็ไม่ง้อเขา่าเนี่ยนะ ไม่โคตร ข, ข่าวเพราะว่าประกอบไปด้วยปัญญาอันเจริญศรัทธาเหล่านี้นี่แหล ะ, ะเป็นเหตุ น, นะที่เรียกว่าจเจริญอาศัยวิเวกอาศัยวิรากะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละบันเรารู้พุทธคุณหนึ่งบทก็เป็นบุญเป็นกุศลหนึ่งครั้งของเราที่จะนําไปสู่วิวัตะนําไปสู่การตรัสรู้ศรัทธาที่มั่นคงในพระพุทธเจ้ากี่คำํำความเข้าใจในพระพุทธคุณมากเท่าใด ทุกๆความคิดที่เข้าใจในพระพุทธคุณเนี่ยน้อมไปเพื่อการตรัสรู้ธรรมเป็นที่พ้นทุกเนี่ยนะเพราะนักเรียกว่าขณะที่กุศลจิตเกิดขึ้นนะถ้าพูดแบบคนโบราณหน่อยเขาบอกว่ า, วาแม้เกิดทีละบาต ท, ทีละสตังก็เก็บเก็บนักเรียกว่าเก็บกุศลธรรมที่เกิดขึ้นก็ฉันนั้นแต่จริงๆไม่ได้มีค่าเป็นบาทเป็นสตางหรอกศรัทธาเป็นต้นสติเป็นต้นคุณธรรมเหล่านี้ที่มีพระพุทธคุณเป็นอารมณ์เนี่ย ยอมว่ามีราคาเท่าไรถามว่าถ้าไม่ตกนรกเนี่ยต้องซื้อเท่าไหร่จริงจะไม่ตกนรกะนะพันธีเป็นมหาพูดไม่ได้เพราะว่าเป็นคุณธรรมที่ทำให้ปิดอบายทุคติวินิบาตและนรกเนี่ยนะเพราะ้นเราจะทำยังไงให้ศรัทธาของเราเนี่ยเกิดได้บ่อยให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดที่เราจะต้องใส่ใจทนุถนอมบำรุงและรักษาหาเหตุห า, หหาปัใจจัยมาส่งเสริม ให้ทําอะไรก็ให้เวทล้อมไปด้วยศรัทธาเพราะเราเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันเพราะฉะนั้นสัตหินรีนั้นจะบริบูรณ์ผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันนั้นสัตทินซีบริบูรณ์ศรัทธานั้นบริบูรณ์ถึงขนาดเป็นอจลศรัทธาเป็นอจลศรัทธาเป็นศรัทธาที่มั่นคงไม่หวนไไวในความไม่มีศรัทธาเนั้นคนไม่มีศรัทธาเป็นร้อยคนพันคนมาพูดยังไงให้เปลี่ยนศรัทธาก็ไม่เปลี่ยน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 มั่นคงแล้วเห็นอริยสัจแล้วสัจทินรียเขาเจริญจนเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วแล้วก็ผู้ที่มีสัจทินรียอย่างนี้เนี่ยเป็นเครื่องรับรองศรัทธาที่อยู่ในใจของเขานี่แหละเป็นตัวรับรองว่าเขาไม่ไปสู่อบายทุคติวินิบาตและนรกคือเขาเห็นปริมาณของศรัทธาที่เกิดบ่อยเกิดมากเป็นศรัทธาที่มีคุณภาพสูงความที่เห็นศรัทธาที่เกิดบ่อยเกิดมากมีคุณภาพสูงนี่แหละ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 นั่นแหละโทสะอ่านะไม่ใช่ความรู้ที่พึงประสงค์ในในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเราอยากให้ให้เจริญเนี่ยนะ ถ, ถ้าโดยส่วนตัวจริงๆเขามาไม่อยากเสื่อมจากเรื่องของพระพุทธคุณพระธรรมคุณและสังฆคุณเป็นต้นจะพูดยังไงก็ได้ให้เราไม่เสื่อมเพราะฉะนั้นจะเลือกเอาวิชาที่เป็นไปที่ไม่เสื่อมศรัทธาในาพระัตนตรยัยวิธีที่จะทําให้เราไม่เสื่อมศรัทธาในาพระัตนตรยัยเอาคุณพระัตนตรัยเนี่ยมาพูดให้มากที่สุดเท่าที่จะมากด้วย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 เหมือนกับว่าถ้าเป็นคนชราที่ตัดอาหารแล้วฉันใดมันก็แปลว่าอะไรถ้าสมมติว่าอาหารก็ไม่รับและน้ําก็ไม่รับและอาหารก็ไม่รับและฉันใดผู้ที่ขาดศรัทธานในพระธรรมตรายวันไหนวันที่หมดศรัทธานในพระธรรมตรายวันนั้นก็เรียกว่ามีอบายเป็นเบื้องหน้าแล้วเนี่ยนะหมันความว่าถ้าเป็นรถเนี่ยก็เริ่มวิ่งลงเหวแล้วเนี่ยนะกําลังจะตกเหวแล้วไม่รู้ระเบิดอีกกี่ตลบก็ไม่ทราบเพราะอะไรเพราะหมดศรัทธาใน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 โอ้โหเรื่อมสเลยใช่ไหมผ่องใสสบายใจมีความสุขคําที่ดีที่สุดในโลกประเสริฐที่สุดในโลกบุคคลที่เยี่ยมที่สุดในโลกอัครทักคินยบุคคลของโลกพร้อมทั้งเทวโลกนี่แหละคือผู้เปิดประตูเพื่อความพ้นทุกข์นี่แหละคือผู้ประกาศอมะตะธรรมถ้าเลื่อมสยอย่างไ้ก็เอาเชื่อได้เยอะแล้วนะอย่างที่สองเองแล้วพระองค์มีอิทธิวิธีพระองค์นั้นแสดงฤทธิ์ได้นะพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าแสดงฤทธิ์ไม่ได้พระองค์มีฤทธิ์นะ และอย่างอื่นอีกพระองค์มีอะไรพระองค์นั้นมีหูทิพย์มีเจโตเปรียญานมีทศพลายานพระองค์รู้ฐานะอัานะพระองค์รู้วิบากของกรรมสมาทานทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันรู้ปฏิปทาที่จะทําให้สัตว์ไปสู่ภูมิทั้งปวงพระองค์รู้ว่าโลกธาตุเนี่ยมีธาตุเป็นอเนกพระองค์ได้รู้อธิมุตตต่างๆของสัตว์พระองค์ไนี่รู้ บุคคลเนี่ยมีอินทรีย์ที่หย่อนยิ่งแตกต่างกันรู้ความเศร้าหมองผ่องแผ้วของฌานมิโมกสมาธิสมาบัติพระองค์ระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากพระองค์เห็นสัตว์ที่กําลังจุติอุบัติพระองค์เนี่ยทำอาสวะให้สิน้นและที่กําลังจะกล่าวต่อไปก็คือพ ร, รอนะองค์มีเวสารัชยานนะมีเวสารัชยานแล้วก็มียานย่างอื่นๆ อ, อ, อีกที่จะกล่าวต่อไปถ้าในสำปัสสถานิยสูหรือในที่อื่นๆเนี่ยก็มีพยานอีกเยอะแยะไปหมดเลย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 พระ อ, องค์เนี่ยมียานที่เป็นนะยานที่เป็นอินทรีห้าเนี่ยยานที่เป็นไปในอินทรีห้ายานที่รู้ทางแห่งกําเนิดห้าคติห้านะพระองค์มีอาสาธารณายานหกพระ อ, องค์มียานในพรอชองเจดพระ อ, องค์มียานในอริยมรรคมีองค์แปดพระ อ, องค์มียานในอนุปปภะวิหารสมาบัติก้าพระองค์มียานในทศพลายานสิบ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 ไม่ใช่ดวงเดียวเนี่ยนะส่องไปตรงไหนก็สว่างสวไปหมดไม่มีติดขัดขัดข้องเลยนะนี่มาดูเวสาลัชทะเวสารัชยานเวสาลัชยานหรือเวสารัชธรรมธรรมที่ทําให้พระองค์ถึงความเกล้ากลา้าเนี่ยนะแต่ว่าสุนัขตาฤชวีบุตรก็ไม่รู้ว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยเวสารัชธรรมเนี่ยนะพระองค์ผู้มีคุณธรรมเช่นนี้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 ในข้อหนึ่งร้อหสิเจ็ดหน้าสิบสี่สิบสี่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนสารีบุตรแตถาคตประกอบด้วยเวสารชธรรมธรรมที่ทําให้พระองค์นั้นถึงความแกล้วกล้าเวสารชชธรรมใดนั่นแหละที่พระองค์อาศัยแล้วจึงปฏิญาณฐานะผู้เป็นโจกพระองค์นี้อาศัยเวสารชายานหรือเวสารชธรรมสี่นี่แหละทําให้พระองค์ปฏิญาณฐานะแห่งผู้นํา องบาลือสีหานาตในบริษัททั้งแปดบริษัทแปดขวามือเดี๋ยวจะกล่าวต่อไปบาลือสีหานาตบาลืออย่างไม่หวั่นไหวและครั่นครามประกาศพรหมจักรหรือพระธรรมจักรให้เป็นไปทั้งโดยปฏิเวทยานและเทศนายานเวสารัชธรรมของตถาคตสี่ประการเหล่านีมีสี่ประการเหล่านี้สี่ประการเป็นไงก็แรกสัมมาสัมพุทธปฏิญญา ดูก่อนสารีบุตรเราไม่เห็นเหตุนี้ว่าสมณะพราหมณ์เทวดามารพรมหรือใครๆในโลกที่จับทักท้วงเราโดยสหธรรมโดยถูกต้องในข้อว่าอพระองค์เนี่ยปฏิญาณตนว่าเป็นสัมมาสัมพุทธธรรมะเหล่านี้ท่านยังไม่ได้ตรัสรู้แล้วดังนี้คือพระพุทธเจ้าปฏิญาณตนว่าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมแต่ไม่มีปราชญ์บัณฑิตที่ไหนไปโจทย์พระองค์ว่าพระองค์ยังไม่รู้ มีบางอย่างที่พระพุทธเจ้าไม่รู้รอกอะไรดูก่อนสารีบทเมื่อไม่เห็นเหตุนี้เราก็ถึงความเป็นผู้ปลอดภัยไม่มีภัยถึงความเป็นผู้แ ก, กล้าอยู่ปลอดภัยก็แปลว่าปราศจากความกลัวไม่มีอะไรน่า ก, กลัวสำหรับพระองค์พระองค์ไม่มีความกลัวพันพระองค์จึงถึงความแ ก, กล้าหมายถึงปัญญาที่ประกอบร่วมกับโสมนัส แกล้าตัวนั้นแปลว่าปัญญาที่ประกอบกับสรงมนต์อยู่ด้วยความดีใจอยู่ด้วยความปราบปลื้มใจไม่ใช่อยู่ด้วยความผลพองสยองกล้าวอยู่แบบคนที่คือคนที่มีอานาจสูงสุดเนี่ยจะเข้าใจคานี้คาว่าอยู่แบบมั่นคงสงา่าพาเผยไม่ต้องขึ้นขึ้ น, นลงล ง, ลงคือเป็นผู้ที่เข้าถึงอำนาจที่สูงสุดแล้วนะเป็นผู้ที่มีความรู้ที่สูงสุดแล้วเนี่ย พันถามว่ามีอะไรต้องขั้นครามไหมมีอะไรที่จะต้องหวั่นไหวไหมมีอะไรที่จะต้องลังเลใจบ้างไหมไม่มีเพราะไม่มีใครโจดได้เลยแม้แต่คนเดียวโจดถูกต้องนะเวนสุนัข่าตา่างฤชชวีเนี่ยเอาเป็นประมาณไม่ได้เพราะว่าเป็นโมฆะบุรุษเปล่าเป็นคนมั ก, กโกรธขี้กโกรธแล้วก็ผูกเวนเนี่ยนะเอาเอาคนประเภทนี้เป็นประมาณไม่ได้แต่บัณฑิตทั้งหลายมีภาษารีบุตรพระเท้าส ก, กะเท้ามหาพรมเป็นต้น แม้แต่พยาามานยังยอมรับพยามานไม่เคยปฏิเสธเลยนะว่าพระพุทธเจ้าไม่รู้ไม่ใช่สัพพันยูไม่รู้จริงเนี่ยนะมานไม่เคยปฏิเสธเลยมานก็พยายามจะทดลองโดยวิธีการต่างๆแต่ก็ไม่สำเร็จมันมานนี่รู้ว่าพระองค์นี้เป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงเนี่ยนะพระองค์เป็นผู้รู้ดีรู้รู้ชอบรู้จริงๆเลยแหละเพราะนั้นพยามานยังไม่คัดค้านน เท ว, วดามารพรมเป็นต้นไม่คัดค้านเลยและเท ว, วดามารพรมก็ไม่มีใครสามารถพูดได้ตามเป็นจริงว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้ามีหลายเรื่องที่ท่านยังไม่รู้อุย้ยท่านยังเด็กอยู่นักแลมีตั้งหลายอย่างที่ท่านไม่เข้าใจว่างไงนะนะีมีตั้งหลายอย่างที่ยังไม่รู้บอกไม่ไม่มีใครกล้าพูดเช่นนั้นกับพระพุทธเจ้าเว้นไว้แต่คนเมาอะนะเว้นไว้แต่เมาด้วยโทสะเป็นต้นเนี่ย ที่พูดอันนะัอาจจะมีแต่ว่าคนที่มีสติสัมปชัญญะสมณะพราหมณ์ที่เป็นวินยูชนเนี่ย น, นะทั้งที่เป็นสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหรือใครใในโลกมาทักทวงไม่ได้เลยเมื่อไม่มีใครสามารถที่จะทักทวงได้อย่างนี้เนี่ยนะเก่งขนาดนี้ถามว่าจะอยู่อย่างน้อยเลยใช่ไหมแบบนกกระเรียนแก่ที่เรียกว่าหมดปลาหมดน้ําหมดจ้องไปไหนไม่ได้ง่อยไม่บอกไม่ใช่ นะนะแต่ว่าเต็มไปด้วยความปราบรืมปีติและโสมนัสเนี่ยนะเ mm hmm. ขาต่อไปอีกดูก่อนสารีบุตรเราไม่เห็นเหตุนี้ว่าสมณะพรามเทวดามารพรหรือใครๆในโลกที่จักทักท้วงเราโดยสหธรรมโดยถูกต้องตามธรรมในข้อนี้ว่าท่านปฏิญาณตนว่าเป็นพระขีณาสพอาสวะเหล่านี้ของท่านยังไม่สิ้นไป มันก็ว่าพุทธบอกว่าเนี่ยพระองค์ปฏิญาณว่าเป็นพระอรหันต์ผู้สิ้นกามาสวะภวาสวะทิฐาสวะอวิชชาสวะแล้วแต่นี่สิท่านยังมีกามาสวะนี่ท่านยังเหลือกามาสวะนะท่านยังเหลือภวาสวะทิฐาสวะยังเหลืออวิชชาสวะยังเหลืออาสวะที่นําไปสู่อบายทุกติวินิบาตนรกยังเหลืออาสวะที่นําไปสู่พบภูมิต่างๆไม่มีใครทักท้วงอย่างนี้ได้จริง เพราะพระองค์สิ้นอาสวะแล้วอย่างแท้จริงอาสวะเครื่องหมักห ม, มมคือกามพระองค์ถ่ายถอนได้แล้วจริงเครื่องหมักหม ม, มมคืออนะพบเครื่องหมักหม ม, มมคือทิฏฐิและอวิชชาเครื่องหมักดองเหล่านั้นพระองค์ถอนได้หมดสิ้นอย่างสิ้นเชิงมันจึงไม่มีผู้ใดที่จับทักท้วงโดยธรรม ว่ากล่าวตัวเองขีนาสวะขีนาศพเนี่ยนะนะแปลว่าผู้สิ้นอาสวะแล้วเข้าถึงภาวะของผู้สิ้นอาสวะคือเข้าถึงอรหัตผลบอกอยงังเนี่ยนะยังมีกิจที่ยังต้องทําอย่างอื่นอีกเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีใครโจดท้วงแบบนี้ไม่เห็นเหตุแบบนี้เนี่ยนะเราก็ถึงความเป็นผู้ปลอดภยัยไร้ภยัยไม่ต้องหวาดภาวะไม่ต้องคลั่นคร้ามเป็นผู้ที่ไม่มีภยัย นะไม่หว่านเกรงไม่หวัดสะดุง้งถึงความเป็นผู้กแลกล้าอยู่ด้วยปัญญาที่ประกอบไปด้วยโสมนัสคิดดูนะวันในบรรดาคนที่มีความสุขใครจะมีความสุขเท่ากับพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีความสุขอย่างสูงสุดสิ่งที่ไม่รู้ไม่มีกิเลสในใจก็ไม่มีรู้ทุกอย่างแล้วไม่ป่วยทางความคิดด้วยเนี่ยนะบางคนเนี่ยรู้มากแต่เครียดยังไงก็มันก็ใช้ไม่ได้ใช่ไหมอันนี้พระองค์ไม่ใช่บุคคลกลุ่มนั้น ดูก่อนสาริบุตรเราไม่เห็นเหตุนี้ว่าสมณะพราหมณ์เทวดามารพรมหรือใครๆในลูกที่จัดทักท้วงเราโดยสหธรรมในข้อว่าท่านกล่าวทําใดว่าทําอันตรายทำเหล่านั้นไม่อาจทําอันตรายแก่ผู้เสพได้จริงดังนี้ดูก่อนสาริบุตรเมื่อไม่เห็นเหตุนี้เราก็เป็นผู้ถึงความปลอดภัยถึงความไม่มีภัยถึงความเป็นผู้กแกล้งอยู่ คือหมายความว่าอาบัตเจ็ดกองเนี่ยนะตั้งกับประราชิกเป็นต้นเนี่ยอาบัตทุกกองที่ล่วงละเมิดแล้วเนี่ยเป็นอันตรายกรรมเป็นธรรมที่ขัดขวางต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานอย่างที่กล่าวในหัวข้อของปาติโมกว่าถ้าหากว่าผู้ใดมีอาบัตที่ติดตัวอยู่ ไม่เปิดเผยอาบัติที่มีอยู่สัมปชานมุสาวาททุกกฎย่อมมีแก่เธอถ้าทั้งหลายสัมปชานมุสาวาททุกกฎแลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นธรรมธรรมอันตรายก็แปลว่าเป็นธรรมที่เป็นอันตรายต่อฌานอภินยามรักผลโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นพระองค์สอนว่าอะไรเป็นอันตรายสิ่งนั้นก็เป็นอันตรายจริงขัดขวางต่อการบรรลุมักผลจริง เปนอย่างการละเมิดการผิดธรรมวินัยเนี่ยถือว่าเป็นอันตรายต่อการบรรลุมรรคผลอันตรายแปลว่ามาในระหว่างสร้างแต่ความเสียหายหมายคว่าดําเนินไปสู่ในทิศทางที่ปลอดภยัยคําว่ามีอันตรายละ่ะก็มาในระหว่างทําให้ไม่ถึงเป้าหมายไม่ถึงจุดหมายเนี่ยนะเสียหายในระหว่างทางเลยเรียกว่าอันตรายพพระองค์บอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอันตรายอะไรก็ตามที่พระองค์บอกว่าเป็นอันตรายสิ่งนั้นเป็นอันตรายแก่ ผู้ผู้ที่ใช้ชีวิตแบบนั้นจริงๆมันเป็นอันตรายจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วพระองค์ที่พระองค์ตรัสเนี่ยนะไม่มีใครกล้าทักท้วงออกมาปฏิเสธเลยบอกว่านี้ไม่ใช่นะมันไม่อันตรายหรอกนะทําไปเถอะไม่ผิดไม่เสียไม่หายเป็นต้นเนี่ยนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเสียหายเนี่ยนะซึ่งอาจจะมีคนผ่านบางคนแต่คนเหล่านั้นเอาเป็นประมาณไม่ได้ตรงนี้เขาถือว่าทักท้วงโดยสหธรรม โดยสหธรรมแปลว่าโดยชอบโดยถูกต้องตามตามธรรมเนี่ยนะเมื่อพระองค์ไม่เห็นเหตุนี้พระองค์จึงถึงเป็นผู้ความปลอดภัยถึงความไม่มีภัยถึงความเป็นผู้อยู่ด้วยความก ล, ออกล้าดูก่อนสาเรบุตรเราไม่เห็นเหตุนี้ว่าสมณะพราหมณ์เทวดา ม, มารพรหมหรือใครใครในโลกที่จักทักท้วงเราโดยสหธรรมในข้อว่า ท่านแสดงธรรมะเพื่อประโยชน์อย่างใดนะเพื่อประโยชน์อย่างใดคือเพื่อบรรลุมรรผลนิพพานเนี่ยนะประโยชน์อย่างนั้นไม่เป็นทางสิ้นทุกข์โดยชอบแก่คนผู้ทําตามคือพระองค์แสดงแสดงอะไรแสดงโพธิปักจยธรรมสาิบเประการเพื่อประโยชน์แก่พระนิพพานไม่มีใครมาโจด ท, ท่วงได้เลยว่าผู้ปฏิบัติโพธิปักขยธรรมสามสิบเประการบริบูรณ์แล้วบรรลุมรรผลนิพพานไม่ได้ทําที่สุดแห่งวัตทุก์ไม่ได้ ไม่เคยมีใครออกมาทักท่วงเลยออกมาคัดค้านเลยดูก่อนสาริบุตรเมื่อไม่เห็นเหตุ น, นี้เราก็เป็นผู้ถึงความปลอดภัยถึงความไม่มีภัยถึงความเป็นผู้ก ล, กล้าอยู่อันนี้ทำให้โครงถึงความก ล, วกล้าดูก่อนสาริบุตร ตถาคตประกอบด้วยเวสารัชธรรมเหล่าใดซึ่งปฏิญาณฐานะของผู้เป็นโจรบาลือศีหนาในบริษัทยังพรหมจักรให้เป็นไปเวสารัชธรรมของตถาคตสี่ประการเหล่านี้แลดูก่อนสารีบุรผู้ใดเลพึงว่าซึ่งเราผู้รู้อยู่อย่างนี้ผู้เห็นอยู่อย่างนี้กล่าวว่ารู้ด้วยเวสารัชญาณเนี่ยนะเห็นด้วยเวสารัชญาณเหล่านี้อย่างนี้ กลับมาบอกว่ายานธรรมะอันยิ่งของมนุษย์ที่เป็นยานทัศนาอันวิเศษพอแก่ความเป็นอริยะของพระสมณะโคดมไม่มีพระสมณะโคดมทรงสแสดงธรรมที่ประมวลมาด้วยความตรึกที่ไตรตรองด้วยการค้นคิดเจ่มแจ้งได้เองดูก่อนสารีบุตรผู้นั้นไม่ละวาจานั้นเสียไม่ละความคิดนั้นเสียไม่ละคืนความคิดหรือความเห็นนั้นเสียทิฏฐินนะ ถ้าไม่เลิกพูดไม่เลิกคิดถ้าไม่เปลี่ยนความเห็นไม่เปลี่ยนทัศนคติอันนี้นะก็เที่ยงแท้ที่จะตกนรกนะดูก่อนสารีบทเปรียบเหมือนภิกษุถึงพี่ถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยสมาธิถึงพร้อมด้วยปัญญาพึงกระยิมอรหัตผล ก็ยิมหมายค่ะว่าแน่นอนว่าบรรลุอรหัตผลในปัจจุบันทีเดียวฉันใดดูก่อนสารีบุตรข้อเรากล่าวข้ออุปมายนี้ก็ฉันนั้นเพราะถ้าผู้นั้นไม่ละวาจาคือคําพูดนั้นเสียไม่ละความคิดคือไม่เลิกคิดอย่างนั้นเสียไม่สละคืนทิฏฐิไม่สละทัศนคติไม่เปลี่ยนความเห็นอั น, นั้นเสียเที่ยงแท้ที่จะตกนรกเนี่ยนะซึ่งซึ่งสมัยใหม่เนี่ยเราก็ได้ยินกันบ่อยๆอ อ, ออกมาปฏิเสธเรื่องของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมีบาง บางขัน้นจ้างนักวิจัยคณะหนึ่งให้ไปวิจัยบอกว่าเพื่อจะได้บอกว่าพระพุทธเจ้าไม่มีจริงพระพุทธเจ้าคือบุคคลที่ไม่มีอยู่จริงสถาบันใหญ่สถาบันหนึ่งจ้างไปเลยจ้างคณะนักวิชาการนะี่ยนะจริงอยู่ว่าพวกไอต้ตำรับตำราข้อเขียนเหล่านี้วันนี้ไม่มีผลแต่งานวิจัยเหล่านี้ก็ยังคงอยู่ต่อไปก็ เปิดประตูอาบายให้คนยุบหลังๆเนี่ยเต้ไปหมดด้วยนะประตูอาบายอันนี้จริงอยู่ว่ายังไม่ไขกุญแจเปิดออกเนี่ยนะเดี๋ยวต่อไปคนก็จะมาค่อยๆช่วยกันเปิดปฏิเสธพระพุทธคุณทั้งหลายปฏิเสธว่าพระพุทธเจ้าไม่มีอยู่จริงบุคคลผู้มีพระคุณเช่นนี้เป็นต้นไม่มีอยู่จริงก็แปลว่าคนตาบอดเนี่ยนะเกิดมาตาบอดใครที่จะมาส่องแสงสว่างเนี่ยก็ก็ส่องสว่างบอกว่าเออไม่มีหรอก ตัวเองเกิดมาเป็นคนตาบอดมันก็ชวนกลายเป็นท่องแถวของคนตาบอดบอดจูงบอดบอดเป็นผู้นำใครว่าคนบอดด้วยกันมันเข้าใจกันดีเห่ือนกันเพราะฉะนั้นเราจะไปเข้าข้างคนบอดนะถ้าเข้าข้างคนบอดเมื่อไร่เราก็บอดสนิดแน่นอนตั้งปฏิญญาตั้งความกราธนักขออย่าได้บอดเช่นนั้นเลยเนี่ยนะมันก็มีมีมีอีกหลายกลุ่มเนี่ยนะพยายามออกมาปฏิเสธเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้ามันถ้าปฏิเสธพระพุทธเจ้าก็ แปลว่าปฏิเสธพระธรรมถ้าปฏิเสธพระธรรมก็ปฏิเสธสาวกของพระองค์ที่ปฏิบัติตามธรรมเมื่อปฏิเสธพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ปฏิเสธอธิศีนอธิจิตและอธิปัญญาปฏิเสธอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปะก็ปฏิเสธประตูแห่งมรรคผลนิพพานปฏิเสธคําสอนที่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานเมื่อปฏิเสธทางสวรรค์ทางนิพพานเสียแล้วก็เหลือทางไหนมันก็เหลืออยู่ทางเดียวก็เหลือทางนรกกันนั้นแหะ ก็เหลือทางนรกเปรตอสุรกายและเดรฉานแม้แต่มีผู้มาบอกมากล่าวว่าพุทธคุณเป็นเช่นนี้ธรรมคุณเป็นเช่นนี้สังฆคุณเป็นเช่นนี้ข้อปฏิบัติเพื่อตรัสรู้ตามพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นเช่นนี้เช่นนี้ก็ไม่คิดว่าเป็นสิ่งที่มีค่าที่ตัวเองต้องฟังไม่จําเป็นต้องฟังไม่จําเป็นต้องฟังถามว่าฟังอะไรมันก็แยกแยะว่าอะไรคือสวนานุตริยะอะไรไม่ใช่ สวนานุตริยะแยกอะไรควรฟังไม่ควรฟังไม่เป็นถามว่าจะฟังอะไรนะก็จะฟังแต่สิ่งที่มีโทษเนี่ยนะถามว่าน่าสงสารขนาดไหนมันน่าสงสารจริงๆนะสําหรับคนที่เหมือนอย่างว่าเห็นอาหารเนี่ยนะตัวเองก็อดอยากหิวโหยมานานเห็นอาหารอันเป็นที่ดืด่มรับประทานแล้วปราศจากทุกโศกโรคภยัยอันตรายทั้งปวงกลับคว่ำอาหารจานนั้นทิ้งซะ นะแล้วก็ไปหาอะไรนะเก็บขยะเนี่ยนะเก็บขยะที่มันเต็มไปด้วยเชื้อโรคเต็มไปด้วยเชื้อโรคว่า ง, งั้นเถอะที่เราไปกินอะไรนะเป็ดโรคระบาดดีกว่ากันนะที่เขาโยนมาทิ้งกองไว้สามหมื่นกว่าตัวเลยนะนะเก็บพวกนั้นกินก็ได้ว่า ง, งั้นนะมันก็แสดงว่าถ้าปฏิเสธอาหารที่ครบอที่มีดีมีคุณค่าก็ไปบริโภคอาหารที่มีโทษถ้าปฏิเสธยาถูกก็ไปดื่มยาพิษเนี่ยนะ ถ้าปฏิเสธคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ทรงคุณสูงสุดก็ไปถือเอาคำสอนของเดรัจฉีเมื่อถือเอาคำสอนของเดรัจฉีจะไปไหนอาศนะาสดาไปไหนนั่นแหละคือคติของสาวกถ้าศาสดาดีจริงสาวกก็ดีตามไปถ้าศาสดาไม่ดีจริง น, นะเขากำลังคิดเน่ยนะบอกว่าเออไม่สงสารตัวเองม้างหรือที่จะต้องนั่งรถไฟมรณะก็แั้นนะันนะจะต้องขึ้นเครื่องบินทเที่ยวพิเศษที่มีพวกพลีชีพอยู่บนนั้นด้วยเอาไหมย๋อมันน่าสงสารขนาดไหนะฮ ไปอยู่ตรงไหนกำลังกินแม้ร้านอาหารอร่อยเหลือเกินเนี่ยนะมีคา บ, บอมาเลยเอาไหมก็พร้อมที่จะเป็นได้ทุกอย่างฉนันถามว่าถ้าไม่ระวังภัยถ้าไม่กลัวภัยเนี่ยนะอันตรายที่สุดเลยนะชีวิตของเราเนี่ยอายุที่เหลือมันก็น้อยอยู่แล้วยังมาให้สิ่งที่ไม่ไมดีไม่มีสาระใส่ในใจตัวเองอีกมันน่าสงสารขนาดไหนฉนันบางคนที่ออกมาปฏิเสธพัตนไตรจึงเป็นกลุ่มคนที่น่า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 ก็ามาเคยมีญาติผู้ใหญ่อยู่คนหนึ่งน่าสงสารมากเกิดมาก็เกิดมาใส่บาตรครั้งเดียวช่วยชีวิตทําบุญใส่บาตรครั้งเดียวไอ้ที่ใส่บาตรก็ใส่งานศพไม่ได้ไปใส่กับพระนะก็เขามีบาตรวางเอาไว้ก็มียืดข้ามาให้จานหนึ่งก็เก็บเอาไปวางไว้ในบาตรแค่นี้นั่นแหละใส่บาตร เ, เกิดมาก็ทําอย่างนั้นครั้งเดียว น, นะนะศี้นห้านี่เหลือเหลือสักข้อบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช้ชีวิตอย่างเงี้ยหกสิบกว่าปี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 เห็นอะไรนะอย่างเช่นพระพุทธรูปใช่ไหมบอกว่บูชาพระพุทธรูปไหมจุดประทัดเนี่ยนะเอาประทัดเนี่ยไปวางไว้ที่พระเศียนแล้วก็จุดประทัดเป็นพุทธบูชาเนี่ยนะทว่าบูชาหรือทำลายกันแน่เพราะผู้ที่เข้ามาศึกษาพระธรรมเนี่ยก็ต้องค่อยๆละเอียดทีท่วนหน่อยนะว่าสิ่งที่เราทําอยู่นั้นเป็นการบูชาสิ่งที่พระองค์ เรียกว่าเป็นการบูชาโดยทาอยู่หรือแล้วพระองค์ต้องการให้สาวกทั้งหลายบูชาพระองค์อย่างนี้หรือสิ่งที่เราทาคือสิ่งที่พระองค์ห้ามหรือพระองค์อนุญาตถ้าสิ่งแต่สิ่งที่เราทาอยู่เป็นสิ่งที่พระองค์ห้ามพระองค์ตำหนิอย่าทําเลยมันไม่ดีเพราะสิ่งที่พระองค์ตรัสทุกคำพระองค์บอกวันนั่นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เธอทั้งหลาย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 อันนี้วิธีสารวจตรวจสอบว่าเป็นมงคลหรืออัปมงคลในชีวิตจริงนะแล้วก็มาดูว่าวันๆนหนึ่งเราชมพูดถึงคนพาลมากหรือพูดถึงบัณฑิตมากถ้าพูดถึงบัณฑิตมากแปลว่าเราครบบัณฑิตถ้าพูดถึงคนพาลมากเราครบคนพาลทีนี้พาลบัณฑิตของเราเอาอะไรเป็นเครื่องวัดอนนถ้าพระพุทธเจ้าก็เอาอิติปิโสเป็นเครื่องวัดถ้าพระสงฆ์ก็เอาสุ ป, ปฏิปันโนเป็นต้นเป็นเครื่องวัดเนี่ยนะถ้าเป็นบุคคลทั่วไปก็เอากรำมาบดสิบเป็น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 อัธยาศัยแบบติดยาเสพติดเนี่ยนะเขามีอัธยาศัยจะเสพยาก็ให้เขาเสพไปอย่างนี้หรือป่าเห็นไหมมันลูกหลานเราจะถ้ามีอัธยาศัยขี้เหล้าเมายาก็ปล่อยเข้าไปมันเป็นอัธยาศัยของเขาเน็นไหมมีใครทําอย่างนี้บ้างไหมมีใครทําหรอมันอะไรที่เลวๆมันจะไปปล่อยตามอัธยาศัยได้ยังไงแก้ไขแต่อะไรที่ดีเออปล่อยไปมันดีอยู่แล้ว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 พันขั้วกลุ่มคนผ่านเนี่ยก็ต้องแยกให้ดีพัะจะดูว่าเราครบคนผ่านหรือคบบัณฑิตก็ดูที่สิ่งที่เราทําทุกวันคําที่เราพูดอยู่ทุกวันความนึกคิดประจําวันของเราเนี่ยคบใครมากแล้วก็ที่แน่ๆเลยเนี่ยถ้าเราครบบัณฑิตไม่ถึงบรรลุมรคผลเนี่ยอดีตเราครบคนผ่านมาน้อมเพื่อจะกลับไปสู่คนผ่านต่อไปอีกได้ไหมต้องไม่ลืมตัวเองนะถ้ายัางเวียน่าวตายเกิดเนี่ยสมมติว่าเราเคยทําปาณาติบาต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 พระองค์แสดงธรรมด้วยสัพพัญยุตยานเป็นพื้นฐานเป็นสมุทฐานพระองค์มีพุทธคุณแสดงว่าเที่ยงแท้ที่จะขึ้นสวรรค์เหมือนกับเขาเชื้อเชิญไปปฏิสถานเนี่ยนะคือคือนัยยะถ้าคิดตามเนติปกรณ์มันจะเป็นแบบนี้นะว่าถ้าผู้ใดชื่นชมพระองค์ที่มีคุณเช่นนี้ก็ต้องขึ้นสวรรค์เนี่ยนะเขามาก็มาชมเผื่อจะได้ขึ้นสวรรค์เพื่อเพื่อไว้ก่อนนะนะอ้าวถามว่าทําไมเผื่อก็ต้องดูว่าถ้าไม่ทําบาปก็ไปดีอย่างนั้นค่ะ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 ไปฟังทำไหมบอกไม่ไปไม่รู้จะชวนกันยังไงไม่เข้าใจเหมือนกันนะนะตอนเขาเรียกว่าตอนสั่งเสียกันอะไรกันโอ้ยอยังไงก็ไม่ทิ้งกันเด็ดขาดนะเอาเข้าจริงๆบอกไปฟังทำไหมบอกไม่ไปนะมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะประมาเลยเลิกอันนี้อะไรใครแล้วบอกอพัจจารย์อย่าทิ้งโยมนะอย่างนั้นอย่างงี้นะโอ้ยก็คาพูดเหมือนว่าเราจะเชื่อได้นั้นะนะมันลังไปฟังทำไหมบอกไม่ไปนะนะ ว่าก็เของใครก็ของใครกันแล้วกันเราไม่กล้าพูดเดี๋ยวก็เสียใจเอาไว้พูดที่อื่นให้เขาได้ยินเนื้อในข้อหนึ่งร้อยหกสิบแปดดูก่อนสารีบุตรบริษัทแปดจำพวกเหล่านี้แหละแปดจำพวกเป็นไงบริษัทแปดก็คือกษัตริย์ขติยบริษัทก็คือกษัตริย์บริษัทกษัตริย์บราหมณะบริษัทบริษัทพราหมเครือหบดีบริษัทบริษัทเศรษฐี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 ดูก่อนสารีบุตรเราไม่เห็นเหตุนี้ว่าความกลัวหรือความสะทกสะท้านจะกกล่อมกลายเราในขัตยะบริษัตนั้นเลยไม่เคยตกใจไม่เคยหวัน่นไม่เคยหวาดไม่เคยผวาหรือว่าไปนั่งแล้วเหงื่อซึมในเป็นต้นเนี่ยนะจะเอาไงกับเรานาะเนี่ยพวกนี้ท่านมันว่าเหงื่อซึมเป็นต้นไม่มีเคยไม่ไปที่ไหนสักแห่งนึง น, นั่งเหงื่อซึมเ่ยนะเมื่อไรจะเสร็จสักทีว่าท้องไส้ปัน ป, นป่วนไปหมดในเงี้ยนะ ไม่พระองค์ไปที่ไหนที่ไหนก็มันเหมือนกันหมดอะนะดูก่อนสารีบรเพราะเราไม่เห็นเหตุนี้ว่าความกลัวหรือความสะทกสะทานจักกล้ามกลายเราในขัติยะบริษัทนั้นเลยเมื่อไม่เห็นเหตุนี้เราก็ถึงความเป็นผู้ปลอดภัยถึงความไม่มีภัยถึงความเป็นผู้กล้าอยู่ดูก่อนสารีบุตร่นนะอันหนึ่งเราเข้าไปหาพรามณบริษัท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 กว่าก็คือตาเนียนะตเนติเ ต, ตียนดาดาเราซึ่งดาซึ่งเราผู้รู้อยู่อย่างนี้ผู้เห็นอยู่อย่างนี้มาหากันว่าธรรมะอันยิ่งคือโลกุตระมัคที่เป็นญาณทัศนะอันวิเศษพอแกความเป็นอริยของพระสมณะโคดมไม่มีพระสมณะโคดมเนี่ยแสดงคำที่แสดงมาเนี่ยไม่ใช่ประจักษ์แจ้งแต่แสดงมาเพราะการตรึกไตรตรองคิดค้นแจ่มแจ้งได้เอง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 ตกนรกแน่นอนนะไปด่าคนที่มีคุณธรรมขนาดนี้เนี่ยนะแม้มันหนักกว่าเรียกว่าทะลึงตาดูดวงอาทิตย์อีกนะโกรธดวงอาทิตย์มากวันนี้จะต้องตาอะไรนะจ้องตากันให้มันเสียหายไปข้างหนึ่งเลยนะโกรธแค้นดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันพันดวงเนี่ยนะอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยบอดสนิทเลยแหละใช่มฮะมันก็คนที่โกรธพระพุทธเจ้าเนี่ยนะนึกในใจนะพระองค์เนี่ยมาเพื่อจะช่วยเขาเองแล้วเขาเนี่ยเกลียดพระพุทธเจ้าที่สุดเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้น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 สามปลายภพเนี่ยนะฟันผู้ที่ตําหนิพระพุทธเจ้าถ้าไม่ละวาจานะตกนรกแน่นอนอ น, นะไม่มีไม่กี่สูตนะที่พระองค์แบบแหมถ้าจะยืนยันลักษณะแบบนี้นะเที่ยงแท้เนะีที่จะตกนรกเที่ยงแท้แหมบอกว่ามันเป็นเหมือนกับอนันตริยกรรมอนันตริยกรรมเนี่ยตกนรกไม่มีระหว่างขั้นที่จริงอันเนี้ยน้องน้องอนันตริยกรรมถามว่าน้องๆองอริยอนันตริยกรรมเนี่ยอะไรคือ ปกติเนี่ยฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพาธันทำโลหิตพระพุทธเจ้าให้ห้อตกนรกแน่นอนแต่ตรงนี้เ่ยยังพอจะไม่ตกนรกได้ก็คือขอโทษซะถ้าขอโทษก็ไม่ตกนรกถ้าขอโทษถ้าขอโทษนะไม่ตกนรกถ้าไม่ขอโทษตกนรกแน่นอนคือคือยังดีกับอนันตรียกรรมว่ายังขอโทษยังพอสละคืนความคิดนั้นเสียอนนะละวาจานั้นสละคืนความคิดความเห็นนั้นเสียถ้าละแต่มันก็ยากเหมือนกันนะ เหม um, enfin well to to ือนกับกำลากํังตกเหวอ่ะเกือบจะตกเหวกําลังลื่นไหลอ่ะนะถ้าเบรกทันก็ไม่ร่วงวังืนั้นแต่ถ้าไม่เบรกตกเหวแน่นอนนะแล้วก็ลึกหลายชั่วเรียกว่าลึกหลายร้อยเมตรนักแลเหวอันนี้เนี่ยนะกระสับกระสานไปไปเป็นเดรชาเป็นเดรชาแล้วนะเนื้อของเราเนี่ยเนื้อเขาก็แล่ไปไว้ที่หนึ่งหนังก็แล่เอาไปไว้ที่หนึ่งกระดูกก็แล่เอาไปไว้ที่หนึ่งเหมือนกันนะขนก็เอาไปไว้ที่หนึ่งโอ้โหถ้าไปเป็นเดรชาแล้วกระจัดกระจายอีกกี่ชาตินาะเนี่ยนะ เราสังเกตดูพวกกลุ่มเหล่าสัตว์ในอบายน่าจะทุกข์ขนาดไหนกันเนี่ยนะวันเราก็รู้ว่าประตูแห่งเหตุแห่งสุขกับเหตุแห่งทุกข์เป็นอย่างไรแล้วก็ดูว่าถ้าเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแล้วมีผลอย่างไรถ้าไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแล้วเสียหายอย่างไรเนี่ยนะอย่างพระสารีบุตรผู้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรเป็นยังไงดับขันธปรินิพานเข้าถึงสุขอันหาประมาณนี้ได้สุนัขตาลิชวีบุตรผู้ เที่ยวโผนธนากลด่าพระพุทธเจ้าไปไหนทุกต่งางชาตินั้นแกก็ทุกหนักหนาแล้วแทบไม่มีเพื่อนคุยอยู่แล้วะแทบไม่มีเพื่อนคุยในะในชาตินั้นเป็นคนอาพับมากแต่ถามทําไมพระพุทธเจ้ายังพูดถึงสุนัขคาตาฤชวีก็เพราะว่าอาศัยเรื่องราวของสุนัขคาตาฤชวียังพอช่วยคนให้บรรลุมรรคผลได้อีกอีกเยอะอนะอย่างพระเทวทัตพระองค์รู้ไหมว่าคนเลวไม่ดีอย่างไงนี้บอกรู้ แต่เอาพระเทวทัตเป็นตัวอย่างประกอบบรรลุเยอะแยะเลยนะก็ลืมขอยืมเป็นตัวอย่างหน่ยแล้วกันองนั้นเถอะพระองค์ก็เลยยืมออกมาเป็นตัวอย่างเนี่ยนะซึ่งแบบไม่ไม่ถูกฟ้องร้องผิดกฎหมายอะไรด้วยนะก็เลยยกตัวอย่างสุนัขขตาฤชวีบ้างยกตัวอย่างพระเทวทัตบ้างเพื่อให้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้บรรลุมรรคผลนิพพานเพราะว่าบางทีเนี่ยนะบางคนเนี่ยคือพระองค์จะเกิดมาในโลกหรือไม่เกิดเขาก็ตกนรกอยู่ดีบางคนเนี่ยมันเป็นอย่างนั้น ในะอย่างอะไรนานางมาคันธิยาเนี่ยพระพุทธเจ้าจะเกิดมาในโลกพระองค์ไม่เกิดก็ตามพระองค์จะแสดงธรรมหรือไม่แสดงธรรมก็ตามอนาคตตกนรกแน่นอนนะบางคนเนี่ยพระพุทธเจ้ายังแก้ไขไม่ได้ไม่ต้องอย่างเอาเนี่ยนะใครบ้า ง, พ ร, ง, พ, รงพระองค์แก้ไขไม่ได้มีตั้งหลายคนนะอย่างที่น่าสนใจมากก็คือเนี่ยพระเจ้าสุปปพุทธเนี่ยอพี่ชายของพระนางประชาบดีโคตมียพี่ชายคนโต เชื่อว่าพระเจ้ามหาสุ ป, ปะพุทธพระเจ้าสุ ป, ปะพุทธเนี่ยนะพี่พี่ชายของพระนางเสด็จ ม, มหามายาเป็นพ่อของพระนางยโสธราพิมพาเป็นปู่ของพระราหุลเอ่อเป็นคุณตาของพระราหุลตกนรกเนี่ยนะทํากรรมอะไรรึเป่าเป็นนั่งดื่มเหล้าขวางทางพระพุทธเจ้าบินทบาทอยากจะลองดูสิหลานเราจะทํำยังไงทั้งๆ ท, ง ท, ง ท, งที่ตัวเองเป็นลุงนะเล่นกับหลานแล้วหลานเป็นลูกเขยด้วยผูกเวรบอกนี่ไงเอ่ออะไรแต่งงานกับลูกเราปล่อยให้ลูกเราสาวเราเป็นไหม อันนะัให้พระเทวทัตลูกชายเราบวชตั้งตัวเป็นศัตรูกับลูกชายเราอีกจะจองล้างจองผานกันไปถึงไหนกันเนี่ยนะครโกรธมากเลยในที่สุดก็ดื่มเหล้าขวางถนนจะแน่สัแค่ไหนหลานเราอันนั้นในที่สุดอพระองค์พอเบินบินทบาทก็พระ เ, ะระเจ้าสุภปปพุทธอ่นะนะ้บินทบาทยืนอยู่ขอนั่งดื่มเหล้าขวางทางอ่ะนะัขวางตรอกบินทบาทพระองค์ก็เดินทางกลับก่อนกลับองค์ก็ยิ้ม พระนนก็ถามว่ายิ้มอะไรพออีกเจ็ดวันนะตกนรก น, นะแผ่นดินสูบเข้าถึงนรกอีกเจ็ดวันอนนะไรปกติแล้วพระเจ้าสุ ป, ปาพุทธเนี่ยนะแกก็เชื่อนะว่าพราะองค์ตรัสยังไงแล้วป้องเป็นอย่างนั้นแต่วันนั้นกัมภูร่าเลยขำเลยหัวเร่าบอกว่าเออเนี่ยถ้าบอกว่าจะแผ่นดินสูบเ อ, ออย่างงีงเราจะกลัวนี่นะดันไปกําหนดวันให้เราไม่อีกเจ็ดวันโอ้ยวันที่เจ็ดเรื่องอะไรเราจะลงมาให้แผ่นดินมันสูบใช่ไหม เราก็ฉลาดเนี่ยก็เลยมีปราสาทเจ็ดชั้นแล้วก็ขึ้นปราสาทเจ็ดชั้นแล้วก็ตัดบันไดทั้งหมดวางนักมวยปล้าอยู่ทุกประตูอนะว่าเนี่ยอย่าให้ชั้นลงเด็ดขาดนะพวกแกนะก็เลยเอาพวกนักมวยปล้ำพวกบึ้องบืองนะมาควางประตูไว้หมดเลยพ อ, อถึงวันที่เจ็ดเนี่ยไอ้พวกนักมวยปล้ําเนี่ยช่วยกันถีบถีบบตกลงมาก็แหวกกันกันหมดเลยนะไอ้ที่ช่วยรักษาที่ไหนได้ใช่ไหมตกนรกเลยนะพระเจ้าสุภพุทธาก็ตกนรกไป เรียกว่ากลุ่มทั่วถูกแผ่นดินสูบก็มีใครบ้างมีนางมาคันที่ยามีพระเทวทัตมีนันทยักษ์แล้วก็มีนันทะมานพเนี่ยพวกกลุ่มเนี้ยตกนรกแผ่นดินสูบสมัยใหม่ก็โหแผ่นตกไปในแผ่นดินเรียกแผ่นดินถล่มตายทิ้งหล้หมือนเนี่ยนะอันนี้ก็ธรรมดาแล้วล่ะอันเวลาทํากรรมมันก็วิจิตจริงๆเวลากรรมมันให้ผลมันก็วิจิตแท้เนี่ยนะมันก็ถ้าทํากรรมมาแล้วเนี่ยไปอยู่ตรงไหนกรรมมันจะให้มันจะหลุดบ้าง บาปที่ทําไปแล้วเนี่จะไปเก็บไว้ไหนนาะเนี่ยนะพันละล ะ, ละบาปได้เท่าใดมันก็เป็นบุญของเราเท่านั้นเพิ่มคูณบุญเท่าไหร่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเราเท่านั้นทีนี้ในบรรดาบุญทั้งหลายบุญที่เลื่อมใสในพระธรรมตรายนี่แหละช่วยให้เราพ้นทุก์ได้อย่างแท้จริงเนี่ยนะเดี๋ยวสูตรข้างหน้าต่อไปเนี่ยยืนยันเสมอว่าต้องเอาพระพุทธเจ้าเป็นเป็นหลักเป็นหัวหน้าเป็นผู้นําจริงๆถ้าไม่เอาพระพุทธเจ้าเป็นหลักเป็นผู้นําจริงๆรินะ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 ทานเนี่บารมีเนี่ยทำมาแค่ไหนศีลและบารมีเนี่ยธรมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะที่ฐานเมตตาและอุเบกขาทํามาแค่ไหนได้รับใครพยากรณ์มาบ้างนะหมอดูที่ไหนดูดวงมาบ้างไหมว่าจะเป็นยังไงเนี่ยนะอย่างมากก็ไม่ใช่ว่าพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าอย่างแกงก็ไปดูหมอมาเนี่ยนะแล้วก็อย่างอื่นอีกดูได้อีกไหมสํารวจตรวจสอบและไอ้ที่รู้เนี่รู้อะไรบ้างคิดว่ารู้หรือว่ารู้จริงๆ รู้แล้วคิดว่าตัวเองพ้นทุกข์ได้ไหมอาศัยแต่ความเชื่อเนี่ยนะเชื่อเหลือเกินเชื่อเหลือเกินเชื่อแล้วพ้นทุกข์ได้ไหมถ้าพ้นทุกข์ได้ก็ดีจริงแต่ถ้าความเชื่อเหล่านั้นน่ะนะแขวนไว้ผิดที่ศรัทธาไว้ผิดที่เหมือนกับฝากทรัพย์ไว้ผิดที่อ่ะนะฝากเงินไว้ผิดที่เนี่ยไปฝากสตังเอาไว้กับขี้เล่าเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นไปฝากสตังไว้กับบอลอย่างเงี้ยนะเออเดี๋ยวฝากสตังไว้หน่อยนะเดี๋ยวจะไปเที่ยวก่อนอย่างเงี้ยนะ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 มันไม่มาตั้งหลายปีใช้เงินหมดเลยเพอใช้เงินหมดเท่านั้นชูชกโผล่มาอะไรตังชั้นไปไหนเพื่อนหมดแล้วใช้หมดแล้วจนนึกว่าแกตายแล้วบอกไม่ได้เ อ, อะโวยวายในที่สุดก็เลยยกนางอมิตตาปนาให้นะนั่นแหละก็บอกว่าฝากผิดที่มันก็เป็นอย่างนั้นเลยคือคือบางอย่างนี่ก็เป็นลักษณะนั้นพานถ้าเราพลาดเนี่ยนะศรัทธาของเราถ้าไม่มากด้วยยิ่งฝากผิดที่ฝาก ฝากไว้กับผู้ที่ไม่ใช่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะศรัทธาคือทรัพยานั้นเนี่ยนะน่าสงสารขนาดไหนทำยังไงใจเราจะได้มั่นคงในพระพุทธคุณเอาไวเ้เสมอๆก็มาว่าอย่างที่ศึกษาในยุคหลังๆมาสนใจเรื่องปฏิบัติขนาดนั้นขนาดเนี้ถ้าจะปฏิบัตินะถ้าแนะนําให้บอกว่าถ้าจะขอกำมะฐานนรรมานะธรรมาจะให้บอกว่าทํายังไงคุณจะได้มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าอันนี้แหละเป็นกรรมะฐานเบื้องต้น่างั้นเถอะ เป็นเบื้องต้นของกรรมาฐานที่จะเป็นไปเพื่อบรรลุมรคผลไอ้เรื่องเ ว, เวทนาจิตธรรมไม่ต้องไปหนักใจมากหรอกปัญหาว่ารู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านตัดสรุอะไรก่อนเนี่แหละมันจะพอจะเป็นแนวทางบรรลุต่อให้รู้ว่าเป็นอสุภาพไปนั่งปฏิกูลอยู่ในซากศพมันดียังไงอ๋อไปอยู่ในป่าชาเลยไปเห็นดูกองกระดูกกองผนเปินเตินตึกไปหมดเลยเนี่ยนะแล้วเราบรรลุอะไรอ๋อต้องทบทวนให้มันดีนะถ้าเห็นอนนี้จังมองอะไรก็ระเบิดตุ้มๆเต้ ม, ต ม, ต ม, ต ม, ตมไปหมดเลยอย่างเงี้ย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 พระองค์ว่าอย่างไงพระองค์คิดอย่างไรพระองค์บอกอย่างไงพระองค์ ต, งต้องการสื่ออะไรกับเราแล้วเราเข้าใจอย่างที่พระองค์บอกไหมเช็คตัวเองอยู่ตรงนี้ให้ตลอดเวลาอ น, นะถ้าอย่างเงี้ยปลอดภยัยแต่ถ้าบอกว่าโอ้ฉันก็เป็นตัวของตัวเองสมัยนี้ประชาธิปไตยแล้วไ่นนะไม่ใช่ปกครองแบบบบราณแล้วประชาธิปไตยใครทําอยากทําอะไรก็ทําก็อย่าอ้างพระพูดแต่เจ้าก็แล้วกันเหมือนกันนะ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 อ้างหาพระองค์ไว้หน่อยเอ๊ะแล้วมันพระองค์ก็ถึงภาวะที่คงที่แล้วล่ะเราจะนับถือพระองค์หรือไม่นับถือพระองค์พระองค์ก็เป็นเช่นกับพระองค์นั่นแหละอย่างเนี้ยพระองค์บอกว่าพระองค์มีทศพลยานสิบพระองค์มีเวสารชยานสี่พระองค์มียานที่ไม่คลั่นคลามในบริษัททั้งแปดผู้ใดจะนับถือพระองค์หรือไม่นับถือพระองค์พระองค์ก็เป็นเช่นนั้นแหละ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 ขอเราอย่าได้เป็นเช่นนั้นเลยนะนะในข้อหนึ่ง้หกสดูก่อนสารีบุตรกําเนิดสี่ประการเหล่านี้สี่ประการแะไสี่ประการเป็นไนคืออันตชาตกาเนิดเกิดในไข่ชลาปุชาตกาเนิดเกิดในครันสังเสทชาตกาเนิดเกิดในเท่าใครและของสกปรกเนี่ยนะโอปปาติกะกําเนิดเกิดใน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 พวกนี้เรียว่าเกิดในไข่เนี่ยนะนี่เรียกว่าพวกอันธชากําเนิดดูก่อนสาริบรชาลาผู้ชากําเนิดก็คือสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดคลอดจากมดลูกเนี่ยนะออกมาจากมดลูกนี่เรียกว่าชลาผู้ชากําเนิดคืออาศัยมดลูกเกิดนั่นเองเช่นพวกสัตว์สองเท้าสัตว์สเท้าไม่ใช่น้อยเนี่ยนะส่วนสังเสริชากําเนิดเป็นชนิพวกสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นใดที่เกิดในปลานเน่า เพราะพวกหนอนทั้งหลายกิมิชาติที่เกิดในปลาเน่าเกิดในศพเน่าเกิดในขนมบูดเกิดในน้ําครามเกิดในเท่าใครของสกปรกนี้เรียกว่าสังเสรชาติกำเนิดดูก่อนสารีบรโอปปาติกะกําเนิดเป็นชไหนเทวดาเทวดาสัตว์นรกมนุษย์บางจําพวกคือมนุษย์ต้นกลับเนี่ยนะและเปรตบางจําพวกนี้เรียกว่าโอปปาติกะกําเนิดดูก่อนสารีบรกําเนิดสี่ประการเหล่านี้แหล ดูก่อนสารีบทผู้ใดแล่พึงว่าเราผู้รู้อยู่ะนะผู้รู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ว่าธรรมะอันยิ่งของมนุษย์ที่เป็นยานญาณทัศนะอันวิเศษพอแก่ความเป็นอริยะของพระสมณะโคดมไม่มีพระสมณะโคดมเนี่ยทรงสแสดงธรรมตามที่ตามที่ประมวลมาด้วยความตรึกที่ไตรตรองด้วยการค้นคิดแจ่มแจ้งไล่เอง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 เราเข้าไปหาขติยะบริษัทหลายร้อยย่อมรู้เฉพาะแหลว่าบริษัทนั้นพวกเขามีสีวันณะเช่นใดเราก็มีสีมีวันณะเช่นนั้น น, นะการแต่งองค์ทรงเครื่องเลยนะเขามีเสียงเช่นใดเราก็มีเสียงเช่นนั้นเราให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาถารให้รื่นเริงด้วยธรรมีกระถาพระองค์ไปสอนเขาเขากํากลังประชุมบ้านประชุมเมืองอะไรของเขาพระองค์ก็ไปแฝงก็ไปเนรมิตรพระองค์เองพระองค์แล้วก็เทศบรรยายให้เขาฟัง พวกเขาไม่รู้อยู่ว่าผู้นี้ผู้ที่กล่าวนี่เป็นใครเป็นเทวดาเป็นมันหรือเป็นมนุษย์ครั้นพระองค์แสดงธรรมให้เขาเห็นแจ้งสมาทานให้อาทารให้รื่นเริงแล้วด้วยธรรมมีกถาก็หายไปเขาไม่รู้ว่าผู้ที่หายไปผู้ที่หายไปนี่เป็นใครหนอแหลเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาเขาไม่รู้ด้วยซ้าเลยว่าผู้ที่มาพูดนี่เป็นใครแต่รู้ว่าพูดดีรู้ว่าผูดดีเนี่ยนะ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 ส่วนเกี่ยวกับเรื่องคติห้าเนี่เรื่องยาวเลยพระผู้มีพระภาคเจ้านี่ก็ได้กล่าวถึงผู้ที่ตําหนิหรือผู้ที่ปฏิเสธโลกุตระคุณของพระพุทธเจ้าผู้ที่ปฏิเสธคุณธรรมต่างๆของพระพุทธเจ้ามีสัพพัญญุตยานเป็นต้นเนี่ยนะบุคคลที่ปฏิเสธพระพุทธคุณทั้งหลายเหล่านี้ พระองค์บอกว่าถ้าไม่ละวาจาไม่ละความคิดไม่สละคืนทิฐินั้นเสียแน่นอนเที่ยังแท้ที่จะตกนรกว่าไงนนะเหมือนอะไรเหมือนคนที่สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาก็ยิมอรหัตผลฉะนั้นท่านบอกว่าในพระไตรปิฎกทั้งหมดเนี่ยนะอุปมานี้หนักแน่นที่สุดไม่มีอุปมาไหนที่จะยิ่งกว่า น, นี้อีกแล้วถือว่าเป็นอุปมาที่หนักแน่น เพราะว่าการติเตียนพระริยาเจ้านี่มีโทษอย่างมากมายอย่างติเตียนพระอรหันตสาวกทั้งหลายหรือติเตียนพระโสดาบันพระสกท า, าคามีพระอนาคามีหรือพระอรหันต์ทั่วๆไปก็นับว่ามีโทษมากอยู่แล้วติเตียนพระปเ จ, จกพุทธเจ้ามีโทษมากกว่าแล้วติเตียนพระปเ จ, จกับพระพุทธเจ้าเป็นร้อยองค์เลยนะนะก็ไม่ได้มีโทษเท่ากับพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเลยเหมือนอย่างที่บอกว่าทําบุญกับ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 ถ้าไม่สละโดยขอเข้ามาเป็นต้นเนี่ยนะแน่นอนที่จะตกนรกนี่ก็กล่าวอุปมาอย่างนี้สี่ครั้งแล้วเนี่ยนะกล่าวอย่างนี้เนี่ยสี่ครั้งต่อไปในข้อหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหน้าสี่สิบเจ็ดดูก่อนสารีบุทิคห้าประการเหล่านี้แล5ห้าประการเป็นไนคะติเนี่ยแปลว่าที่ไปเนี่ยนะที่ไปนี่มีอยู่ห้าอย่าง คนะติคือนรกหนึ่งคติคือกำเนิดเดรัจฉานหนึ่งกำหนิดคติคือเปรติวิสัยหนึ่งคติคือมนุษย์หนึ่งคติคือเทวดาหนึ่งทั้งคติห้าประการนะดูก่อนสารีบุตรเราย่อมรู้ชัดซึ่งนรกทางให้ถึงนรกปฏิปทาข้อปฏิบัติอันจะยังสัตให้ถึงนรกนะนะรู้ด้วยว่านรกนคืออะไร นรกทั้งหมดเนี่ยมีกี่ขุมแต่ละขุมเนี่ยกระจายละเอียดอย่างไรเนี่ยนะเช่นนรกจะหลักหลักๆเนี่ยมีอยู่แปดคุมแต่ละขุมก็แบ่งออกเป็นบริวารอีกสี่ทิศเนี่ยนะก็สี่คุมแล้วแต่ละสี่ทิศก็มีบริวาปรปลีกย่อยออกไปอีกเนี่ยนะก็ในหนึ่งจักรวาลก็มีนรกเป็นร้อยคุมว่างั้นเนี่ยเป็นร้อยคุมแล้วในจักรวาลอันหาที่สุดไม่ได้อันพงศ์รู้ชัดซึ่งนรกนรกของแต่ละชั้นเนี่ยได้รับทุกโทษอย่างไรนับตั้งแต่ว่า สันชีวานรกกาลสุตตะนรกตาปตาปะนรกมหาตาปะนรกนะโลรุวานรกมหาโลรุวานรกอวจีนรกนรกแต่ละอย่างนั้นอ่ะสวยทุกอย่างไรพระองรู้และไม่ใช่รู้จักแต่นรกอย่างเดียวรู้จักเหตุให้ให้ไปถึงนรกด้วยว่าทำตัวอย่างไรปฏิบัติตนเช่นใดจึงไปสู่อบายทุกคติวินิบาตนรกเนี่ยนะก็หมือนกับว่าอย่างที่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 เัราพระองค์นั้นรู้ทั้งว่าสัตว์นรกนั้นเป็นอย่างไรนรกคืออะไรสัตว์ทํากรรมเหล่าใดจึงจะไปนรกข้อปฏิบัติใดเป็นข้อปฏิบัติเพื่อนรกอย่างเดียวอันหนึ่งสัตว์ผู้ดําเนินประการใดเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงอบ า, ายทุคติวินิบัตินรกเราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้ว ย, ยไม่ใช่แต่นรกอย่างเดียวนะยางอื่นพระองค์ก็รู้อีก นะรายละเอียดเกี่ยวกับนรกไม่ใช่แต่คุ้มหลักคุ้มย่อยปลีกย่อยรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นอุสุธนรกเนะี่ยนะย ม, มโลกเป็นต้นพระองค์ก็รู้ไงนะดูก่อนสารีบุตรเราย่อมรู้ชัดซึ่งกําเนิดเดรฉาณ น, นะสัตว์น้ําสัตว์บกสัตว์มีปีกไม่มีปีกสัตว์ไม่มีเท้ามีสองเท้ามีสี่เท้ามีเท้ามากสัตว์นะสัตว์บกสัตว์น้ําสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําเป็นต้นนะเน่ยพระองค์ก็รู้จากเดรฉานทั้งหมดเป็นอย่างดี ทางหรือข้อปฏิบัติเพื่ อ, อทางเทวมรคามรค า, าที่จะยังสัตว์ให้เกิดในกําเนิดสัตว์เดรชานปฏิปทาคือข้อปฏิบัติยังสัตว์ให้ถึงกําเนิดเดรฉานอั น, นึ่งผู้ดําเนินประการใดเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงกําเนิดเดรชานเราย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยรู้อย่างดีเลยว่าเดรชานไปยังไงเนี่ยนะทำตัวอย่างไรชาติหน้าเดรชานแน่นอน ดูก่อนสารีบุตรเราย่อมรู้ชัดซึ่งเปรติวิสัยทางไปสู่เปรติวิสัยปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงปรติวิสัยอันหนึ่งสัตว์ผู้ดำเนินประการใดเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงเปรติวิสัยเราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วยนะทำตัวยังไงตกนรกมาไงดูก่อนสารีบุตรเราย่อมรู้ชัดซึ่งมนุษย์มนุษย์ในทวี ท, ทั้งหลายเนี่ยนะ ทางอันยังสัตว์ให้ถึงมนุษย์โลกปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงมนุษย์โลกอันหนึ่งสัตว์ผู้ปฏิบัติประการใดเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมอุบัติในมนุษย์เราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วยนะดูก่อนสารีบุตรเราย่อมรู้ชัดเทวดาทั้งหลายตั้งแต่ภุมิมะเทวดาอากาศเสถวดาจาตุมดาวดึงยามาดุสิตนิม า, มานารดีปารนิมิตตวสวัตติพรหมโลกาเป็นต้นเะนี่ยไล่ไปเรื่อยเนี่ย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 ปฏิปทาอริยมขับปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงพระนิพพานอันหนึ่งสัตว์ผู้ปฏิบัติประการใดย่อมทำให้แจ้งจีโตโววิมุตคืออรหัตผลสมาธิปัญญาวิมุตอะ น, นะอรหัตผลปัญญาอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่เราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วยเนี่ยนะรู้ดีเลยว่างรู้ว่ า, น ร, วานรกเอ่อนรกคืออะไร เดรัชานคืออะไรเปรตคืออะไรมนุษย์คืออะไรเทวดาคืออะไรพระนิพพานคืออะไรอันนะข้อปฏิบัติเพื่อถึงที่เหล่านั้นทํำยังไงทําตัวยังไงตกนรกแน่นอนทําตัวยังไงเปิดเป็นเปรเป็นเดรัชานเป็นอสุรกายเป็นเดรัชานเป็นมนุษย์และเป็นเทวดาปฏิบัติอย่างไรจึงจกบรรลุมรรคผลปฏิบัติอย่างไรจึงจะบรรลุมรรคผลอันพระองค์้รับรู้ในสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างดีนี่ก็อุปมาให้เข้าใจชัด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 ดูพฤติกรรมคำพูดแนวความคิดรู้เลยว่าคนนี้นรกแน่นอนอย่างนั้นฮะพยากรณ์ได้เลยนะแปลว่าเหมือนกับแบบพวกท่าเรียนตำราโหราศาสตร์หมอดูเป็นต้นเนี่ยบอกอลักษณะคนแบบนี้ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้เห็นหน้าปั๊บรู้เลยอะนนะว่าอนาคตเขาเป็นอย่างไรฉันใดอะนนะผู้ที่รอบรู้อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยเห็นหน้าเห็นพฤติกรรมเห็นกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมบอกได้เลยว่านรกแน่นอนเห่างนั้นเถอะบอกได้เลยว่านี่นรกชัดๆเลยว่ากันน เรีอกว่าสัตว์นรกที่ยังอยู่ในคราบมนุษย์เป็นต้นเท่านั้นเองแต่จริงๆแล้วพื้นเพพื้นฐานความรู้สึกนึกคิดนี่มันสัตว์นรกนะเนี่ยมันบอกได้เลยว่านรกแน่นอนโดยสมัยต่อมาอัน น, น, นี้ตอนแรกเห็นรู้เหตุใช่ไหมมองเหตุแล้วก็อย่างถึงผลทีนี้เห็นผลในต่อมา เราก็เห็นบุคคล น, นั้นนะ่ะเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกเสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนโดยส่วนเดียวด้วยที่พจักสุอันบริสุทธิ์ล่วงจักสุของมนุษยนะ์เห็นชัดเลยว่างั้นเถอะตอนทําเหตุก็เห็นตอนที่สเสวยผลแล้วก็เห็นดูก่อนสารีบทเปรียบเหมือนหลุมฐานเพลิงที่ลึกกว่าชั่วบุตนะหลุมฐานเพลิงอะนะ เต็มไปด้วยฐานเพลิงที่ปราศจากเปลวปราศจากควันลำดับนั้นบุรุษผู้มีตัวอันความร้อนแผดเผาแล้วก็เหนื่อยร้อนถูกความร้อนครอบงำเหน็ดเหนื่อยสะทกสะท้านหิวระหายมุ่งมาสู่หลุมฐานเพลิงนั่นแหละโดยมักคาสายเดียวหมายค่าว่าแมสเหมือนกับถูกดันถูกผลักให้เดินไหลไปตามกระแสเส้นทางสายนี้เนี่ยนะตกถึงไหนอ่ะ บุรุษผู้มีจักสุเห็นเขาแล้วพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญบุรุษผู้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นขึ้นสู่หนทางนั้นจักมาถึงหลุมฐานเพลิงนี้ทีเดียวโดยสมัยต่อมาบุรุษผู้มีจักษุนั้นก็พึงเห็นเขาตกลงไปในหลุมฐานเพลิงนั้นเสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนโดยส่วนเดียวแมฉันใด ดูก่อนสารีบุตรเราย่อมกําหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจฉะนั้นเหมือนกันแหละว่าบุคคล น, นี้ปฏิบัติอย่างนั้นดําเนินอย่างนั้นขึ้นสู่หนทางนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจากเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกโดยสมัยต่อมาเราก็ได้เห็นบุคคลนั้นน่ยเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกก็เข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกสเสวยทุกขเวทนาอย่างแรงกล้า เผ็ดร้อนโดยส่วนเดียวด้วยทิพระจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจากสุขของมนุษย์เนี่ยนะถ้าถ้ามองแบบธรรมดาบอกมองเห็นหน้าใครเนี่ยรู้เลยว่าต่อไปอเขาเป็นอะไรเนี่ยถ้าแบ่งเลยสัตว์โลกทั้งโลกเนี่ยแบ่งมองเห็นหน้าใครบอกว่าคนเนี่ย อนาคตนรกอย่างเดียวเนี่ยนะมองเห็นทั้งหมดขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเขาไปถึงนรกก็รู้เลยว่าอเนี้ยมาจากนี่มาจาก น, าากนี่มันมองเห็นสัตว์นรกเนี่ยพระองค์รู้ถึงอดีต ท, ทั้งหมดของสัตว์นรกและมองเห็นพฤติกรรมทั้งหมดของคนที่จะไปนรกก็บอกได้เลยว่าเนี่ ย, ยเขาจะกําลังจะปฏิบัติเพื่อจะไปนรกเนี่ยนะแบบที่สุนัขคาตาลิชวีบุตรตําหนิพระพุทธเจ้าใช่ไหมพระองค์ก็บอกเลยเนี่ยพฤติกรรมแบบนี้ความปฏิบัติอย่างนี้นี่ข้อปฏิบัติเพื่อตกนรกนะ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 เป็นหลุมในนรกเนี่ยนะปราศจากเปลวเป็นฐานเพลิงที่ปราศจากเปลวปราศจากควันแสดงว่าเป็นความร้อนที่มีกําลังมากถ้าความร้อนที่ยังมีเปลวอยู่มีควันอยู่มันยังไม่ร้อนจริงมันยังไม่ระอุจริงร้อนจริงต้องไม่มีเปลวเปลวมันต้องไม่โผล่ขึ้นมาแล้วต้องไม่มียังควันอย่างนเรียกว่าสุดยอดของความร้อนอย่างนั้นนะ เคยเห็นไหมเหล็ ก, ท, กลลลนะที่ละลายคว้างเลยนะที่ละลายคว้างจริงจมีเปลเวลุกขึ้นไหมไม่มีมีควันไหมไม่มีเพราะฉะนั้นไอ้ร้อนแบบเรียกว่าล้อมเหล็กได้ละลายเหล็กได้เนี่ยร้อนระดับนั้นเนี่ยปราศจากเปลเวและปราศจากควันอันนี้นเขาบอกร้อนสุดซึ้งเลยแบบนั้นนะใครอย่าไปสัมผัสเลยไม่ต้องไปชิมทั้งละชิมทีในอายุเขาเป็นหมื่นปีนะคุยกันทีเนี่ยเขาไม่ค่อยคุยกันแบบ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 คนนั้นก็ต้องรู้จักเราคนนี้ก็รู้จักเราเครียดเลยตายก็ดีตายแล้วตกนรกเจ็ดวัน น, นะนะวันที่เจ็ดจึงพ้นนรกเพราะฉะนั้นมีอยู่เจ้าเดียวนี่แหละที่่าตกนรกอยู่แปบ๊บเดียวเนี่ยนะแต่ชีวิตของนางเนี่ยทำบุญเป็นคือหมายว่าทำบาปนับได้วะหนึ่งสองสามอะไรเงี้ยนะนิดเดียวจริงๆแต่ที่ทำบุญนี่มาหาศาลแต่ว่าไอ้ก่อนตายเนี่ยวิปฏิสารเนี่ยนะก่อนตายเนี่ยเดือดร้อนใจมาก นนกลัวคนอื่นเขารู้เขาเห็นเขาจะตําหนิเอาขณะแต่ว่าก็ตกนรกแค่เจ็ดวันเนี่ยนะแต่พระเจ้าอาชาติศัตรูนี่ก็เบาแค่หกหมื่นปีเนี่ยนะแค่หกหมืนปีเพราะว่าลงในโลหะกุมภีก็มุดลงไปสามหมื่นปีโผล่ขึ้นมาอีกทีสามหมื่นปีก็พ้นจากนรกแต่หลวงพ่อเทวทัศน์เนี่ยนะเศษหนึ่งอ่าหนึ่งคือหมายคขาว่าตกนรกตลอดกลับหมายเขาว่ามาหากลับใหญ่เนี่ยนะเขบอกว่าส่วนอ่าเศษหนึ่งส่วนแปดสิบของมาหากลับ มหากราบเนี่ยอายุมันไม่รู้กี่พันกี่พันล้านปีเนี่ยนะแกได้อยู่สวนเศษหนึ่งส่วนแปดสิบเนี่ยเนะี่ยก็โอ๋ออยู่อยู่ประมาณเกือบสองเปอร์ซ็นอ่ะนะถ้ากลับหนึ่งรอยเปอร์เซ็นต์ก็บอกแกอยู่สักสองเปอร์เซ็นอเงี้ยนะโอ้สองเปอร์เซ็นนี่มหาศาลเลยนะเพราะหน่วยมันตัวเลขแหมมันตัวเลขถ้าเขียนเป็นเลขศูนย์ตัวพิมพ์ต้งใส่หลายวากันนะ แ, แค่สองเปอร์ซ็นเนี่ยมันก็เหลือเฟือแล้วนะเหลือกินเหลือใช้แล้วพอแล้วว่ารเงี้ย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 อ น, นะทางที่มันเดินแบบไม่มีทางหลบเลยนะเดินชนิดที่เรียกว่าเหมือนกับขึ้นสายผ่านไปตกหลุมฐานเพลิงเลยแบบนั้นอนะ่ะพระพุทธเจ้านี่เห็นด้วยทิพจักสุเหมือนบุรุษผู้มีจักสุเนี่ยนะนะอ่าบอกว่าบุรุษนั้นเห็นบุคคลขึ้นสู่หนทางนั้นเทียวย่อมรู้ว่าบุคคล น, นี้ไปโดยทางนี้จักตกลงไปในหลุมฐานเพลิงชั้นใด พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้กรรมอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งฆ่าอายุในการฆ่าสัตว์เป็นต้นอย่างนี้ซึ่งอนะว่าอากรรมอะไรมาเช่นปาณาธิบาตหรือล่วงอกุศลกรรมบทบุคคลทํากรรมนี้แล้วจกตกนรกชั้นนั้นเหมือนกันในการส่วนอื่นบุรุษนั้นเห็นบุคคลนั้นตกอยู่ในลุ่มฐานเพลิงชั้นใดในกาในกาละส่วนอื่นพระผู้มีพระภาคเจ้ากย็ยังแสงสว่างให้เจริญเรียกว่าเจริญอโลกัสัญญา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 บอกว่าสัตว์นี้ดํารงอยู่ในถ้ำกลางสัตว์หลายแสนถึงไปนรกอย่างที่เขาบอกว่าไม่เงาร้อกมีคนอยู่เยอะแยะเลยคำว่างั้นสัตว์นรกอยู่เยอะแยะเลยนะแต่ว่าแหมขออยู่เป็นชนจะกลุ่มน้อยเถอะนะไอ้ชนจํานวนมากที่อยู่ณนะที่นั้นเนี่ยผงไม่ไหวเลยแต่เขาบอกว่าไ อ, ไอ้นรก ท, ทั่วไปมันก็ไม่หนักแน่นหนานแน่นเท่าเอเวจีนรกเอเวจีนรกเนี่ยสุดยอดเลยมันโหดเหี้ยมที่สุดในจํานวนนรกทั้งหลายมันเหี้ยมยังไง เขาบอกว่ามันอยู่เอออดยัดเยียดเหมือนผงทนานดีบุกเขาบอกที่ง่าแป้งฝุ่นอ่ะนะซื้อแป้งมาเต็มกระป๋องอะแบบนั้นแหละอันนี้แปลว่าไม่มีระหว่างเลยนี่อย่างที่หนึ่งอย่างที่สองความร้อนเนี่ยไม่มีช่องว่างเลยบอกากายภาษาธาตุมีอยู่เท่าใดมันสัมผัสได้เท่านั้นหมดเนี่ยนะและไม่ตายตราบเท่าที่ไม่สิ้นกรรมนั่นนะบางทีเนี่ยบางคนก็ตกเป็นพุทธันดร นะพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งถึงองค์หนึ่งเนี่ยนะไอ้แค่ว่าเป็นหมื่นปีสองหมืนปีเนี่ยอู้น้อยมากจากพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งถึงองค์หนึ่งบางองค์เนี่ยตกข้ามพระพุทธเจ้าด้วยนะตั้ตกตั้งหลายพระพุทธเจ้ากว่าจะผ่านออกมาเนี่ยมันอ่าถ้าบอกว่าในบรรดาคุกที่ออกยากที่สุดเนี่ยนะที่พระองค์ตรายก็คือนรกกับเดราชาลคิดดูง่ายๆว่าถ้าไปเกิดเป็นนรกเนี่ยไม่รู้จะไปเยี่ยมกันยังไงใช่ไหมไม่รู้จะไปประกันตัวกันออกมาอย่างไรก็มีอยู่ทางเดียว ของคนที่กําลังตกนรกเนี่ยนะเช่นก็มีพราหมณ์คนหนึ่งอดีตเขาเข้าทําปาณาติบาตไว้เยอะเนี่ยนะในที่สุดเขาก็ตกนรกแต่ทีนี้เขาเคยเอาผ้าไปหอมพระเจดีย์สีเหมือนเปลเวเพลิงพอเห็นคลื่นเปลเวไฟนรกปุ๊บปุ๊ บ, บ, บ, บ, บ, บ, บนึกถึงผ้าเลยจุดติจากนรกเกิดในสุคติได้เอออันนี้วิธีหนึ่งอวิธีหนึ่งเอา น, นี้ก็กําลังนะเออถ้าเราจุดไฟบูชาพระไว้เยอะๆอันนัไม่ใช่จุดไฟเผาสาลานะ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 มันก็อันนี้ก็ระวังให้ดีๆเพราะว่าการจุดประทีปบูชาพระเนี่ยแทนที่จะได้บุญพลาดไปได้บาปเนี่ยนะโศมานัทนิดหน่อยแล้วก็เสียใจทั้งนานวันนี่ก็ระวังให้ดีและที่สําคัญนี่ก็พยายามรำลึกทบทวนว่าอะไรที่จะเป็นไปเพื่อพ้นจากทุกโทษอะไรจะเป็นไปเพื่อพ้นจากอบายทุกปฏิวินิบาตนะรกถ้าไปที่โน้นแล้วมีอะไรสํารองบางว่าจะออกมาได้ยังไงวิธีที่หนึ่งก่อนจะไปนะรกพยายามทําบุญอุทิศให้ยมบาลบ่อยๆเนี่ยนะ ถ้ท่านจะได้นึกถึงเราบ้างเออใกล้ๆทําบุญนะเคยอุทิศกุศลไว้ให้บ้างะนะอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองก็อ่าเนี่ยทําบุญเกี่ยวกับอะไรผ้าสีแบบสีแบบคล้ายๆไฟเนี่ยนะเอาไว้เผื่อจะหลุดออกมาหเห็นภาพก็จะได้นั่นแหละพอหลุดออกมาถ้าโสดาปฏิมาศยังไม่เกิดเนี่ยอย่าพึ่งเย็นใจเลยว่าเรารอดแลว้วนะะก็ดูว่าวันหนึ่งพุดทางสะระนางังคัจฉ า, ามิบ่อยไหมถ้าไม่บ่อยนี่เอาอะไรมาปลอดภัยไม่ปลอดภัยรอกเนี่ยนะ ก็ถ้าทุกแห่งเนี่ยนะที่ไหนว้างที่สัตว์ล่วงกำมาบทไม่ได้ยอมเคยเห็นไหมเพราะฉะนั้นทุกแห่งจึงเป็นประตูอบายได้หมดเลยเพราะนั้นเมื่อเป็นประตูอบายได้หมดเนี่ยเราเอาอะไรเป็นเครื่องป้องกันล่ะก็เหมือนกับว่าทุกแห่งเนี่ยกระโดดลงน้ําทะเลได้หมดเลยอย่างเงี้ยสมมแล้วเอาเรืออะไรมารองรับเนี่ยนะเอาบุญกุศลอะไรมารองรับเั้นก็ต้องมาสํานวนให้ดีนะบอกเอาเจริญสติปรฐานเลยเจริญว่ายังไงว่างั้นเอา คิดอย่างนี้พอไม่จะปิดนรกเนี่ยนะเอาเข้าจริงนะเอาเอาไม่พอไม่ที่จะปิดอบายทุกขติวิธิบาทนรกเนี่ยเพราะฉะนั้นรับประกันให้ดีๆนะไม่ใช่แบบสอนกันผิดๆแบบอะไรนะเขามีอยู่พรามรัตธิพรามอยู่ลัตทิหนึ่งไอคนนั้นครับคตินิมิตปรากฏเปลนเปลวไฟลุกท่วมหมดเลย เสร็จแล้วก็ไปถามอาจารย์อาจารย์ตอนเนี้ยผมเนี่ยร้อนมากไฟทั้งนั้นเลยก็บอกเออนั่นแหละทางแห่งพรหมโลกดีใจเธอลูกว่างั้นนั่นแหละพรหมโลกแล้วละ่ะพรหมโลกปรากฏแกเจ้าแล้วว่างั้นที่ไหนได้ไฟเปลวนรกพลุกพลื้มพลื้มขึ้นมาบอกนั่นแหละพรหมโลก บ, บอกเป็นไหนดีคะนี้ชื่นชมอย่า ง, ง น, นั้นกะ็เซ็ตเนี่ยนะอยู่แล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดแบบนั้นนะไปเข้าใจผิดว่าเออคิดอย่างนี้แล้วพอแล้วที่จะปิดอบายทุกขติเวนิบาตนรก ไม่พอหรอกนะจะต้องเอาให้มันมั่นใจนะอให้อุ่นใจนะทําบุญอะไรก็ได้ให้อุ่นใจให้มันบุญเนี่ยมันอุ่นที่ใจนะไม่ได้อุ่นที่ภายนอกกันเจริญกุศลอะไรพอที่จะมั่นใจและพอที่จะอุ่นใจถ้าไม่อุ่นใจเนี่ยเดือดร้อนแน่อย่างที่เราไปเห็นคนยากทั้งหลายในโลกนี้เราก็บอกว่ามันทุกข์หนักหนาแล้วถ้าเทียบกับนรกแล้วนี่มันสวรรค์ชัดๆเลยว่างั้นฮนะถ้าเทียกบกษัตริย์นรกเนี่ยสวรรค์ทั้งนั้นแหละเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจะนต้องอ่าสำรวมระวัง ระลึเลกเนี่ยนะระลึลกไว้ให้ดีๆเนี่ยไม่อย่างนั้นเนี่ยเราไม่มีคุณธรรมที่นำออกเนี่ยมันก็หาช่องทางอ่ะนะต่อสู้หนีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะทำยังไงที่จะพ้นอบายทุกขติวินิบาดนรกอย่าไปยะรัทชิจำนนเคยไหมพระพุทธเจ้าจำนนโอ้ยทุกคนมันต้องไปนรกทั้งนั้นแหละองค์ไม่เคยตรัสแบบนี้ อันนั้นนี่เป็นหนทางที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เธอทั้งหลายอันนพระองค์เนี่ยทำยังไงที่สาวกทั้งหลายจะได้หลุดพ้นจากบ่วงแห่งความทุกข์แน่แน่เนี่ยนะบอกว่าเจริญอย่างนี้นะทําอย่างนี้นะเช่นผู้ที่มีศรัทธาเลื่อมสายอันมั่นคงไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า ว, ว่าแม้เวรนี้พระองค์เป็นผ้าฐันเป็นต้นอันนี้เนี่ยนะถ้าเลื่อมสมั่นคงอย่างนี้บอกพยากรณ์ได้เลยว่าปิดอบายทุกขติวินิบาตนรกเป็นต้นมันเราจะทํายังไงเราจึงจะ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 อยู่แบบโม้ยระดับเรามันต้องอยู่ห้องวีไอพีอย่างเงีใช่หรือแต่ว่าอาจจะได้คืนเดียวไงนะเพราะสวรรค์ น, นี่ไม่ได้แปลว่าสวรรค์อายุยืนอายุยาวก็จริงแต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนต้องไปอยู่ตลอดอายุไขเพราะบางคนอยู่ได้ไม่นานเพราะหมดบุญบางคนเพราะหมดอาหารก็คือโม่ต่เที่ยวเพลินลืมกินก็ตายนะบางทีก็หมดบุญบางทีก็หมดอาหารบางพวกที่สามก็คือพวกหมดอ ะ, อะไรนะหมดบุญหมดอาหารแล้วก็ อยู่จนสิ้นอายุไขเนี่ยนะแต่ว่าสรุปว่าถามถ้าถ้าเคลื่อนจากสวรรค์ไปไหนต่อเพราะว่าอยู่ตอนที่อยู่สวรรค์เนี่ยนะแหมมันยากเหมือนกันนะเหมือนอยู่ในสวรรค์คิดง่ายๆเหมือนว่าคนที่มีความสุขอยู่ในห้างสรรพสินค้านะถ้าไม่คิดให้เป็นบุญให้สวรรค์ดีๆเนี่ยนะถ้าออกมาจากห้างไปไหนต่อแล้วคะเนี่ยเดือดร้อนลนะต้องพยายามหาบุญกุศลอะไรที่ให้เป็นเกาะให้เป็ น, ปนที่เพ่งให้เป็นเครื่องอบอุ่นใจเนี่ยนะ เพราะตอนที่เราทุกข์เราก็ทุกข์คนเดียวอย่างที่เขาบอกว่าเพราะพุทธเจ้าหรือภาษาริบุตรนี่แหละบอกว่าบางคนเขาอ้างว่าเขาเลิกทาบาปไม่ได้หรอกเพราะเขามีอะไรที่ต้องรับผิดชอบตั้งหลายอย่างมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมิตรอมมาตยา่าสาโลหิตข้ทาทาสบริวารผู้มาเยือนสรุปว่ามีเหตุผลอธิบายได้ว่าเขาต้องทาบาปภาษาริบุตรท่านก็ถามง่ายๆบอกว่าถ้าไปนรกเนี่ยนะไปเจอนาย น, นิริยบาลเนี่ย เอาพ่อเอาแม่ไปให้ท่านช่วยเนี่ยที่ทำบาปพ่อพ่อพ่อแม่นะและให้พ่อแม่ไปช่วยเป็นพยานให้ด้วยว่าใช่เนี่ยลูกฉันกระตันอยู่มากทำบาปเพื่อฉันเพราะฉนั้นปล่อยเขาทีเถอะเขาจะยอมไหมแต่ขนไปทั้งหมดที่เราอ้างเนี่ยว่าเราทำเพื่อใครเอาคนนั้นเนี่ยแหละไปเป็นพยานให้เราจะช่วยเรารอดไหมเขาบอกไม่เราไม่ไหวละท่านอย่งนั้นนะะมันจะเอาใครไปเป็นพยานก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเนี่ยนะเพราะนั้นเราก็ต้องระวังอนะจะ ต, ต้องรู้จักรักตัวเองมากเหมือนกันนะ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 สายเดียวหมายคำว่าทางเนี่ยเบี่ยงไม่มีมีคำว่าเป็นทางชนิดที่เรียกว่าเดินตรงอย่างเดียวห้ามถอยห้ามอะไรนะเป็นทางสายเดียวบุรุษผู้มีจกักษุเห็นเขาแลว้วก็พึงกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญท่านปฏิบัติอย่างนั้นดําเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นอ่ะจักมาถึงหลุมคูดนี้ทีเดียวสมัยต่อมาบุรุษผู้มีจกักษุนั้นพึงเห็นเขาตกลงไปในหลุมคูดนั้นสเสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้า เผ็ดร้อนเม้ฉันใดดูก่อนสาหริบเราย่อมกําหนดรู้ใจเนี่ยนะของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจก็ฉนั้นเหมือนกันแหละว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดําเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจากเข้าถึงกําเนิดสัตว์เดรัจฉานโดยสมัยต่อมาเราก็เห็นบุคคลนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกก็ เข้าถึงแล้วซึ่งกาเนิดสัตว์เดรัจฉานสเสวยทุกขเวทนาอันแรงกลา้าเผ็ดร้อนด้วยที่พระจักสุอันบริสุทธิ์ล่วงจากสุของมนุษย์เนี่ยนะจริงก็สัตว์เดรัจฉานนี่มันทุกข์จริงๆเลยนะก็ะต้องไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไหนพอจะมีความสุขบ้างที่มีความสุขนี่มีกี่ตัวบางคนเนี่ยริษยาแบบู้ดูสิสุนัขนะัยังอยู่สบายกว่าเราเลยแล้วหมาขี้เรือนกับไม่ขี้เรือนอันไหนมากกว่ากันอย่างเง้ยนะ มีเจ้าของกับไม่มีเจ้าของอันไหนหมามากกับการไหนที่เลี้ยงอย่างดีกับเลี้ยงไม่ดีนี้มีกี่ตัวไงนะเพราะฉะนั้นไม่อะไร ด, ดีอะไรเลยเนี่ยนะมันสรุปว่าถ้าเป็นเด ร, รัจฉานเนี่ยแบบพระองค์บอกว่าเหมือนตกลงไปในหลุมคูดเนี่ยนะหลุมอุจจระแล้วก็บางทีพวกนอนเนี่ยมันก็เกิดในหลุมอย่างนั้นจริงๆนั่นแหละนะมันก็ปฏิ ป, ปทาข้อปฏิบัติเนี่ยนะ อย่างพระองค์เห็นวัสการพราหมณ์พูดกับพระมหากัจจยนะพรองค์บอกเลยนี่วัสการพราหม์ขอโทษกัจจายนะนะถ้าไม่ขอโทษจะเกิดเป็นลิงนะจะเกิดเป็นลิงวัสการพราหม์แกไม่ยอมไม่ยอมในที่สุดก็เกิดเป็นลิงจริงๆแล้วก็หลายหลายเหตุการณ์ที่พระองพยากรณ์ว่าเนี่ยอย่างเช่นคติสองของมิจฉาทิฐิก็คือนรกกับ เดราชาญเนี่ยนะเพราะถ้ายัางอนุรักษ์มิจฉาทิฐิเอาไว้เนี่ยนะยินดีที่จะเห็นผิด น, นะนะมีความเห็นผิดเป็นเบื้องหน้าไอ้ความเห็นผิดนั่นแหละเป็นเหตุให้ไปสู่อาบายทุกขติวินิบากและนรกหรือเกิดเป็นสัตว์เดราชาญเนี่ยนะมันก็ต้องถ้าพูดถึงเดราชานเนี่ยเราทําบุญอะไรไว้บ้างเวลานึกถึงเดราชานแล้วก็ไปดีทําไงดีเข้ามาบางทีชอบคิดถึงปลาบ่อยเหมือนกันนลยนก็ต้องให้อาหารปลาไว้บ้างเหมือนกันเล ไม่งั้นเดี๋ยวเดือดร้อนนะพออะไรนึกถึงอาจจะได้นึกถึงทานต่อไปบ้างอนะ่ะจะได้เลยไปหาทานเลยไปหาศีลเลยไปหาภาวนาเจริญเมตตาไว้ให้พวกนั้นให้มามากๆหน่อยนะนะเวลานึกถึงพวกนั้นแวบขึ้นมาปลาปลาช่อนปลาหมอก็นึกถึงอะไรนะหม้อไฟปลาเผาปล า, ป, ลาปิ้งอะไรเงี้ยครับเดือดร้อนแนะ่แต่ถ้านึกถึงเอาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเกี่ยวกับปลาทั้งหลายก็ ย, ยังช่วหน่อยนะ พันเราก็ต้องสแสวงหาโอกาสเจริญหาอะไรเป็นเกราะหาอะไรเป็นกำบังเนี่ยนะเครื่องที่จะช่วยให้พ้นจากอบายไม่อย่างนั้นเนี่ยจะลาบากเนี่ยนะเ๋ยวจะกลับไปปล่อยปลาบ้างนั่นกันนะก็เลยนึกวเออเราก็ปล่อยไว้ว้างแล้วอนะเมื่อก่อนโยมก็พาปล่อยทิ้งกะละมังนะปล่อยทิ้งสิบกิโลไงนะบอกว่าปล่อยทำไมบอกว่าเวลานึกถึงเราก็จะได้เนี่ยคือเราห้ามไม่ให้คิดถึงปลาได้ไหม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 ไม่รู้ว่าปลาเนี่ยพอกินหรือเปล่ามันเยอะจริงๆอะนะแล้วก็เนี่ยตลอดเส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยามันมีอีกวัดหนึ่งที่นนทบุรีนั่นนะตรงนั้นเนี่ยปลาก็เยอะจริงๆวัดอันไนะ่นวัดเฉลิมพระเกียรตินั่นนะถนะ้าน้ําวัดเฉลิมพระเกียรตินั่นก็คนไปเถอะสิรอหนึ่งก็ไม่พอกินนะว่างปลามันเยอะจริงๆเลยนะวัดท่าน้ําเทวราชกุญชรอีกหลายแห่งเนี่ยนะที่ปลาจํานวนมหาศาล ไปที่ต้นแถวแถวบริเวณต้นโพนึกว่าจะน้อยลงที่ไหนได้ไอข้างๆต้นโพมีสะเรียกว่าสะมุดจินจำลองนั่นแหละนั่นเทอะไรลงไปก็หายต๋อมประดุกบริ่มเลยนะทันก็ต้องคือถามว่าเราเราคิดว่าเราจะพ้นเดรัจฉานได้อย่างไรอั น, นาหากว่านึกถึงพวกปลาเป็นต้นเนี่ยนะถ้านึกถึงบุญที่ตัวเองทำไม่ได้เลยจะไปไหนเนี่ยนะของของโยมโยมเจ้าของบ้านเนี่ยเจ้ามูลนิพพาอ เขาก็ไปทําท่าปลาเอาไว้เนี่ยนะเอาไว้ปล่อยปลาเอาไว้เลี้ยงอาหารปลาบอกเออ ด, ดีดีอนุมโมทนาด้วยเนี่ยนะกระเขตเขาเนี่ยเป็นพื้นที่ปล่อยเลี้ยงปลาบอกงั้ดีดีดีดเห็นด้วยที่เชียงใหม่นเนมันถ้าหากว่าไม่ไม่เจริญกุศลเอาไว้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะมันถ้าเรารู้ไม่รู้หลงไปอยู่ฟูงไหนก็ไม่ทราบนะไปเป็นปลาเผ่าไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะทะเลลึกก็ไม่ใช่ว่าปลาน้อยน้อเลยนะ แล้วก็ค้าใครดูโลกใต้น้ําโลกใต้ทะเลด้วยจะรู้ว่าปลานี่ยมหาสารสารัตว์น้ามากกว่าสัตว์บกเยอะเนี่นะแล้วจํานวนปลาที่อยู่เนี่ยนะอันนี้แม่น้ําเจ้าพยาแล้วแม่น้ําคงคาล่ะแล้วแม่น้ำโขงนะตลอดเส้นทางเนี่ยนะแล้วทะเลน้ําจืดหรือว่าทะเลน้ําเค็มเนี่ยปลามหาสารเลยเพราะถ้าท้าหลุดไปสู่อบายแล้วทํำยังไงได้คือเกิดเป็นปลาเนี่ยมันมันก็ยิ่งกว่าคุกอีกนะไม่รู้จะเยี่ยมกันยังไงนะ ไปเยี่ยมปลาเนี่ยไปช่วยให้ปลาเออรู้เออแต่เธอไปอบายแล้วนะกลับมาจากอบายเธอไม่รู้จะไปโปรดปรานกันยังไงเมืออกันนะเอางี้ก็การใครที่รักสุนัขเลี้ยงสุนัขช่วยสุนัขตัวที่เลี้ยงให้มันไปสุขติได้ไหมนั้นจะทํำยังไงอ่อให้มันไหว้พระสิลูกสอนธรรมะให้มันสวดมนต์ให้มันฟังงี้เหรอไม่ง่ายเมือนกันนะไม่ใช่ของง่ายเลยอ่ะมันถ้าไปเกิดเป็นอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยที่เป็นอาบายเนี่ยยาก แม้แต่มาเป็นมนุษย์ให้จิตเป็นกุศลอย่างอย่างไม่ง่ายเลยว่างั้นนะอย่างไม่ง่ายแต่ทีนี้ว่านี่แหละสุขทางแห่งสุขคติกับทางแห่งทุกคติอันนี้เราต้องเป็นเป็นเรื่องของเราเองที่เราไปเนี่ยนะเพราะเราเองก็ทุกคนก็มีด้วยมีกรรมเป็นของของตนเนี่ยนะมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทํากรรมอะไรไว้ดีหรือชั่วบุญหรือบาปนั่นแหละเป็นกรรมของเรา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 องค์ก็สอนวิธีเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดแต่เขาบอกอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดเนี่ยเจริญยากยากเขามาว่าน่าจะง่ายกว่าอยู่ในวัตฏะเยอะเนี่ยนะถ้าเทียบกับแหมเราต้องเรียนวิชาในวัตตะนี่มันเรียนยากนะวิชาอยู่ในวัตฏะเนี่ยไม่ใช่เรียนง่ายๆนะจะต้องไปเรียนวิชาปานาติบาศฝึกตั้งแต่ว่าฝึกมาแทบไม่ได้หลับได้นอนเนี่ยนะฝึกเพื่อไปให้เขาฆ่าเนี่ยนะอย่างอย่างกลุ่มอะไรนะกลุ่มทหารอเมริกันนะโอ้ยฝึก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 ตื่นขึ้นมาแล้วมันก็ไม่มีอะไรแต่มันก็จะว่าไม่มีมันก็ไม่เชิงอ่ะนะมันก็มีบุญมีบาปวางั้นเถอะมีตราแห่งบุญตราแห่งบาปติดตัวไปเรื่อยนั้นเราก็ต้องสังบอรจะต้องระวังเนี่ยนะหาเกราะหาที่กำบังหาที่พึ่งพุทธังสารานางังฆะฉามีนี่แหละเป็นที่พึ่งในเบื้องต้นทำมังสังคังสารานางังฆะฉามีแล้วพระพุทธเจ้าแนะนำว่ายังไงว่าอย่างนั้นไปก่อนเนี่ยนะนั้นเรก็ต้องมีสาระนีนะนะมีสาร ะ, นะ ม, าระมีที่พึ่ง ก็บอกว่าอย่างที่กล่าวเมื่อกี้บอกอุย้ยเอาแต่ศรัทธาไม่เอาปัญญาเลยนะเอาแต่ศรัทธาในพระพุทธเจ้าถ้าคบพระพุทธเจ้าแล้วโง่เนี่ยมันก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วว่างั้นเถอะอันนั้นก็ขอยืนยันย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าเจริญพุทธานุสติก็โง่แล้วก็หมดแล้วหมดกันว่างั้นนะ่ะนะมันก็จริงๆแล้วมันก็สุดยอดแล้วว่างั้นเนะ่ยเรียนพระธรรมเนี่ยนะมีศรัทธาในพระธรรมแล้วก็ยังชลาเอ่ยยังเคล้าอยู่นั่นแหละมันก็หมดแล้วว่างั้น สำนวนว่าแม้จบทุกสถาบันในโลกเนี่ยนะแล้วก็บอกหาหาไม่พอเลี้ยงชีพหาไม่พอเลี้ยงปากเลี้ยงทองมันก็แสดงว่าหนักหนาแล้วละ่ะมันก็เหมือนกับอย่างที่ว่าเนี่ยถ้าใช้แสงดวงอาทิตย์ส่องแล้วแล้วยังบอกว่ามันไม่ค่อยสว่างเลยนะมันก็ถือว่าตาไม่ดีแล้วละ่ะไม่ใช่อยู่ที่แสงไม่พอชั้นใดก็ดีขอให้เรามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเถอะเขาบอกว่าปัญญีย์เนี่ยเจริญด้วยอาการสามอย่างหนึ่งคบคบคนมีปัญญา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 แต่วังคนเขาบอกว่าเออเนี่ยถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นเป็นแต่เป็นมีแต่ศรัทธาไม่มีปัญญาอาวิชชาของตัวเองต่างหากเราเนี่ยนะคือมันไม่เป็นไปตามอาวิชชาที่ตัวเองนั้นอ่ะขีดเขียนเอาไว้กําหนดร่องรอยเส้นทางของตัวเองนั้นก็ต้องพยายามทบทวนให้ดีนะว่าเราในฐานะผู้ศึกษาในความเป็นสาวกเนี่ยจะต้องพยายามเดินตามเว้นไว้แต่พระพุทธเจ้าเพิ่งไม่ได้ค่อยว่าอีกทีหนึ่ง ถ้าพึ่งพระพุทธเจ้าได้ขอเพ่งพระพุทธเจ้าไปเถอะองคไม่หลอกเราหอรอกพมันพระองค์ผู้มีความบริสุทธิ์เช่นนี้แล้วอะ่ะจะหลอกลวงสาวกด้วยธรรมเทศนาไปทําไมองค์ไม่หลอกลวงเราหรอกเพราะฉะนั้นทํายังไงเราจะได้ศึกษาและปฏิบัติเรียนรู้ตามเจริญตามพระองค์นั่นอ่ะดีที่สุดแล้วแต่ถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าจริงถ้าเราไม่เชื่อเราก็ไม่ต้องอ้างพระพุทธเจ้าสิอยากทาอะไรก็ทำไปเลยไม่ต้องอ้างพุทธศาสนาไม่ต้องอ้างพระพุทธเจ้าถ้าอย่างนั้นก็ไม่ว่ากันนะนะ คือถ้าจะเอาบอกว่าถ้าไม่อ้างอิงพระพุทธเจ้าเลยจะขอเป็นตัวของตัวเองเป็นนักปรัชญา น, นักวิชาการนักอะไรก็ช่างเหอะแต่ว่าไม่ใช่ผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาถ้าอย่างนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาเนี่ยนะันั้นถ้าหากว่าเราปรารถนาความปลอดภัยแล้วก็ให้เอาพระพุทธเจ้าเป็นหลักก่อเนี่ยนะคื อ, ค, อคืออย่างที่กล่าวเมื่อวานอยู่แล้วว่าพระพุทธเจ้าเรานับถือท่านได้เฉพาะชาตินี้แหละชาติหน้าถ้าาจะยากแล้วล่ะเพราะไปอยู่บางประเทศเนี่ยเออชื่อพระพุทธเจ้าไม่ได้นะ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 ถ้าปฏิบัติตามวิสุทธิมรรคไม่ได้แล้วของใครปฏิบัติตามได้ล่ะเนี่ยนะเราเอามั่นเอาอะไรเป็นเครื่องมั่นใจเพราะเราพยายามทบทวนในเรื่องสาระคมนี่ให้แม่นๆเลยนะเฉพาะใครที่คิดว่าเบื่อหรือเกินรังเกียจชิงชังอึดอัดนะเห็นโทษพิษภัยของโรกเปรตอสุรกายและเดรชาล์นเครื่องป้องกันอบายเหล่านั้นก็คือพระรัตนตรยัยเท่านั้นเองเนี่ยนะเพราะผู้ที่มีศรัทธานี่แหละเป็นต้นเนี่ยจะ พ, พ้นจากอบายเนี่ยนะ ถ้าศรัทธาที่บริบูรณ์ก็แปลว่าศีลดีพ้นจากอบายถ้าหากว่าเห็นโทษในการมมาพ ก, ก็นี่แหละที่มาของสมถะทั้งหลายให้ดีจะได้ก้าวล่วงกามมาพบถ้าปรารถนาจะล่วงพ้นวัฏฏทุกข์ทั้งปวงก็ต้องสิกขาสามบริบูรณ์ถ้าสิกขาสามบริบูรณ์ก็ออกจากวัฏฏทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงเนยนะดันพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้จักทางเป็นอย่างดีว่าไหนคือทางไปสู่นรกอันไหนคือทางไปสู่เดราชาในนี้เปรตมั่ง ดูก่อนสารบุตรเราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าอนะวัดใจดูแลวังั้นเช็คตรวจสอบใจดูแลวว่าบุคคล น, นี้ปฏิบัติอย่างนี้ดำเนินอย่างนั้นเนี่ยนะขึ้นสู่หนทางนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจากเข้าถึงเปรติวิสัยเกิดเป็นเปรตแน่นอนวังั้นโดยสมัยต่อมาเราย่อมเห็นบุคคลเห็นบุคคลนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เข้าถึงแล้วซึ่งปิติวิสัยสวยสุขสวรรค์ทุกขเวทนาเป็นอันมากด้วยที่พระจักสุขอันบริสุทธิ์ล่วงจากสุขของมนุษย์ตอนแรกเนี่ยตรวจดูใจแล้วล่ะอันนี้เปรตแน่นอนในที่สุดก็เห็นว่าเป็นเปรตจริงๆด้วยดูก่อนสาริบุตรเปรียบเหมือนต้นไม้ที่เกิดในพื้นที่อันไม่เสมอมีใบอ่อนและใบแก่อันเบาบางมีเงาเนี่ยโปร่งพ่อมาเคยเคยไปพัก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 บุรุษผู้มีจักูุเห็นเขาแล้วก็พึงกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นจักมาถึงต้นไม้นั้นทีเดียวสมัยต่อมาบุรุษผู้มีจักูุนั้นพึงเห็นเขานั่งหรือนอนในเงาต้นไม้นั้นสเสวยทุกขเวทนาเป็นอันมากแม้ฉันใดดูก่อนสาริบุตรเราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจฉันนั้นเหมือนกันแล ว่าบุคคล น, นี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นขึ้นสู่หนทางนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจากเข้าถึงเปรติวิสัยสมัยต่อมาเราก็เล็งเห็นบุคคล น, นั้นแหละเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงแล้วซึ่งปรติวิสัยเสวยทุกขเวทนาเป็นอันมากด้วยที่ผจกสุอันบริสุทธ์ล่วงจักสุของมนุษย์เนี่ยนะพฤติกรรมคาพูดแบบนี้เป็นเปรตยังงนะ ก็รู้แหละอย่างที่ในใครที่ไปภูเขาคิชกูดเนี่ยนะขาขึ้นภูเขาพิชกูดหรือขาลงภูเขาคิชกูดถ้าจําลักขณะสังยุตได้นะลักขณะสังยุตสังยุตที่พระลักขณะถามพระโมคคัลลานะว่าขณะที่ลงจากภูเขาท่านยิ้มทําไมพระโมคคัลลานะเขาบอกไปถามผมตอนน่มมมมตอนหน้าพระพุทธเจ้าพอไปถึงต่อพระพักพระพุทธเจ้าพระโมคคัลลานะก็ถามเข้าไปพระลักษณะก็ถามต่อหน้าพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้า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 พงเนี่ยเป็นหัวเนี่ยนะตามีตามีจมูกอยู่ที่พุงคอขาดนั่นนะเรียกว่าตัวกระพันอย่งนั้นแล้วก็มีอีกหลายประเภทเปรต ท, ที่เรียกว่ามีเข็มทิ่มแทงหอกทิ่มแทงหรือว่าค้อนทุบวันและเป็นหมื่นครั้งเนี่ยนะถูกค้อนทุบวันแล้เป็นหมื่นหมื่นครั้งเนี่ยก็เห็นเแล้วท่านก็บอกว่ า, าไปถามพระองค์พระองค์ก็เล่าว่าเนี่ยพระองค์ก็ได้เห็นแล้วตอนที่พระองค์ตัดสรุปใหม่ๆพระองค์ก็เห็นแต่ตอนนั้นพระองค์ก็ไม่เล่าเพราะอะไรเพราะว่าข้าเข้าไม่เชื่อ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 ที่สําคัญพระองค์บอกประโยชน์ที่สูงสุดพระองค์จึงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระองค์เป็นพระศาสดาที่สอนเพื่อให้ทุกคนได้รับประโยชน์ได้รับทั้งประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์เหล่าใดที่จะเป็นไปเพื่อความสุขพระองค์บอกหมดเลยอันนี้เป็นประโยชน์ตนอันนี้เป็นประโยชน์ของผู้อื่นอันนี้เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะพระองค์ก็บอกหมดแหละเพราะอะไรเพราะพระองค์ ปราถนาไม่ให้ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตและนรกพระองค์ไม่ประอาดพระองค์เนี่ยมีมีใจกรุณาหวังที่จะช่วยให้สัตว์นั้นพ้นจากโสกกะปริเทวะทุกขโทมานต์และอุปายาตปรารถนาที่จะให้สัตว์นี้พ้นจากนารกเปรตอสุรกายและเดรชานปราถนาที่จะให้สรพสัตว์นั้นพ้นจากโสก ะ, ะพ้นจากชาติชาราและมรณะพ้นจากตันหาและอวิชชาสรุปว่าพ้นจากวัตทุกรรม ดูก่อนสารีบุตรเรากำหนดรู้ใจของบางคนในโลกนี้ด้วยใจอ่างั้นนะ่ะเรียกว่าใช้ใจคือสัพพัญยุตยานตรวจสอบวาระจิตของคนทั่วไปเนี่ย น, นะว่าบุคคล น, นี้ปฏิบัติอย่างนั้นเนี่ยดำเนินอย่างนั้นขึ้นสู่หนทางนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจากอุบัติในหมู่มนุษย์โดยสมัยต่อมาเราก็เห็นบุคคล น, นั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก อุบัติแล้วในหมู่มนุษย์เสวยสุ ข, ขเวทนาเป็นอันมากมนุษย์นะี่ยถือยังไงก็ถือว่ามีความสุขว่างั้นเถอครับถ้าเทียบกับเดรัชานเป็นต้น น, นะนะมนุษย์นี่ถือว่ามีความสุขมากพระองค์ก็เห็นแล้วว่าเนี่ยจากเสวยความสุขอนะของมนุษ ย, ขขษย์ด้วยที่ประจากษ์สุขอันบริสุทธิ์ล่วงจากสุขของมนุษย์ดูก่อนสารีบุตรเปรียบเหมือนต้นไม้เกิดในพื้นที่อันเสมอมีใบอ่อนและใบแก่มีหนทาง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 สุขติพบนั่นเองเนี่ยนะอันแสดงว่าพวกเราทั้งหลายมีบุญน่อดีตเนะี่รักษากรรมบดมาดีเนี่ยนะจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็แสดงว่าทําบุญมาดีก็ขอมุทิตาด้วยอย่างนั้นนะทำบุญมาดีแนละ้วจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์ยังไงยังไงก็อยากขาดทุนก็นแล้วกันรักษาต้นทุนเอาไว้ก็ยังดีอย่านะีขนาดได้ต้นทุนเนะี่ยยังบางคนยังไม่เอานะไม่ขอทุนไม่ยังไม่เอาอีกเข้า อ, อุปมาที่ห้า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 สมัยต่อมาเราเห็นบุคคลนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์สเสวยสุขเวทนาโดยส่วนเดียวด้วยที่พระจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์เนี่ยนะอย่าลืมว่าปฏิปทาที่ทําให้เกิดในสุขติโลกสวรรค์ก็คือศรัทธาสินสุตะจากขะและปัญญานั่นเองนะศรัทธาศินสุตะจากขะปัญญาเป็นเหตุให้เกิดในสุขติโลกสวรรค์ดูก่อนสารีบรเปรียบเหมือนปราศาส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 อย่างดีเนี่ยนะเขเรียกว่าจองห้องไว้เป็นอย่างดีแล้วเนี่ยแล้วก็แล้วก็วางมัดจําแล้วเขาก็เตรียมต้อนรับพร้อมเนี่ยนะตีตั๋วไว้เป็นอย่างดีเลยเนี่ยจองตัวไว้เป็นอย่างดีเลยเนี่ยจะไปไหนใช่ก็ได้พักผ่อนในที่สบายนี้ฉันใดบุรุษผู้นี้ก็ฉันนั้นโดยสมัยต่อมาบุรุษผู้มีจักษุนั้นก็เห็นเขานะนั่งหรือนอนบนบัลลังก์ในเรือนยอดปร า, าสาทสวรรค์สุขเวทนาโดยส่วนเดียวแม้ฉันใด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 สมัยต่อมาเราย่อมเห็นบุคคลนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าและถึงแล้วซึ่งสุขติโลกสวรรค์สเสวยสุขวเวทนาโดยส่วนเดียวด้วยที่พระจักสุอันบริสุทธิ์ล่วงจักสุของมนุษย์เนี่ยนะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องเหล่าเทวดาทั้งหลายเทวดาเหลา่านี้รวมทั้งพรหมด้วยนะตั้งแต่พรหมเทวดาจาตุมดาวดึงยามาดุสิตนิมานรดีปารินมิตรวสวัตดีพรหมปโรหิตาบ พรหมาปริตตชาปุโรหิตามหาพรหมาปริตตาภาอปมานาภาอภัสราสุภกินหานปริตตาสุภาอัปมานัสุภาสุภกินมหาเวหัพลาเป็นต้นนีไล่ไปโดยลําดับพวกนี้ก็เกิดจากอะไรก็เกิดจากปฏิบัติอยู่ในศรัทธาศินสุตะจารคะเลปัญญาเจริญพรหมวิหารเป็นต้นนั้นพระองค์รู้จักคติห้าตรงนี้พูดถึงคติห้านะคติคือ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 และข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุพระนิพพานที่ดับคติห้าดูก่อนสารีบทเราย่อมกำหนดรู้ด้วยใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นคือปฏิบัติอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดดาเนินอยู่ในอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์ปดขึ้นสู่หนทางอันประกอบไปด้วย อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ดจักกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติอรหัตตผลสมาธิปัญญาวิมุตติอรหัตตผลปัญญาอันหาอาสวะทั้งสี่มิได้เพราะอาสวะทั้งสี่สิ้นไปตามลำดับอริยมรรคด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่โดยสมัยต่อมาเราก็เล็งเห็นบุคคล น, นั้นกระทำให้แจ้งซึ่ง เจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่เสวยสุขชวยธนาโดยส่วนเดียวดูก่อนสารีบุตรเปรียบเหมือนสะบกครณีมีน้ำอันใสเยะสะอาดเย็นแล้วก็ใสตลอดมีท่าอันดีนะ่ารื่นรมในที่ไม่ไกลาจากสะบกรณีนั้นมีแนวป่าอันทึบ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 ที่เหลือก็ถ้าสมัยใหม่ก็ธาตวเวนไนไหวพระธาต์เอากันแล้วกันเหมืนกันบรรลุหรือไม่เรื่องนึ้นก็ไหวพระธาต์เอาบุญไปก่อนนะเอาวาสนาไปก่อนนะเขาเรียกว่าธาตวเวไนมีอยู่สอย่างพุทธเวไนอันนี้บรรลุจริงธรรมเวไนก็บรรลุจริงสาวกเวไนก็บรรลุจริงถ้าธาตวเวไนก็สวรรค์เป็นเบื้องหน้านนันก็บูช า, าพระธาต์ทั้งหลายนั่นเองเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยรู้จักอะไรคติห้า ทางและข้อปฏิบัติกายวาจาใจที่ทําให้เกิดในคติห้าดูก่อนสาริบุตรคติห้าประการนี่แลสรุปว่าพระองค์่รู้จักคติห้าทางไปสู่คติห้าพระองค์รู้จักนิพพานและข้อปฏิบัติเพื่อให้บรรลุพระนิพพานเรียกว่าพระองค์มีสัพพัทธคามิหีปฏิปทาญานญาณที่ยังรู้ไปถึงคติและพ้นจากคติทางปวงเพราะฉะนั้น พระองค์นี่จึงเป็นบุคคลที่รู้ทางและรู้เรียว่ารู้ปลายทางเป็นอย่างนี้ทางนี้เนี่ยนะปลายทางอยู่ที่ไหนเหมือนขึ้นรถไฟใช่มัะนนะั้นต้นทางอยู่ที่ไหนแล้วทางเนี่ยปลายทางอยู่ที่ไหนเพราะฉันใดก็ดีชีวิตของเราทั้งหลายก็เหมือนกันสิ่งที่เราทําคําที่เราพูดทุกอย่างคือการเดินทางปลายทางอยู่ที่ไหนขณะนี้เนี่ยนะชีวิตในชาตินี้ของเราก็เรียกว่าปลายทางของชาติที่แล้วแต่ทํากรรมใหม่เพื่อ ปลายทางในอนาคตมันทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เราทําอยู่ก็คือการเดินทางเนี่ยนะปลายทางอยู่ที่ไหนเนาะเนี่ยนะแต่นนี้ปลายทางมันก็มีอยู่หกที่หกปลายเนี่ยนะปลายที่หนึ่งนโลกก็คงไม่ใช่เนาะถ้าจะไปอย่างนั้นไม่รู้มานั่งเรียนทําไมเหมือนกันปลายที่สองก็คือเดรัจฉานอันนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการไม่ใช่สิ่งที่ปรารถนาแล้วก็ปลายที่สามก็คือเปรตอันนี้ก็ไม่ได้ต้องการแล้วก็ปลายทางคือ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 เส็จแล้วถ้าหากว่าผู้ใดพึงตำหนติติเตียนเราผู้รู้อยู่อย่างนี้ผู้เห็นอยู่อย่างนี้ไปติไปตำหนิคนที่เขามีความรู้จริงเขาว่าธรรมะอันยิ่งของมนุษย์คือโลกุตระมักที่เป็นยานณทัศนวิส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 อริยปวา้าก็คือว่าร้ายพระอริยเจ้าไปว่าร้ายพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ไม่มีโลกุตรธรรมอยู่จริงนั้นถือว่าอันตรายเนี่ยนะที่ยงแท้แน่นอนที่จะตกนรกนั่นอันะนี้รายละเอียดที่ชี้แจงนะเป็นคำชี้แจงที่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 ก็จะเป็นเช่นนี้เช่นนี้พระองค์มีความรู้เช่นนี้เช่นนี้เนี่ยนะก็พระสูตรที่พระพุทธเจ้าประกาศตัวค่อนข้างมากถ้ารวมๆแล้วเป็นพระสูตรที่ใกล้จับปริณิพานซะส่วนใหญ่อย่างสูตรนี้ที่เรียนอยู่เนี่ยเป็นสูตรที่พระองค์ตรัสในตอนนั้นพระองค์พระชนมายุแปดสิบปีปีที่แปดสิบหรือพรรษาที่สี่สิบห้าพรรษาสุดท้ายที่จาพรรษาสูตรนี้แสดงพรรษาสุดท้าย สุนคขะตาฤชวีบุตรเนี่ยนะเป็นคนเจ้าลัทธิเจ้าทิฏฐิแล้วก็ทิฏฐิของเขาแต่ละอย่างนั้นอ่าประเภททิฏฐิโหดเหี้ยมทั้งนั้นเลยคือเขาก็เชื่อเรื่องความบริสุทธ์อ่ะนะแต่ว่าทฤษฎีของเขาเนี่ยมันมันวิ จ, จิตอ่ะนะไม่รู้ไปคนไปคิดเอามาจากไหนไม่ทราบแล้วก็ไม่ใช่เพิ่งมีแต่ชาตินี้อดีตแตชาติแกก็เป็น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 พระองค์เคยไปปฏิบัติมาแล้วและปฏิบัติเยี่ยมกว่าพวกที่มีอยู่ทั้งหมดด้วยปฏิบัติได้เหนือกว่าพวกนั้นด้วยทวนทบทวนนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องศัพท์ก่อนว่าที่บอกว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์นเนี่ยนะโดยศัพท์คําว่าพรหมจรรย์นในพระไตรปิฎกนี่มีหลายความหมายในพระไตรปิฎกนะที่ใช้ใช้กันอยู่เนี่ยมีหลายความหมายมากคําว่าพรหมจรรย์นในพระไตรปิฎกบางทีหมายคขาว่าหมายถึงทาน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 พระพุทธศาสนาทั้งหมดบางทีก็หมายถึงอัธยาศัยเรียกว่าพรหมจันทร์ทั้งหมดมีสิบสองความหมายคําว่าพรหมจันทร์เนี่ยนะโดยศรรพัพท์พรหมจันทร์นี่แปลว่าประพฤติประเสริฐแต่ทํำยังไงเรียกว่าประเสริฐมันความประเสริฐแต่ละแห่งไม่เหมือนกัน น, นะค่านิยมยกย่องอ่นนะคําว่าทําดีทดําดีเนี่ยกับแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องไม่เหมือนกันอย่างเช่นพรหมจันทร์ในปุณณะชาดกปุณณะชาดกที่บอกว่า อะไรเป็นวัดของท่านอะไรเป็นพรหมจันทร์ความสําเร็จความรุ่งเรืองพละความเพียรและอุบัตินี้เป็นวิบากของผู้ประพฤติดีอะไรข้าแต่ท่านผู้ประเสริฐขอท่านจงบอกมหาวิมานแก่ข้าพเจ้าแปลว่าไปทําบุญอะไรมาไปประพฤติประเสริฐไปทําอย่างไรมาจึงได้วิมานขนาดนี้มาเนีนนะ่ยถ้าพูดแบบสมัยนี้ก็บอกว่าไปทํามาค้าขายลงทุนอะไรบ้านจึงใหญ่โตรถจึงใหญ่โตเขาเขาทำอาชีพอะไรนะคล้ายๆแบบเนี้ย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 บ้านนั้นท่านให้เขาให้ทานให้คนนี้เนี่ยบอกว่าทําบุญที่เรียกว่าคอยบอกทางให้ให้พวกยาจกทั้งหลายไปรับอาหารได้อันนี้เรียกว่าวายาวจะอันนี้เป็นเหตุให้เขาเกิดเป็นลูกกระเทวดาที่มีฤทธิ์มากเสกอะไรก็ได้อย่างที่ใจต้องการส่วนในติตรยะชาดกนะติตระชาดกก็คือชาดกว่าด้วยนกกถานกกถาว่าเสกขาบทห้าหรือศีลหเรียกว่าพรหมจันทร์ ติตรีวัตรเป็นพรหมจรรย์ก็หมายถึงศีห้าในติตรชาดกนะชาดกเรื่องนกนกกรทาส่วนมหาโควินทสุทีขนิกายมหาวัตรพรหมจรรย์หมายถึงพรหมิหารภาวนาพรหมิหารที่พระองค์ตรัสว่าปัญจสิทขะพรหมจรรย์นั่นแลพรหมจรรย์คือพรหมิหารสีที่เราสอนในตอนที่เป็นาศาสนามหาโควินเนี่ยนะตอนที่เป็นท่านมหาโควินนั้นน่ะ พรหมจรรย์คือพรหมวิหารไม่ได้เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายไม่เป็นไปเพื่อไกลกำนัดไม่เป็นไปเอาเข้ามาเป็นไปเพียงเพื่ออุบัติในพรหมโลกเท่านั้นคือในาศาสนาของโควินมหาโควินทพรามเนี่ยนะเขาสอนพรหมวิหารให้แก่สาวกของเขาสาวกของเขาปฏิบัติตามพรหมวิหารก็ไปเกิดในพรหมโลกแต่พรหมโลกไม่ใช่สถานที่ที่จะทําให้เกิดความ เบื่อหน่ายและคลายกําหนัดไม่เหมือนอารยมรัมกอันประกอบไปด้วยองค์แปดเพราะนั้นอารยมรัมกอันประกอบไปด้วยองค์แปดเท่านั้นแหละที่จะเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายในวัตฏะเพื่อคลายกําหนัดในวะตะัตฏะนะนะเป็นไปเพื่อเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อพระนิพพานเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติอันนั้นก็คืออารยมรัมกอันประกอบไปด้วยองค์แปดพันนายโควินทสูตรคําว่าพรหมจันทร์หมายถึงพรหมิหาร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 ส่วนอีกในหนึ่งในสลเลคสูตรสลเลคสูตรหรือในอุโบสถสูตรเนี่ยนะพรหมจันทร์หมายถึงเมทุนวิรัตก็หมายถึงอุโ บ, โบสถศีนข้อสามอ่ะนะเรียกว่าพรหมจันทร์บอกว่าเรียกว่าประพฤติพรหมจันทร์เนี่ยอั ร, รมจริยาเวรมณีอ่ะนะพรหมจันทร์ตัวนั้นหมายถึงเมถุนวิรัตส่วนในมหาธรรมปาละชาดกหมายถึงว่าไม่นอกใจภริยา เรียกว่าพรหมจรรย์ก็บอกว่าข้าพเจ้านะไม่นอกใจภริยาภริยาก็ไม่ล่วงเกินเราคือไม่นอกใจเราเราประพฤติพรหมจรรย์เว้นจากภริยาเราคือคือหมายก็กว่าไม่ยุ่งกับคนที่ไม่ใช่ภริยาของเราเลยเพราะฉะนั้นตระกูลของเราเนี่ยเด็กจะไม่ตายตั้งแต่อายุน้อยๆเพราะตระกูลนี้เนี่ยนะเป็นตระกูลที่รักเดียวใจเดียวเพราะงั้นน่ยทั้งทุกฝ่ายเลยอันนี้แหละทาให้อายุยืนตระกูลนี้อายุยืนเพราะ ทุกคนรักเดียวใจเดียวเพราะงั้นอันนี้ในมหาธรรมปาละชาดกอนะส่วนในเนมิราชชาดกอุโบสถอันประกอบไปด้วยองค์แปดเรียกว่าพรหมจรรย์หมายถึงการรักษาศีลแปดเนี่ย น, นะทั้งแปดข้อเลยเรียกว่าพรหมจรรย์เช่นบอกว่าบุคคลย่อมเกิดในตระกูลกษัตริย์ด้วยพรหมจรรย์ที่เลวเกิดในตระกูลเทวดาหรือเกิดเป็นเทวดาด้วยพรหมจรรย์ตานกลาง ถ้าประพืชพรหมจันทร์ได้หมดสดเจริญพรหมวิหารด้วยนี่เรียกว่าพรหมจันทร์ชั้นสูงพรหมจันทร์ตัวนั้นหมายถึงศีลแปดในมหาโควินทสูตรอีกนั่นแหละอรารยมรักอันประกอบไปด้วยองค์แปดเรียกว่าพรหมจันทร์อันประพืชพรหมจันทร์หมายถึงอรารยมรัอรมกรอกันประกอบไปด้วยองค์แปดเช่นว่าพรหมจันทร์คืออริยมรักษอันประกอบไปด้วยองค์แปดนี่แหละที่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายในวัฏฏะโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัดใน วัตะเนี่ยนะเพื่อคลายกำหนัดคือคลายราคะเป็นต้นเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อพระนิพพานมันอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แเรียกว่าพรหมจรรย์อันสูงสุดเป็นพรหมจรรย์ที่ประเสริฐส่วนในปาสาธีกัดสูตรพระพุทธศาสนาทั้งหมดที่สงเคราะห์รวมออกมาพระธรรมคสอนของพระพุทธเจ้าถ้ากลั่นออกมาก็เหลือศีลสมาธิและ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 วิริยะเรียกว่าความเพียรความเพียรที่ประกอบไปด้วยองค์สี่ที่ทำทุกกระกิริยาสี่อย่างเรียกว่าพรหมจรรย์อันประกอบไปด้วยองศ์สี่พันพรหมจรรย์อันประกอบไปด้วยองค์สี่หมายถึงทุกกระกิริยาทำยากนะความเพียรในข้อหนึ่งร้อยเจ็สบเจ็ดหน้าห้าิบนั้นหมายถึงทุกกระกิริยาคือสิ่งที่ทำได้ยาก แต่ถ้าเป็นทั่วๆไปนะที่เราสวดธรรมวชชาใช่ไหมศาสตร์ทั้งสัพยัญชนังเกวลัลปริปุนังปริสุทธังบรัมจริยังประกาเศเสสเนี่ยนะทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติพรหมจรรย์นอนนั้นหมายถึงสิกขาสามและอริยมรรคนะประกาศพรหมจรรย์คือประกาศอธิศีนอธิจิตและอธิปัญญาพร้อมทั้งอริยมรรคบริสุทธ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตตะพร้อมทั้งพยัญชนะเนี่ยนะนี่ย้อนกลับมาในมหาสีหนาสูตรต่อที่ว่า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 ไอ้ที่ท่านพูดถึงที่ท่านเชื่อว่ามันดีๆเนี่ยเราไปทํามาหมดแล้วมางั้นนะนะอธิบายเป็นตัวอย่างว่าดูก่อนสารีบุตรบรรดาพรหมจันทร์มีองค์สี่นั้นวัดต่อไปนี้คือทุกขะกิริยาต่อไปนี้เนี่ยเป็นพรหมจันทร์เป็นสิ่งที่ทําได้ยากของเราโดยความที่เราเป็นผู้บําเพ็ญตบะเราเนี่ยนะเป็นอจีละกะท่านบอกว่าเรื่องนี้เมื่อเก้าสิบเอ็ดกับโน่นนะ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 ไม่มีมารยาทของของความเป็นมนุษย์อะไรเลยใช้ชีวิตเช่นเดียรฉันเพราะฉะนั้นอ น, นุ่งลมห่มอากาศนี่มันมนุษย์ทั่วไปเขาไม่ทํากันอยู่แล้วใช่ไหมมันก็เลยได้ว่าไม่มีมารยาทของชาวโลกเรียมืออ๋อถ้ามือไม่สะอาดแล้วเรียมือก็ทําไงเน่ยมันในขณะเดียวกันในเรื่องอาหารนะเขาเชิญให้มารับพิษากาะใหม่มาเชิญให้หยุดก็ะม่หยุดไม่หยุด ไม่ยินดีรับภิกษะที่เขานํามาให้ไม่ยินดีภิกษะที่เขาทําเฉพาะไม่ยินดีภิกษะที่เขานิมนต์เชิญให้ไปฉันก็ไม่เอานะเรื่องมากมากไอ้รัที่อันเนี้ยเพราะพวกนี้เขาถือความบริสุทธิ์พิเศษที่ว่ามันคิดได้ไงไม่รทราบทฤษฎีเหล่านี้วม่รู้คิดกันได้ยังไงแต่ว่าคนแขกเขาทํากันนะเรานั้นไม่รับภิกษะปากหม้อไม่รับภิกษะจากหม้อเข้าไม่รับภิกษะที่บุรุษ ที่บุคคลยืนคร่อมธรณีประตูให้ไม่รับพิษาที่บุคคลยืนคร่อมท่อนไม้ให้ไม่รับพิกษาที่บุคคลยืนค ร, ร, ร่อมศาสให้ไม่รับพิษาที่บุคคลสองคนกําลังบริโภคอยู่ถ้ากําลังกินข้าวอยู่ยกอาหารมาให้ก็ไม่เอาไม่รับพิษาของหญิงมีคันไม่รับพิษาของหญิงผู้กําลังให้ลูกดูดนมไม่รับพิษาของหญิงผู้กําลังคลอกเคลียกับบุรุษไม่รับพิกษาที่นัดแนะกันแล้วทํามาให้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 ที่เวียนมาตั้งกึ่งเดือนเช่นนี้บ้างแปลว่าเก็บไว 7, ้เจ็ดเออครึ่งเดือนแล้วค่อยเอามากินนะอันนี้นี่รายละเอียดเรื่องนี้เมื่อเก้าสิบเอ็ดกลับที่พระองค์เคยไปทํามาคือลัทธิทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกเนี่ยพระองค์บอกว่าพระองค์ไปทํามาหมดแล้วถ้าเป็นพระอารหันทรัตที่เหล่านั้นอ่ะมันเป็นมานานแล้วล่ะเชว่าะงั้างงานพระองค์เคยทํามาแล้วอ่ะพันทักทฤษฎีกินข้าวบูดพระองค์ก็ไปกินมาแล้วมันไม่บรรลุเพราะข้าวบูดเหมัางงาน้น ไม่บรรลุเพราะเนี่ยเพราะมังสวิรัตหรืออะไรสักอย่างเนี่ยหรือมากินเล็กกินน้อยกินถ้วยใบเดียวบ้านหลังเดียวกินคําเดียวเป็นต้นเนี่ยถ้ามันจะได้ดีเพราะอย่างนั้นได้ดีมานานแล้ว <t> หรือจะได้ดีเพราะกินข้าวมีผักดองเป็นผักษาบางทีก็กินแต่ข้าวฝาั่งบางทีก็กินแต่ลูกเดือยบางทีกินแต่กากข้าวกากข้าวเป็นไงบางทีก็มียางนะยางไม้ยางผลไม้เนี่ยเป็นผักษาบางทีก็กินแต่สาหราย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 มันจะคร่ขรขนาดไหนเนะี่ยมันไม่ได้นิ่มอะไรเหมือนผ้าไหมอะไรที่ไหนใช่ไหมนั่นห่มหนังเสือเนี่ยโอ้เดือดร้อนนะหนังสือทั้งเล็บผ้าคากรองผ้าปอบนะผ้าที่เอาผลไม้เนี่ยมาถักผ้ากำพลที่ทําด้วยเอาผมเนี่ยมาถักเป็นผ้าเอาขนสัตว์เนี่ยมาถักเป็นผ้าเอาปีกนกเค้าเนี่ยมาถักเป็นผ้าเอาปีกนกมาทําเป็นผ้านุ่งเนี่ยแม่อ๋อลึกซึ้งเลย น, นะ สงสัยสมัยนี้สงสัยนับถือกันบานเลยนะอรหันต์แน่นอนนะแต่พระองค์บอกว่าไม่ใช่หรอกถ้ามันได้ดีมันได้ดีไปแล้วแหละมันไม่ใช่ทางรักอะไรเงี้ยพอไอ้เพ ร, ะ, เพระองค์เคยไปลองทํามาเนี่ย น, นะเรียกว่าลองใช้ชีวิตตัวเองเนี่ยลงทุนทํามาแล้วในสังสา ร, รวัตรอะงี้ยถอนผมและหนวดคือประกอบความขวนขวายใช้เรียกว่าใช้วิถีชีวิตแต่ละวันเนี่ยนั่งถอนผมถอนหนวดอยู่นั่นแหละค่อยๆนั่งถอนไปได้ดีได้ดีเกี่ยวกัเรื่องถอนผมถอนหนวดอะไรเงี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 หรือนอนบนหนาม น, นะเตียงคืออะไรก็เอาพวกหนามมาวางวางแล้วก็นอนหรือประกอบความเพียรในการอาบน้ําล้างบาบวันละสามครั้งอันนะั้นนะผุด เ, เรียกว่ามุดลงผุดขึ้นมุดลงผุดขึ้ น, นก็อยู่อย่างนั้นแหละถ้าจะได้ดีเพราะล้างอาบน้ำล้างบาบได้นี่ก็ได้ดีไปแล้วนะประกอบความขวนขวายในการย่างและก็บ่มกายมีประการไม่ใช่น้อยหมายาว่าอาบน้ําเสร็จเตื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 ไม่เคยแม้แต่ความคิดจะปัดออกเนยนะโอแล้วมันจะเป็นยังไงนะมันเป็นหิดเต็มตัวไปหมดเลยมั้งเนาะขี้เรือนไม่ใช่เป็นไปขี้กลากเต็มตัวไปหมดเล้มั้งเนี่ยนะกำลังคิดอย่างนะี้อันนี้ใครว่าวัดในความเศร้าหมองอยู่แบบชนิดที่เรียกว่าไม่เคยอาบน้ําเลยนะเลหลายปีด้วยแล้วก็ฝุ่นละอองนี่ว่าเกาะเต็มตัวไปหมดอล้นะอันนี้ใครว่านักเศร้าหมองแบบนั้นอ่ะสุดๆเลยนะดูก่อนสาริบุตร บรรดาพรหมจันทร์มีองค์สี่พรหมจันทร์ตัวนี้แปลว่าทุกขะกิริยาประกอบไปด้วยองค์สี่พรหมจันทร์นี้เป็นวัดในการเกลียดบาปของเราคนที่กลัวบาปที่สุดเนี่ยเอาเอาขนาดนี้ไหมแต่ น, นี่กลัวบาปด้วยทิฏฐินะไม่ใช่กลัวบาปแบบฮีริโอตาปะเรานั้นมีสติก้าวไปข้างหน้ามีสติถอยกลับเอ็นความกรุณาของเราปรากฏเฉพาะแม้กระทั่งในหยดน้ําหยดน้ํานี่เขาถือว่าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเหมือนกันนะ เพราะฉะนั้นเราเนี่ยอย่าได้ล้างผลาญสัตว์เล็กๆที่อยู่ในที่อันไม่สม่สําเสมอเลยพวกนี้เขาเห็นก้อนดินก้อนหินก้อนกรวดเป็นสัตว์หมดนี่เขาเพราะฉะนั้นเขาจะต้องระวังเ ข, เ, เขาค่อยๆเดินเขาค่อยๆย่องเดี๋ยวจะไปเหยียบสัตว์ให้เดือดร้อนเพราะมองเห็นก้อนหินก้อนอิฐก้อนกรวดมองเห็นหยดน้าเนี่ยเป็นสัตว์หมดเพราะเขาจะไม่กินน้ําเย็นเขาจะกินแต่น้ําร้อนอย่างเดียวเพราะเขาไม่บริโภคสัตว์เพราะเขาจะกินแต่น้ําร้อนเขาถือว่าน้ำเย็นเนี่ยเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเขาจะไม่กิน มันเนี่ยนีเกรงกลัวบาปที่สุดเลยนะฮะ น, นี่กลัวบาปมากแต่มันนี่ไม่ใช่ของาศาสนาเรานะของคนละาศาสนาว่าแบบนี้พระองค์ก็เคยไปทามาแลวนะ้วอ่ะนะที่สุนัขข่าริชวีบุตรเชื่อถือาศาสนานี้ว่าดีพระองค์ก็บอกว่ า, าศาสนานี้พระองค์ก็ไปทำมาแลว้วซึ่งมันก็ไม่ได้ดีจริงไม่ได้เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำนัดเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความ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 แม้กระทั่งเห็นพวกนายพรานอะไรเป็นต้นเนี่ยนะเราก็เดินหนีจากป่าไปสู่ป่าไปให้มันหนีให้มันไปกว่านนั้นอีกจากที่ชัดที่รกสู่ที่รกว่า ง, งั้นจากที่ลุ่มไปสู่ที่ลุ่มจากที่ดอนไปสู่ที่ดอนคนนั้นเพราะเหตุไรเพราะเราคิดว่าคนเหล่านี้อย่าได้เห็นเราเลยและเราก็อย่าได้เห็นคนเหล่านั้นเลยดูก่อนสารีบทนี้เป็นวัดในความสงัดของเราถ้าเอาวิเวก ข, ขนาดนี้บรรลุมรรคผลก็บรรลุไปแล้ว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 เพราะผู้ใดผู้หนึ่งที่ยังไม่ปราศจากราคะเข้าไปสู่ป่านั้นโดยมากขนเนี่ยลุกพองเลยก็ผลพองสยองกล้าอกลัวนะดูก่อนสารีบทเรานั้นแลในราตรีที่หน้าหนาวในฤดูเหมันตั้งอยู่ในระหว่างเดือนสามต่อเดือนสในสมัยนั้นเป็นสมัยที่มีหิมะตกคือว่าเดือนสามเดือนสนะี่ณถิ่นนั้นอ่ะนะหิมะเนี่ยโปรยในราตรีเห็นป่านั้นตอนหิมะตกอยู่กลางแจ้งตลอดคืน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 ถ้าจะได้ดีเพราะทำอย่างนี้พระองค์ก็ได้ดีไปแล้วอันนั้ถ้าจะเบือนนายคลายกำหนัดรู้ยิ่งปราสรู้นิพพานก็นิพพานไปแล้วพัะ น, นิพวิธีการเหล่านี้ไม่ได้ทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานเลยเนี่ยนะทีนี้อุเบกขาว่าง น, นนะดูก่อนสารีบทเราย่อมสำเร็จการนอนแอบอิงกระดูกศพอยู่ในป่าช้าพวกเด็กเลี้ยงโคเข้ามาใกล้เรา มาถึงว่าทําไงถมน้ําลายรถบ้างบางพวกก็มาถ่ายปัสสาวะรถบ้างบางพวกเอาฝุ่นละอองมาโปรโยรถบ้างบางพวกเอาไม้เนี่ยมาหย่อนหูเล่นบ้างเอาไม้มาปั่นหูเล่นเหรอะนะี่เราไม่รู้สึกว่าจิตอันลา ม, มกเกิดขึ้นในพวกเด็กเหล่านั้นเลยไม่มีอกุศลกับเด็กพวกนั้นเลยเหรนะ่ดูก่อนสารีบุตรนี่แหละเป็นวัดในการอยู่ด้วยอุเบกขาของเราเนี่ยนะนะในเหตุการณ์นี้เมื่อเก้าสิบเอ็ดกับนะ หน้าหนึ่งร้อยห้าบอกว่าทรงแสดงอุเบกขาที่ทรงบำเพ็ญแล้วตลอดเก้าสิบเอ็ดกับนี้ด้วยบทนี้เนี่ยนะเก้าสิบเอ็ดกับมาแล้วนะในหน้าหนึ่งร้อยห้าตร ง, ข, งข้างล่างข้างบนคาถาหน่อยหนึ่งทีนี้ต่อไปเกี่ยวกับในข้อหนึ่งร้อยแปดสิบห้าดูก่อนสารีบุตรมีสมณะพราหมุกวกหนึ่งมีวาทะลัตทิทิฏิอย่างนี้ว่า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 พุทธาป น, น้ำพุทธาวนอยู่ในพุทธานี่แหละถือว่าบริสุทธิ์เพราะพุทธาดูก่อนสารีบุทเรารู้สึกว่าเราเนี่ยกินผลพุทธาผลเดียวเท่านั้นหมายคราว่าวันหนึ่งอยู่ด้วยพุทธาลูกเดียวสารีบทเธอจะพึงสำคัญว่าพุทธาในสมัยนั้นชรอยจะใหญ่เป็นแน่ ข้อนี้ไม่เพิ่งเห็นอย่างนั้นแม้ในการนั้นผลพุชซาที่เป็นขนาดใหญ่นั่นเทียวก็เหมือนในบัดเนี้ยพุชสาแขกนะไม่ใช่พุชซายแบบลูกโตๆกรอบๆอะไรไม่ใช่เลยไพุชซาเล็กๆน่ะนะนะนะดูก่อนสารีบุตรเรากินอาหารเท่าผลพุชซาผลเดียวเท่านั้นร่างกายของเราก็ถึงความสูบผอมยิ่งนักอวัยวะน้อยใหญ่ของเราก็เปรียบเหมือนเถาวันที่มีข้อมากและมีข้อดำ เพราะความที่เรามีอาหารน้อยนั่นเองแต่พวกของเรานี่เหมือนรอยเท้าอูดเหมือนนะเพราะความที่เรามีอาหารน้อยนั่นเองกระดูกสันหลังของเรานี่นูนขึ้นเป็นปุ่มๆเหมือนเทาสบ้าเคยเห็นหลังอะไรนะหลังหลังจระเ้หลังอะไรนะหลังไดโนเสาร์อ่ะนะคล้ายๆกับพวกกระดูกไดโนเสาร์เห็นหลังาขึ้นตะปุ่มตะปุมแบบนั้นแหละเพราะความที่เรามีอาหารน้อยนั่นเองซึกกระดูกซี่โครงของเราเนี่ย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 ันนี้ก็กินแต่ ง, ง, งาอย่างเดียวเนี่ยนะทีนี้พระโพธิสัตว์เนี่ยเยี่ยมเยี่ยมกว่เพื่อนเลยกินงาเม็ดเดีเยวใช้ชีวิตอยู่ด้วยงาเม็ดเดียวเนี่ยนะอันนี้ก็พร้อมกรองไปอีกชาตินึงอีกชาตินึงก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยอะไรข้าวสารเม็ดเดียวอันนั้นอาจใช้อาหารอยู่ด้วยข้าวสารเม็ดเดียว elle. เพราะฉะนั้นถ้าพวกาศาสนาข้าวสารเนี่ยพวกนี้เคี่ยวกินข้าวสารข้าวสารปนดื่มน้ําข้าวสารบริโภคข้าวสารที่เขาจัดทําให้ปแปลก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 ทรหดจริงๆไม่เป็นโรคเป็นภัยอะไรกับเขาเลยนะกรมอะไรหล่อเลี้ยงไม่รู้บุญบุนั่งนั่นไม่ใช่กามน่บุญมีบุญทะอย่างข้าวเขาไม่เคยกินนีบางทีเนี่ยไม่กินข้าวเลยเจอหน้ากันตอนเย็นเนี่ยนะหน้าก็ดั้มาเลยผมยังไม่ได้กินข้าวเลยข้าวเดี๋ยวผมไปกินข้าวก่อนไม่ทําอะไรอยู่เนาะอะไรจะธุรกิจรัดตัวขนาดนั้นะแต่ก็ไม่เคยได้ข่าวว่าเป็นโรคกระเพาะไม่สบายเป็นลมวิงเวียนมีเป็นหวัดนี่หน่อยๆพักผ่อนเองเก็ไปต่อได้แล้วอทรหดจริงๆ แต่ก็มีคนเดียวนะทั้งห้องเลยเนี่ยจริงๆ่็มีคนเดียวนะเพราะฉะนั้นปฏิปทาเฉพาะตัวห้ามเรียนแบบนี่ก็พูดถึงว่าโพธิสัตว์ในอยู่ในลทัทธิข้าสารเนี่ยนะละทัทธิข้าสารถือเอามาเล็ดข้าวสารเม็ดเดียว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 เป็นของเหี่ยวแห้งไปฉะนั้นเพราะความที่เรามีอาหารน้อยนั่นเองดูก่อนสารีบตรเรานั่นแหลคิดว่าจะรูปคลําผิวหนังท้องก็ลูบคลําถูกกระดูกกระดูกสันหลังทีเดียวคิดจะลูบคลํากระดูกสันหลังก็ลูบคลําถูกกระดูกผิวหนังท้องแปลว่าแม้รวบได้หมดเลยนะรวบทั้งเอวได้ใช้กำมือเดียวนะนะดูก่อนสารีบตรผิวหนังท้องของเราติดกับกระดูกสันหลังเพราะความที่เรามีอาหารน้อย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 แม้ด้วยการปฏิบัติที่ไม่มีใครสู้ได้อย่างนั้นเรียกว่าอกกริศสุดยอดเลยนะไม่มีใครเทียบไม่มีใครเทียมไม่มีใครทำได้ปานนี้อย่างนั้นแม้ปฏิปทานนั้นแม้ด้วยการกร ะ, ท, ะทำความเพียรที่ทำได้แ ส, สนยากมันคนแสนคนไม่ว่าจะทำได้สักคนหนึ่งนะมันยากเริงๆเลยแหละเราก็ไม่ได้บรรลุทำอันยิ่งของมนุษย์ ที่เป็นญานณทัศนะอันวิเศษไม่ได้บรรลุโล ก, กุตรมรรแม้แต่ข้อเดียวไม่ได้บรรลุข้อปฏิบัติอะไรพอจะเป็นพระอริยะข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะนั่นไม่ใช่ปฏิปทาที่เป็นเหตุบรรลุปัญญาอันประเสริฐปัญญาตัวนั้นเป็นชื่อของวิปัสสนาปัญญาเพราะไปอดไปอยากไปทําตัวอดอยากเหี้หยห้อยไปทุกข์ไปยากไปลําบากทุรกรรมอย่างนั้นไม่ได้เป็นเหตุให้ได้วิปัสสนาปัญญา ปัญญาอันประเสริฐอันนั้นเป็นชื่อของวิปัสสนาปัญญาไม่ได้เป็นไปเพื่อให้ได้เจริญอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนานิพิทาวิราคานิโรธาปฏินิสั ข, ขานุปัสสนาเลยแม้แต่ข้อดีเยวปัญญานี่แหละหมายถึงอริยมรรคปัญญาเนี่ยนะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะปัญญาสัมมาทิฏฐิที่รู้อริยศาสตร์นี่แหละที่เราบรรลุแล้วเป็นของประเสริฐ ไอชาติก่อนก่อนที่ไปทำเนี่ยไม่ใช่ของดีแท้ไอตอนที่ไปทำทุกยากลำบากนั้นไม่ได้ดีแท้แต่ของชาตินี้สิดีแท้ที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะที่เราได้บรรลุแล้วนี่เป็นของประเสริฐเป็นนิยานิกระทัมนาสัตว์ออกจากทุกได้เป็นทางที่สิ้นไปแห่งวัฏฏทุกโดยถูกต้องโดยชอบแล้วว่ยังถูกต้องของบุคคลที่ปฏิบัติทำตาม นั้นใครที่มาปฏิบัติทําตามเนี่ยนะทำตามอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปที่ตรัสรู้นี่แหละมันถูกต้องมันเยี่ยมยอดเนี่ยนะสูตรนี้ก็เหมือนกับธรรมจักรกับปวัตนาสูตรเนี่ยนะ ท, ที่พิสดารกว่าธรรมจักกับปวัตนสูตรนิดหน่อยแค่นั้นเองอ น, นายธรรมจักรกับปวัตนสูตรก็ปฏิเสธไปเฉยๆว่าอาตากิร่มัทานุโยกเนี่ยนะที่ไม่ที่ไม่ได้เป็นไปสําหรับเป็นของผ้าริยะรำตนให้ลําบากอะพวกอัตากิร่มัทานุโยกก็ไม่ได้เป็นเพราะปฏิบัติเพื่อความ ปราศรูมันเหนื่ยเปล่าเนยฟรีว่า ง, งั้นเถอะไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้สาระอะไรเลยฟาวหมดเลยว่า ง, งั้นเถอะไม่มีประโยชน์เลยไม่เหมือนอริยมรตมีองค์แปดที่พระองค์ปราศรูปนะเพราะฉะนั้นให้ถืออริยมรตอันประกอบไปด้วยองค์แปดเพราะอาาริยมรตอันประกอบไปด้วยองค์แปดนี่แหละเป็นปัญญาที่ประเสริฐนําออกจากทุกขเป็นทางที่สิ้นไปแห่งวัตทุกสําหรับผู้ที่ปฏิบัติตามอริยมรตอันประกอบไปด้วยองค์แปดสัมมาทิฏฐิรู้อะไร เอาไหมนะถ้าจะสัมมาทิฏฐิรู้อริยสัจสสัมมาสังกัปปะคือกุศลสังกัปปะสามสัมมาวาจาเว้นจากวจีทุจริตสี่สัมมากรรมตาเว้นจากกายทุจริตสามสัมมาชีวเว้นจากกายทุจริตสามวจีทุจริตสี่สัมมาวายมะสัมประธานสี่สัมมาสติในสติประฐานสี่สัมมาสมาธิในฌานสี่ถ้าองค์แปดเนี่ยประชมรวมกัน ทำกิจกำหนดรู้ทุกละสมุทยัยทำนิโรธให้แจ้งเจริญระดับโสดาสกธาคามียนาคามีและอรหัตมักนั่นแหละจึงจะนำออกจากทุกเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานอันนี้เพราะฉะนั้นปฏิเสธลัทธิอิริยาบถปฏิเสธลัทธิเครื่องนุ่งห่มปฏิเสธลัทธิเรื่องอยู่ที่เงียบเงียบปฏิเสธลัทธิกินอาหารทุกชนิดเหมือนันเถอะไม่ใช่ ไวที่บรรลุจริงนั้นบรรลุด้วยอริยมรรคเนี่ยนะบรรลุด้วยอริยมรรคนี้อีกขึ้นข้อใหม่ปฏิเสธพวกรัตถือลัอลที่บริสุทธิ์ด้วยอาหารเมือ่อขอภัยด้วยสังสารวัตรก่อนหน้านี้บริสุทธิ์ด้วยองค์เขาถือบริสุทธิ์ด้วยอะไรนะหนึ่งสี่อย่างนะหนึ่งด้วยพรหมหนึ่งด้วยตะบะสองเส้าหมองสามเปลียดบาปสี่วิเวกใช่ไหม นั่นแหละลัทธิเหล่านั้นพระองค์ก็ถือว่าเอามาเช็คล้างเลยบอกว่าดีลิสลบทิ้งเลยไม่มีประโยชน์ไม่ถูกต้องผิดเนี่ยนะนี้เอาพวกถือความบริสุทธิ์ด้วยการเวียนไหวาตายเกิดละ่ะในข้อหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดหน้าหกสิบดูก่อนสาริบุตรมีสมณะพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะคือลัทธิทิฏฐิอย่างนี้ว่าความหมดจดย่อมมีได้ด้วยสังสารวัฏท่องเที่ยวเวียนตายเวียนเกิดไปเถอเวียนตายเวียนเกิดเดี๋ยวก็บรุ้งเอง เข้ามาเนี่ยได้ยินพระรูปหนึ่งท่านสอนอย่างนี้แหละไปถึงอุย้ยพานมันฑิต จ, จะดีจะชั่วจะโง่จะฉลาดจะโง่จะเคลา้าจะปัญญาอ่อนชาวว่านชาวเมืองชาวไหนในที่สุดมันบรรลุเหมือนกันหมดขว่ากันนะเวียนไหวตายเกิดเดี๋ยวมันก็บรรลุเองแหละว่ากันเถอะพระหลวงพ่อองค์นี้ท่านจะไม่ทําอะไรเลยรดน้ํามนต์อย่างเดียวตอนนี้ท่านตายไปแล้วนะตายตายเปล่าแล้วตายไปแล้วตายไปหลายปีแล้วด้วย น, นะมันหาพยานหลักฐานไม่ได้นะท่านตายไปแล้ว แต่ท่านพูดอย่างนั้นจริงๆไม่มุสาหรอกปัท่านท่านถือว่าความบริสุทธิ์ด้วยสังสารวัฏเวียนตายเวียนเกิดในที่สุดบรรลุหมดมันจะโง่จะเร็วจะชลาจะดีจะชั่วในที่สุดบรรลุเหมือนกันหมดนะนะลัทธิแบบนี้ก็มีหรืออะไรนะพวกที่บรรลุเหมือนอะไรเหมือนกับเคยเห็นแบบได้ที่อะไรนะ พวกไหมพรมมาที่ถักไหมพรมมาหรือเชือกเล่นว่านะคลี่ไปแล้วมันก็สุดมันเองแหละเพราะฉะนั้นจะดีจะชั่วจะเร็วจะตกจะตำจะเป็นสัตว์นรกเป็นพรมในที่สุดบรรลุเมือนกันหมดนะเขาถือล <c oughs> ัทธิแบบนี้ดูก่อนสารีบุตรสังสารวัตการท่องเที่ยวไปในวัฏฏะที่เราไม่เคยท่องเที่ยวไปโดยการยืดยาวนานช้านี้เว้นไว้แต่เทวโลกชั้นสุดทาวาสเป็นสิ่งที่หาไม่ได้ง่ายนะักดูก่อนสารีบุตร ถ้าหากว่าเราเพึงท่องเที่ยวไปในเทวโลกชั้นสุดทาวาสเราก็ไม่พึงมาสู่โลกนี้อีกพวกบอกก็ไม่เคยไปแต่สุดทาวาสที่เหลือไปเนี่ยหมดแล้วไอ้ที่ไม่ไปนี่มันหายากถ้าได้ดีเพราะไปอย่างนั้นไปก็ได้ดีไปแล้วนะมันถ้าได้ดีเพราะเวียนตายเวียนเกิดเราได้ดีไปนานกันแล้วใช่เพราะท่องเที่ยวมาตลอดยาวนานเนี่ยนะอย่างบางท่านเล่าออกไปมาแล้วทั่วโลกถ้าจะได้ดีเพราะไปทั่วโลกมันก็ได้ดีไปแล้วเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่หรอกไม่ได้เพราะว่าไอ้เอมไม่ได้ คือความหมดจดเนี่ยนะความบริสุทธิ์ไม่ใช่เวียนตายเวียนเกิดในที่สุดแล้วก็บริสุทธิ์บอกไม่บริสุทธิ์ด้วยมรรคแปดถ้าไม่มีมรรคแปดเนี่ยอย่าหวังเลยที่จะพ้นจากทุกเนี่ยนะไม่มีใช่หรอกเพราะว่าข้อปฏิบัติคืออาริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดเท่านั้นแหละที่จะนําออกจากทุกขอันนี้อันนี้อีกแก้ชําระละทัทธิอีกลทัทธิหนึ่งไปนี่มาขึ้นลทัทธิใหม่แก้อีกลทัทธิหนึ่งลทัทธิพวกนี้นะเป็นลทัทธิที่สุนัขขตาริชวีนับถือหมดเลยเนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยความที่เขานับถือลัฐที่เหล่านี้แหละเขาจึงปัตกล้าปฏิเสธพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเขาจึงกล้าด่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเพราะฉะนั้นน่าสงสารที่สุดเลยนะโชคมีบุญจริงจริงนะพวกเราที่ไม่ได้คิดแบบรัฐแบบสุนัขขัดตาฤชวีเนี่ยนะไม่ได้ไปเป็นเกิดมาเป็นลูกเป็นหลานของสุนัขขัดตะที่มีทัตรรัฐทิฏฐิทฤษฎีเดินตามร่องรอยของสุนัขขัดตาฤชวีก็ขออนุโมทนาด้วยนะที่ไม่เป็นอย่างนั้นถ้าใครเป็นแบบนั้นก็ขอแสดงความกรุณาด้วยนะ ข้อหนึ่งร้อยแปดสิบแปดดูก่อนสารีบุตรมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีว่าถ้าลัทธิทิฐิอย่างนี้ว่าความบริสุทธิ์ย่อมมีได้ด้วยอุบัติเดี๋ยวเราเกิดไปเรื่อยๆก็บรรลุเองแหละอุบัติแปล ว, ว่าการเกิดเดี๋ยว เ, เกิดไปเรื่อยจากคันคนนี้สู่คันคนนั้นเกิดในคันมั่งเกิดในขาเท่าใครมั่งผูดเกิดโผล่นนโผล่นี่โผล่ไปโผล่มาก็บรรลุเองแห ล, ลนะว่างั้นน่ะพวกนี้ถือการผุดโผล่แล้วบรรลุนะถือการเกิดขึ้นแล้วบรรลุ <c oughs> องค์ก็ออกมาแก้ว่าดูก่อนสารีบทความอุบัติคือการผุดเกิดเนี่ยนะไม่ว่าเกิดในคันเกิดในไครเกิดในเท่าไ ก, กลเกิดเป็นโอปปาติกะที่เราไม่เคยเข้าถึงแล้วโดยการละยืดยาวช้านานนี้เวนเทวโลกชั้นสุทาา้ายเท่านั้นแหละที่ไม่เคยเกิดไอที่เหลือที่ไม่เคยเกิดหาไม่ไม่ได้ง่ายนะักพระพุทธเจ้าบอกว่าชั่วแบบแบบประเภทแบบแบบแบบหายใจพูดหนึ่งระลึกได้เก้าสิบกลับอย่างเงี้ยนะ เพราะฉะนั้นพระองค์บอกตรวจดูแล้วมันหายากที่ไม่เคยเป็นนะนะหายากจริงๆที่ไม่เคยเกิดมานดูก่อนสารีบทเพราะถ้าหากว่าเราพึงอุบัติในเทวโลกชั้นสุดทวารเราก็ไม่ได้พึงมากลับมาปฏิสนธิในโลกนี้อีกอันนี้แก้อีกลมหนึ่งทีนี้แก้รับที่ใหม่รับที่ที่ถือความบริสุทธิ์ด้วยที่อยู่ต้องหาที่อยู่ที่อยู่หมายว่าไม่ใช่บ้านเรือนนะหมายว่าไปอยู่ณที่ใดที่หนึ่งแล้วจะบริสุทธิ์เอง ดูก่อนสารีบุตรมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาะะทะลัที่ทิฐิอย่างนี้ว่าความหมดจดย่อมมีด้วยอาวาสคือที่อยู่ดูก่อนสารีบุตรก็อาวาสที่เราไม่เคยอยู่อาศัยแล้วโดยการยืดยาวช้านานนี้เว้นเทวโลกชั้นสุดท่าวาสแล้วเป็นของหาไม่ได้ง่ายนักดูก่อนสารีบุตรถ้าเราเพึงอยู่อาศัยในเทวโลกชั้นสุดท่าวาสเราก็ไม่พึงกลับมาสู่โลกนี้อีก เพราะฉะนั้นไอ้ดินแดนที่มันศักดิ์สิทธิ์จริงอ่ะไม่มีอยู่จริงไปอยู่ณจุดใดจุดหนึ่งแล้วจะบริสุทธิ์เนี่ยไม่มีอยู่จริงปฏิเสธทำเลวังนั้นเถะปฏิเสธทำเลเพราะอะไรเพราะตัวบรรลุเนี่ยพระองค์สอนเรื่องส ป, ปายะเจ็ดก็จริงแต่ไม่ใช่ว่าใครไปอยู่ตรงนั้นแล้วบรรลุอย่างที่ต้นโพเนี่ยใช่ที่ตรงนั้นอ่ะพระพุทธเจ้าบรรลุแต่ไม่ใช่ว่าของเราไปนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วจะบรรลุตามใช่ไหมเขาไม่ให้เราเข้าไปหรอกเขปิดกุญแจแล้วตอนนี้ เอาไปนั่งก็ไล่หนี้แน่นะมันก็เนี่ยที่บรรลุไม่ได้บรรลุเพราะที่อยู่ที่นั่งเป็นต้นบรรลุที่ไหนโดยมรรคแปเนี่ยนะเพราะสาระสำคัญอะ่ะคือจริงๆทั้งหมดเนี่ยพระองค์ต้องการจะบอกว่าข้อปฏิบัติทางสายเดียวที่จะทําให้บรรลุคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดเท่านั้นแหละคือปัญญาเหล่านั้นนั่นแหละที่จะนําออกจากทัวไออย่างอื่นมันไม่บรรลุจริงหรอกเพราะพระองค์เคยไปลองมาหมดแล้วลองเวียนไหวาตายเกิดมาช้านานแล้วก็ไม่บรรลุ ลองเที่ยวไปตั้งหมดแล้วก็ไม่บรรลุลองเกิดมาตั้งหลายที่เว้นสุดท้าว่าก็เกินมาแล้วอยู่มาแล้วทุกแห่งก็ไม่ได้บรรลุเอา้าบูชายันนะอันนบูชายันบูชาเส้นสวงฆ่าคนเป็นฆ่าคนบูชายันฆ่าแพะฆ่าแกะฆ่าไกา่เป็นต้นเนี่ยนะจะเอาต้นไม้ใบหญ้า я, มาบูชาบูชาผ้าพเพลิงอันนบูชาด้วยไฟด้วย น, น้ำด้วยดินด้วยอะไรทุกอย่างเหอะพองทำมาหมดแล้วเรียกว่าบูชายัน คือบางพวกเนี่ยนะเขามีสมณพราหม์พวกหนึ่งมีวาทลัทธิทิฏฐิอย่างนี้ว่าความหมดจดย่อมมีได้ด้วยการบูชายัญแปลว่าบนบานสารกล่าวเส้นสวงเนี่ยเท่าทําพิธีเส้นสวงแล้วก็จะ บ, บริสุทธิ์เช่นบูชาไฟเป็นต้นดูก่อนสารีบทก็ยันที่เราไม่เคยบูชาแล้วโดยการยืดยาวชานานี้เป็นของหาไม่ได้ง่ายนะ แต่ยันนั้นอันเราผู้เป็นพระราชาผู้เป็นกษัตริย์ได้รับมูรธาพิเศษหรือเป็นพรามผู้มหาสารบูชาทัานเคยทำมาหมดแล้วเนี่ยนะก็ไม่ได้บรรลุอะไร น, นะเคยบูชาจะเอาอะไรมาบูชายันบูชาดินบูชาน้ำบูชาไฟอะ่ะทำมาหมดแล้ววะกนนี่ต่อไปก็มีบางพวกลทัทธิบำเรอไฟบำเรอไฟแปลว่าทุกอย่างยกให้ไฟหมดบูชาพระอัคนียะนะอัคนีอย่างนั้นนะแปลว่าไฟ ก็ไปกวางถามแขกดินเนี่ยอะไรปฐวีลมอ่ะวายุไฟอ่ะอัคนีน้ำอ่ะป้านี่อะไอะูรคำว่างได้ีคำเนี้ยมันเทียนๆหนอกจำได้ในข้อหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดบอกว่าดูก่อนสารีบุตรมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวา่าทะลัทธิทิฏฐิอย่างนี้ว่าความบริสุทธิ์ย่อมมีได้ด้วยการบำเรอไฟรับใช้ปรณิบัติไฟเอาใจไฟไว้เลย ใ ห, ให้ฟืนไปเท่าไราไฟก็ไม่พอนะดูก่อนสารีบุตรก็เราก็ไฟที่เราไม่เคยบำเรอแล้วโดยการยืดยาวชาตินานนี้เป็นของหาไม่ได้ง่ายนากักแต่ไฟนั้นเนี่ยนะชาติที่เป็นกษัตริย์หรือเป็นพรหมผู้ยิ่งใหญ่บูชาเนี่ยนะเรียกว่าบำเรอไฟรับใช้ไฟบูชาไฟเนี่ยเอาใจไฟมาทุกอย่างแล้วแต่ก็ไม่ได้บรรลุเพราะไฟอะไรหรอกสรุปว่าแก้ลักที่ไปเยอะเลยใช่หม แก่ลัทธิไปเยอะแล้วว่าข้อปฏิบัติอื่นๆไม่ได้ช่วยให้บรรลุจริงไอ้ที่บรรลุได้จริงก็คืออริยมรรคเท่านั้นนะตามอะไรนะตามสูตรก่อนที่เรียนไปแล้วนะสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่มีในศาสนานี้เท่านั้นเพราะศาสนานี้มีอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปเพรา ะ, ะลัทธิอื่นๆเนี่ยไม่ใช่แน่นอนก็ปฏิเสธมาหมดแล้วทีนี้อีกข้อหนึ่งอันนี้เป็นแก้คํำว่าทะที่ว่าถ้าแก่แล้วก็ความจําไม่ดีปัญญาไม่ดีเนี่ยนะ อันนี้ไม่ใช่นะดูก่อนสารีบุตรมีสมณะพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าบุรุษรุ่นหนุ่มผู้เจริญนี้มีเกษาดําสนิทประกอบด้วยวัยหนุ่มอันเจริญประกอบด้วยปัญญาอันเฉลียวฉลาดอย่างยิ่งสมกับวัยต้นหมายคขาว่าท่าหนุ่มๆเนี่ยฉลาดต่อมาบุรุษผู้เจริญนี้เป็นคนแก่เป็นผู้เฒ่าเป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยโดยลําดับ คือมีอายุ80ปี90ปี100ปีโดยชาติเกิดมานานเนี่ยนะก็เสื่อมจากปัญญาความเฉลียวฉลาดในภายหลังตอนหนุ่มฉลาดมากตอนแก่เลยไม่ฉลาดเลยตอนแก่ก็แปลว่าโง่หลงเขาเขาเชื่อกันแบบนี้อ่ะนะหมายความว่าแกแล้วมันโง่ว่า ง, งั้นเถอะดูก่อนสารีบทข้อนี้เธอไม่เพึงเห็นอย่างนั้นอย่าไปเชื่อนะอย่าไปเห็นตามเลยแนละอย่าไปคล้อยตาม ก็บัดนี้เราเนี่ยเป็นคนแก่เป็นผู้เฒ่าเป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยมาโดยลําดับอายุของเราก็แปดสิบปีเข้าแล้วนี่ น, น, นะนะก็แปดสิบปีแล้วปีที่แปดสิบแล้วนะถึงวิสาขาวันเป็นเดือนหกครั้งหน้าก็ปรินี้ผ่านแล้วนี่แปดสิบมาแล้วนะปัญญาก็ไม่ได้ลดน้อยอะไรเลยสาวกบริษัททั้งสี่ของเราในธรรมวินัยนี้ถึงมีอายุถึงร้อยปี เป็นอยู่ได้ตั้งร้อยปีประกอบด้วยสติคติทิติอันยอดเยี่ยมและปัญญาเฉลียวฉลาดอย่างยิ่งพระนนเนี่ยอายุไปร้อยี่ิบปีเนี่ยปัญญาท่านลดลงไหมพระอนรุนธาอายุร้อยสี่สิบปีพระภากระอายุร้อยหกสิปีเนี่ยนะท่านเหล่านั้นมีใครปัญญาท่านลดไหมสติท่านลดคติท่านลดทิติท่านลดปัญญาท่านลดปัญญาเฉลียวฉลาดอย่างยิ่งลดลงไปไหมบอกไม่มีอะนนก็ไม่มี หรือสาวกเหล่านั้นที่ทุกคนฉลาดทั้งนั้นเลนยเป็นฉลาดทุกคนเนี่ยที่ที่ฉลาดฉลาดนะทั้งที่มีสติสติทิติและก็ปัญญาที่ยอดเยี่ยมปัญญ า, าเฉแล้วฉลาดอย่างยิ่งฉลาดเท่าเหมือนอะไรเหมือนนักธนูที่มั่นคงได้รับการฝึกหัดช่ำชองชำนิชำนาญเคยแสดงฝีมือมาแล้วพึงยิงงวงตาลโดยขวางให้ตกลงมาโดยลูกศรขนาดเบาโดยง่ายใครว่าเห็นใครว่า ตัดตาเนี่ยนะเห็นต้นตาลขั้วตาเนี่ยยิงตกมาดื่มน้ําตาได้เลยแม่นขนาดนั้นแม้ฉันใดาสาวกบริษัทสี่ของเราเนี่ยนะเป็นผู้มีสติอันยิ่งมีคติอันยิ่งมีปัญญาจําอันยิ่งประกอบด้วยปัญญาที่ฉเฉลียวฉลาดอย่างยิ่งถึงอย่างนั้นฉะนั้นเนี่ยนะปัญญาเหล่านั้นเนี่ยทุกคนจะฉลาดมากอย่างพระนนท์นี่ก็ฉลาดมากพระสารีบุตรเป็นต้นไงพระมหากัจจยนะท่านเหล่านี้เนี่ยฉลาดฉลาดตรงนั้นเลยเอาพระ ผู้ที่ฉลาดเหล่านั้นนะนะมาถามปัญหาอิงสติปัญสีกับเราเอาพระอ น, อนุาา์พระมหากัสปะพระอนุรุทธะพระสารีบุตรพระโมคขล้านะเอาเก่งให้หมดเลยแหละเอาเก่งๆนี่แหละว่างั้นเถอะมาถามปัญหาเราตอนที่เราอายุแปดสิบนี่แหละเราถูกถามปัญหาแล้วก็พึงพยากรปัญหาแก่พวกเธอพวกเธอทรงจําคําที่เราพยากรแล้วโดยคำเป็นเป็นคําพยากรมิได้สอบถามเราให้ยิ่งขึ้นไปกว่าสองครั้ง หมายคําว่าทุกคนเก่งมากถามครั้งเดียวจําได้หมดไม่ต้องถามถึงอะไรนะฮะไม่มีเห็นไหมฟังแล้วจาได้หมดเลยว่างั้นเว้นจากการกินการดื่มการลิ้มการถ่ายอุจาระปัสสาวะเว้นการหลับและบรรเทาความเมื่อยล้าดูกนสารีบทธรรมเทศนาของตถาคตนั้นไม่รู้จักจบจากสิ้นให้พระพุทธเจ้าเทศเนี่ยนะถ้าหากว่าไม่ต้องชันไม่ต้องดื่มไม่ต้องเคี้ยวไม่ต้องกินไม่ต้องลิ้มไม่ต้องอุจาระปัสสาวะไม่ต้องหลับไม่ต้องเหนื่อยว่างั้นเถอะเพล่ไปเถอะไม่มีจบมีสิ้น บทและพยัญชนะแห่งธรรมของตถาคตนั้นก็ไม่รู้จักจบจักสิ้นความแจ่มแจ้งแห่งปัญหาของตถาคตนั้นก็ไม่รู้จักจบจักสิ้นอะนะคือถ้าหาว่าแปลภาษาไทยอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าพระ อ, องค์ไม่ปรินิพพานให้พระ อ, องค์นั่งเทศอย่างเดียวเทศเป็นล้านปีก็ไม่มีจบเหมือนกันเลยปัญญาของพระ อ, องค์นี่มากขนาดนั้นเพราะอะไรเพราะปัญญาของพระ อ, องค์เท่าอากาศอากาศนี่จบเป็นไหมไม่เป็นปัญญาของพระ อ, องค์ก็จบไม่เพ็นเช่นนั้นนั่นแหละ เมื่อเป็นดังนั้นสาวกบริษัทสี่ของเรานั้นจึงมีอายุร้อยปีอยู่อายุตั้งร้อยปีเป็นอยู่ตั้งร้อยปีพึงกระทํากาละโดยล่วงไปร้อยปีฉลาดขนาดนั้นเนี่ยนะถามอย่างนี้จนท่านคนถามนี่ยอายุร้อยปีถามจนตายอย่างนั้นเถอะพระองค์ก็ตอบได้ไม่หมดยังตอบไม่เสร็จเลยอะคนถามตายไปแล้วปัญญายังไม่หมดอ่ะนะเอาแบบเรียกชนิดที่เรียกว่าถามครั้งเดียวแล้วจาได้หมดนะไม่ใช่เอาแบบฮ้าอะไรเงี้ยไม่ใช่นะ แล้วต้องแบบซ้ำวนแล้ววนเล่ารอบแล้วรอบเล่าอ่ะไม่ใช่เนี่ยนะเอาประเภทแบบครั้งเดียวนะดูก่อนสารีบทเอาเป็นว่าแม้พวกเธอจะพึงหามเราไปด้วยเตียงน้อยหมายว่าไม่สบายหามพระพุทธเจ้าเลยแบบนั้น ความเป็นอย่างอื่นแห่งปัญญาเฉลียวฉลาดของตถาคตย่อมไม่มีเลยอย่าไปคิดนะอย่าไปเชื่อตามคนบอกอายุมากแล้วหัวไม่ดีปัญญาไม่ฉลาดบกักแม่อายุมากนี่สิดีบอกทำไมดีเอ้าก็ฉันมีประสบะการณ์มากกว่าอะไรมากกว่าเป็นต้นมันน่าจะเรียนดีกว่าคนอายุน้อยนบอกแม่พวกเด็กๆจำแม่นมันก็นกแก้วนกขุนทองฉลาดขนาดนี้แล้วมันดีที่สุดนี่ย น, นะ มันก็บอกว่าโอ้ยนี่มานั่งเรียนกับคนอายุมากจะไปรู้เรื่องเลยว่าอายุมากนี่แหละประสบะการณ์ชีวิตเยอะดีนะจะได้เข้าใจอะไรมากมากทะลุโปร่งกันนะนั่นก็อายุมากมากขึ้นเลยไปต้องไปหนักใจว่าอายุมากแล้วเดี๋ยวจาไม่ได้จําไม่แม่นปัญหาจะจําหรือเปล่าแค่นั้นอาทีลูกหลานเนี่ยจำได้เป็นฉากเป็นฉากนะจําได้ประวัติลูกหลานนั่งอ่อนานแต่ออกไปหมดนั่นถ้ามาจําคําสอนปัญหาว่าจะจําหรือเปล่าแค่นั้นแหละเพราะอะไรเพราะทฤษฎีที่บอกอายุมากแล้วความจําเสื่อมไม่น่าจะใช่แบบนั้นนะ ถ้าได้รับการฝึกนะแต่ถ้าไม่ฝึกก็อย่างว่านะทุกอย่างในโลกนี้ถ้าไม่ฝึกก็เสียหายหมดนะนะั่นแหละที่นี้สิ่งที่พระองค์ต้องการจะบอกต้องการจะบอกเป็นหัวข้อเรื่องสุดท้ายว่าดูก่อนสารีบุตรบุคคลเมื่อจะกล่าวโดยชอบพึงกล่าวคำใดว่าสัตว์ผู้มีความไม่ลุ่มหลงเป็นธรรมดาพึงบังเกิดขึ้นในโลกไม่ลุ่มหลงในนี้แปลว่าคนฉลาดคนมีปัญญา อันนะปัญญาระดับสัพพัญยูเนี่ยนะท่านที่ท่านผู้นี้ที่เกิดมาในโลกเนี่ยจะเกิดมาเพื่อประโยชน์เพื่อกูลแก่ชนเป็นอันมากเกิดมาเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเกิดมาเพื่ออนุเคราะห์โลกเกิดมาเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเกิดมาเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแสดงว่าผู้ผู้ให้ประโยชน์โดยส่วนเดียวงันบุคคลเมื่อจะกล่าวโดยชอบคนที่ควรจะกล่าวถึงนั่นคือใคร คำที่ควรจะกล่าวก็คือกล่าวกับเราเท่านั้นนะควรจะกล่าวคำนี้กับพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะพระพุทธเจ้าเป็นสัตว์ผู้มีความไม่ลุ่มหลงแปลว่ามีปัญญาระดับสัพพัญญุตยานเนี่ยนะไม่หลงเป็นธรรมดาไหมเขาไม่รู้จักล้มไม่ไม่หลงไม่เลอะไม่เลือนไม่เบลอไม่พูดซะเบลอไปเลยเนี่ยนะค้างเป็นต้นเนี่ยอะไรแฮงเนี่ยไม่มีไม่มีเลยว่างั้นเนี่ย พระองค์เนี่ยนะพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงเกิดมาเพื่อประโยชน์เพื่อกูลแก่ชนจํานวนมากพระองค์นี้เกิดมาเพื่อความสุขแก่ชนจํานวนมากพระองค์เกิดมาเพื่ออนุเคราะห์โลกพระองค์เกิดมาเพื่อประโยชน์เพื่อกูลพระองค์เกิดมาเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพผู้คนที่นับถือพระพุทธเจ้าก็บอกนับถือถูกต้องแล้วเพราะพระองค์เกิดมาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่พวกเราอยู่แล้วนะ มันถ้าเกิดทำถ้าท่านเกิดมาท่านทำทุกอย่างเพื่อพวกเราถ้าเกิดพวกเราไม่นับถือท่านแล้วจะว่ายงงอย่างไรอย่างไรโอ้ยน่าสงสารขนาดไหนเนาะถึงขนาดนั้นถึงท่านดีขนาดนั้นเราก็ยังไม่ค่อยจะคิดถึงท่านเลยนะทำไมเป็นอย่างนั้นเนาะโอ้ท่านก็ดีดีดีจริงๆทำทุกอย่างเพื่อเราแต่เราก็ทำไมคิดถึงท่านได้น้อยจังเนี่ยนะเอามามาคิดดูให้ดีนะไม่อย่างนั้นเราเองก็เป็นคนที่น่าสงสารมากเลยแหละเนี่ยนะได้รับประโยชน์จากคาสอนน้อย สูนี้แม้กระทั่งสมัยนั้นแหลท่านพระนาคาสมาละถวายงานพัดอยู่ณนเะบื้องพระปริสดางเรียกว่ายืนพัดอยู่ข้างหลังอันนะลำดับนั้นท่านพระนาคาสมาละได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคน้าอัศจรรย์จิงเป็นเรื่องที่ไม่เคยมีพระอัจฉริยะอัภูตธรรมที่กล่าวมานี้เป็นความหน้าอัศจรย์ของพระพุทธเจ้าอันหนึง่งข้าพระพุทธเจ้า มีขนพองเพราะฟังธรรมะปริยายนี้ขนนี้ลุกสู้สู้เพราะฟังสูตรนี้นะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมะปริยายสูตรนี้ชื่ออะไรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนนาคสมาละเพราะเหตุนั่นแหละเธอจงทรงจําธรรมะปริยายนี้ไว้ว่าโลมหังสนะปริยายเหตุที่ทําให้ขนลุกขนพองเหมือนั้นเป็นสูตรที่ฟังแล้วคนลุกขนพองเหมือ น, ก, นก็เลยเรียกว่าโลมหังสนะปริยาย ปริยายว่าด้วยสูตรอปริยายหรือเหตุหรือพระสูตรที่ทำให้แบบคนฟังแล้วขนลุกขนพองอะนะโอ้โหมีคนที่ทำขนาดนี้จริงๆหรือเนี่ยนะก็มีอะนะก็มีองค์เดียวคือพระพุทธเจ้าทัานแหละปันพระพุทธเจ้าเมื่อตรัพระพุทธพจน์นี้แล้วท่านนาคาสมารมีใจชื่นชมยินดีพระภาสิทธของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเนี่ยนะ มันพระองค์เนี่ยททุกอย่างเพื่อเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อเพื่อกูลเพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนี่นะสังเกตนิดหนึ่งว่าเรื่องราวหลายๆเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดเมื่อ9ก้าสดกัปเนี่ยนะดูในหน้าหนึ่งร้อยเจ็ดกลางหน้านะกลางกลาหน้าหน้าหนึ่งรยเจ็ดกลางกลางหน้าที่บอกข้อบทว่าตะเมยวกายยังได้แก่กายที่สุดใน9ก้าสดกัป แต่ถ้าหากว่าในสูตรนี้นะถ้าเป็นสูตรนี้จะใช้คำว่าอิมะเววกาหยังอันนี้เป็นตัวบอกว่าเรื่องนี้เกิดเมื่อไหร่เนี่ยนะก็ในสูตรเนี่ยนะถ้าหากว่าพูดถึงสติ ป, ปัญญาของพระพุทธเจ้าในหน้าหนึ่งร้อยเก้าหนึ่งร้อยสิบี่ยนะที่บอกว่าถ้าพระพิสุที่ถามปัญหาพระพุทธเจ้าเช่นว่าอีกรูปหนึ่งถามกายานุปัสนาอีกรูปหนึ่งถามเวทนาอีกรูปหนึ่งถามจิตานุปัสนา อีกรูปหนึ่งถามธรรมานุปัสสนาทุกคนถามพร้อมกันเลยพูดพร้อมกันคือไม่มีใครสนใจว่าใครถามใครนะทุกคนถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยตอบทั้งหมดตอบกายสิบสี่วิธีตอบเวทนาเก้าวิธีตอบจิตตานุปัสสนาสิบหกวิธีตอบธรรมาสิบห้าวิธีก่อนกว่าการยิงเงาหนึ่งคืบสี่นิ้วรวดเร็วสกคือหมายเขาว่าอย่างนี้ว่าสมมติว่า พระสาวกของพระองค์ที่ฉลาดที่สุดว่า ง, งั้นเถอะสี่องค์เดินมาเลยจากสี่ทิศมาถึงไม่สนใจใครทัา ง, งั้นองค์ที่หนึ่งมาถามกายาองค์ที่สองถามเวทนาองค์ที่สาถามจิตตาองค์ที่สี่ถามธรรมานุบัสสนพระพุทธเจ้าตอบทั้งสองค์นั้นพร้อมกันโดยใช้เวลาไม่ถึงวินาทีว่า ง, งั้นนะ่ะแวบเดียวน่ะนะเรียกว่าใช้อะไรเนี่ยยิงเงายิงเงานะยิงร่มร่มอ่ะที่ร่มอ่ไม่มีอะไรเลยเงาอะไรนะกว้างหนึ่งคืบ4ี่นิ้วก็คือประมาณไม่เกินศอกเราเนี่ย ประมาณหนึ่งสอกอะ่ะเงาะลูกศรนถามเงาประมาณหนึ่งสอกนะนะั้นอ่ะตอบใช้เวลาเท่านั้นใช้เวลาตอบคําถามที่กล่าวไปแล้วนะใช้เวลาเท่านั้นนะถามพร้อมกันด้วยนะแล้วก็ตอบเหมือนกับว่าตอบกันทีทุกคนเหมือนกับว่าได้ยินพระพุทธเจ้าตอบพร้อมกันเลยมันสติปัฏฐานภาวนาใช้เวลาอสติปัฏฐานสูตรใช้เวลาตอบไม่ถึงครึ่งนาทีเย่างนั้นนะนะนะจบหมดนะเสียดายนะถ้าเกิดทำจะได้ชมพระองค์นะจะได้มีบุญ ไดเรียนคําสอนก บ, บุญแล้วนะเอางี้เป็กันบอกว่ายาวว่าสติประธานสี่เลยเอางี้ดีกว่าเอาพระสาวกของพระองค์มาเลยสามสิบแปดองค์สามสิบแปดองค์มาถึงถามปัญหาโดยที่ไม่มีใครมองหน้าไม่ไม่สนใจใครเลยมาถึงองค์หนึ่งถามคนละข้อคนละข้ อ, นขอในสามสิแปดคือโพรทปรกักยธรรมสามสิแปดพระองค์ก็ใช้เวลาตอบเพิ่เดียวนั่นแนหะจบเลยตอบแทบจะตอบได้พร้อมกันเลยนะนะั่นแหละเพราะอะไรเพราะ ผวางข่าววาระเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสได้เร็วมากเอาอย่างนี้ว่าพวกเราพูดหนึ่งคำพระนรพูดได้แปดคำชาวโลกกล่าวได้เนบบทหนึ่งพระนร์กล่าวได้แปดบทพระนร์กล่าวได้บทเดียวพระพุทธเจ้าตรัสได้สิบหกบทอยางนี้เลยว่าถ้าเราพูดหนึ่งคำธรรมดาทั่วๆไปพระพุทธเจ้าได้กี่คำร้อยกว่าคา วิธีคำนวณก็ง่ายๆเราพูดหนึ่งคำพ่านนนพูดได้แปดคำพ่านนนพูดคำเดียวพระพุทธเจ้าพูดได้สิบหกคำโอ้ oh, เป็นร้อยเลยนะเนี่ยคำนวณดูเอาแล้วกันว่าเท่าไหร่แล้วก็พระองค์เนี่ยนะลิ้นของพระองค์ก็อ่อนไรฟันก็เรียบสนิทวัจนะไม่มีติดขัดพวังคฆาปริวาสคือหมายความว่าพวังอยู่ในภวังก็น้อยมาก อันะจิตที่ลงสู่ผวังนิดเดียวเองคือพระองค์เนี่ยอย่างของพวกเรานี่ใช้เวลาอันนะตอนที่นึ่งหนึ่งชั่วโมงที่เราตื่นในจริงๆหลับครึ่งหนึ่งตื่นครึ่งหนึ่งบางทีอาจจะว่าหลับหกสิตื่นแค่สีิบเท่านั้นเองเครียกว่าส่วนใหญ่อยู่ในผวังซะส่วนใหญ่แต่ของพระองค์นี่ยอยู่ในภวังนิดเดียวจริงๆนะอันนั้นเรียกว่าภวังค้ปริวาสนี่เบาเพราะฉะนั้นพระองค์จึงบอกเลยว่าธรรมเทศนาของพระองค์นั้นไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นอันนะ เพราะพระองค์จะอายุมากเท่าไหรธรรมเทศนาของพระองค์ก็ไม่รู้จักจบจักสิ้นนะทีนี้พระองค์นั้นมีอายุตอนที่พระองค์แสดงเนี่ยอายุเท่าไรนะแปดสิบทีนี้พระองค์อ่ะเป็นปีที่พระองค์ปรินิพานนะแต่จริงๆแล้วในในสูตรท่านบอกว่าแม้ใครจะหามพระองค์ไปด้วยเตียงน้อยก็ตามแต่จริงๆแล้วพระองค์จะไม่ถึงใช้ชีวิตจนถึงขนาดต้องหามอนะพระองค์เนี่ยไม่ได้อยู่นานขนาดนั้นแก้ว่าต้องขึ้นคานหามขึ้นรถ เรียกว่าขึ้นล้อหมุนอะไรเป็นต้นเนี่ยไม่ต้องเพราะพระองค์จะไม่อยู่นานขนาดนั้นที่บอกว่าพระตถาคตทั้งหลายผู้อันมีลักษณะฟันหลุดเป็นต้นไม่ครอบงามแล้วปรินิพานในส่วนแห่งอายุที่ห้าหมายคืาว่าถ้าอายุห้าส่วนพระองค์จะอยู่ดำรงอยู่แค่สี่ส่วนเช่นถ้าอายุร้อยปีพระองค์ก็จะดำรงอยู่แปดสิบปีนั่นเองเนี่ยนะ พระสูตินี้จึงชื่อว่าเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ที่ควรแก่การปรบมือไม่เคยมีแล้วมามีขึ้นเนี่ยนะพั้นพระสูตรนี้พอฟังจบขนลุกขนพองเนี่ยนะก็เลยจำเอาไว้เถอะว่าชื่อสูตรนี้ชื่อว่าโลมหังสนะปริยายหรือมหาสีหนาสูตรเป็นสูตรที่บรรลือบรรลือที่ใหญ่มากเนี่ยนะอันเราก็ได้ฟังสูตรนี้ก็คงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ศรัทธาของเราเนี่ยมีความมั่นคงไม่หวั่นไหวใน พระพุทธเจ้าต่อไปเนี่ยนะขอศรัทธาที่เรามีต่อพระรัตนตรัยจงเป็นปัจจัยเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์ประสรูป ท, ทำตามพระพุทธเจ้าโดยทั่นกันวันนี้ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้